ถ้าหากว่าลักษณะของตัณหาเนี่ยจะเข้าไปตั้งความปรารถนาในจักสุขขอเราพึงมีจักสุขอย่างนั้นนะในสมมติว่าตาขณะนี้เห็นอาจจะไม่ชัดนักใช่ไหมไปตัดแว่นซะสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยต่อไปขอให้ตาแบบวิเศษวิเศษหน่อยอะ่ะมีตาที่มีคุณภาพดีกว่า น, นี้การเข้าไปตั้งนะลักษณะนี้เป็นเรื่องของตัณหาคือเข้าไปตั้งความปรารถนาในจักสุข นี่เป็นชื่อของตัญหาวรร น, นัศนของเราบางคนเนี่ยตั้งความปรารถนาโดยอาศัยทําบุญเลยพอพูดถึงจากสุขครับจะทําบุญให้ทานไปหาทําบุญประเภทให้แสงสว่างเป็นทานใช่ไหมขอเราพึงมีจากสุขอย่างนั้นนั้นตั้งเป้าหมายเพื่อจากสุขอันนี้เป็นเรื่องของตัญหาตัญหาก็คืออยากได้ตาแบบนี้อีกอ่ะใครๆไม่อยากได้บัางไปพิจารณ า, าคําว่าจากขุมาจากจากคติแปล ว, ว่าชอบ เช่นท่านบอกว่ามัททุงจักรติวงั้นชอบน้ำผึ้งพยัญชนะงจักรติชอบกับข้าววันนั้ น, นจักระขูมาจากจักรติวัน้นจักระขูนั้นเป็นเหตุให้เกิดจักรขูวิญญาณเป็นเหตุให้เกิ ด, ก, ดการเห็นอันจกักระสูนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ที่ยินดีในจักระสูเนี่ยนะถ้าลองใครบอกว่าตาจะบอดแล้วยนะจะเห็นความยึดถือของพวกเราโดยธรรมดามันยึดจนไม่รู้จะยึดยังไงนะอย่างเย่นคนไปเที่ยวนะ การท่องเที่ยวไปแต่ละแห่งเนี่ยสมบัติทางตาทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของการไปชใช้ตาทั้งหมดเลยถ้าหากว่าคนตาบอดนะโอ้จะไปเที่ยวที่ไหนที่มันสวยงามที่สุดนะอา่าที่แต่งได้วิจิตรขนาดไหนถ้าตาบอดเนี่ยเอาไหมไม่มีใครอยากไปเที่ยวแล้วดนตรีเพราะๆให้คนหูหนวกฟังเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจากขอนั้นอ่ะที่ลักษณะของตันหาจะเข้าไปยินดีว่าให้เรามีตาที่ดีขึ้น ชัดขึ้นใสขึ้นอะไรคือถ้าเราเป็นนั่นนะคือว่าคำว่านั่นเป็นลักษณะของมานะเข้าไปคือถ้าหากว่าเป็นทางทางคนแขกเลยเขาฟังออกถ้าหากว่าเราเป็นนั่นเนี่ยเป็นลักษณะเกิดการเปรียบเทียบเข้ามาเออบางคนเนี่ยเปรียบเทียบเลยนะอย่างของอาตมาเนี่แหละเอ้ยหลายองค์มานั่งเรียนด้วยกันเขาใช้แว่นกันหมดแล้วเรายังไม่ทันใช้แว่นเลยตาเราดีกว่า พอเข้าไปยินดีเข้าไปยึดติดในลักษณะนี้แหละเป็นเรื่องของมานะมานะเกิดการเปรียบเทียบเลยโอ้ เ, อเราก็อ่านหนังสือใช้เวลาเท่าๆกันแต่เราไม่ต้องใช้แว่นคนอื่นเขาใช้แว่นนั้นตาเราดีตาตาเขาบางวันนี้เอ๊ะคนนั้นทำไมเขาตาดีจังเลยไกลๆเ ข, เขามองเห็นไม่ตาเราไม่เคยดีมองไม่ค่อยเห็นการเปรียบเทียบในลักษณะนี้เป็นมานะเรียกว่าเราเป็นนั่นคนแขกเข้าใจเลยแต่คนไทยฟังแล้วก็ต้องมาแปลเป็นไทยอีกครั้งหนึง่ง เพื่อให้เข้าใจว่าเราเป็นนั่นนี่เป็นลักษณะของมานะที่เกิดการเปรียบเทียบระหว่างตาภายในกับตาภายนอกตาของเรากับตาของคนอื่นแตกต่างกันนะนะลักษณะนั้นไปนเรียกว่าเราเป็นนั่ น, น, น, นและสุดท้ายคือบาลีเขาใช้คำว่าเอโซหมัสมินั่นเป็นอัตตาของเราจักขุกับอัตตานีนอันเดียวกัน เราอันใดจักขู่ก็อันนั้นจักขู่คืออัตตาอัตตาคือจักขูมันถ้าตาบอดปับ๊บกะคากะว่าดับเลยชีวิตเราดับเลยหรืออีกในหนึ่งนะเห็นนามขันเป็นอัตตาจักขูนี้อัตตาเนี่ยอยู่ในจักขูอีกครั้งหนึง่งลักษณะนี้เป็นชื่อของอเห็นโดยมานะทีนี้พระองค์บอกว่าอย่าไปตามเห็นแบบนั้นนะอย่าไปเห็น ตามเห็นด้วยอำนาจของตานหามานะทิถีแบบนั้นแต่ให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญาอันชอบเห็นยังไงก็เห็นว่าจักรครูเป็นความใสแห่งรูปชนิดหนึ่งเป็นความใสแห่งมหาภูตารูปพอที่จะกระทบสีได้สามารถที่จะกระทบสีได้จักรครูอันนี้เป็นวัตถุให้เกิดจักรครูวิญญาณจักรครูอันนี้นี้มีกรรมเป็นเหมือนกับพ่อแต่งขึ้นมา มีอวิชาตันหาอุปท า, านเหมือนกับแม่ที่คอยอุปถากตเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีอาหารเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมคอยบำรุงอุปธรรมทั้งอาหารด้วยอุตุด้วยจิตด้วยคอยอุปธรรมอยู่นั่นแหละอาจารครูนี้ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอุปธรรมภักกรรมมาหล่อเลี้ยงนะตาเราจะดีรันดีขึนตาเราจะดีขึนจากคนที่ตาไม่ดีตาก็จะสุขภาพตาจะดีขึน ถ้าอุปรถรมพกกรรมดีอาหารดีอาหารก็คือพวกวิตามินบางอย่างที่เข้าไปบำรุงเรื่องตาดีก็จะทําให้สุขภาพตาเนี่ยดีขึ้นถ้าอุปปีและกระกรรมมาเบียดเบียนถ้าอุปปีและกระกรรมมาเบียดเบียนตามจะเป็นยังไงพลาเลยนะอะไรก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วมองไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นไอ้ทีนี้อุปเชษถ้ากกรรมมาตับรอนี่จะเป็นยังไงบอดสนิทเลยอะ่ะเป็นตาที่บอดสนิทเลย ก็สเก็ตหินไม่นะกระเด็นแผ่นดินต้องเป็นพันพันไรใช่ไหมกระเด็นได้สายตาพอดีเป๊ะเลยแต่พอดีเลยถ้าเป็นลักษณะนั้นเป็นประเชธกรรมมาตัดเลยตัดตอนภาษาทรูปอ น, นันให้เสียหายไปฉนั้นตัวจักรู่ซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปจากสู่ก็หมดสภาพการพิจารณาอย่างนี้เนี่ย เข้ากับเรื่องที่กําลังกล่าวเลยว่าในในลักษณะสู้ที่ว่าปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะพระองค์ทรงพิจารณาอย่างนี้แหละว่ารูปจักรคู่นี้เป็นรูปใช่ไหมจักรคู่นี้เป็นรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอัจว่าสิ้นไปเขาเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้เขาก็สิ้นไปไม่เที่ยงคือขยับเถนะสิ้นไปขยับเถนะนะก็คือขยะบวกอัถานั้นขยะก็คือ สิ้นไปหมดไปเสื่อมไปจกักรคูก็เหมือนกันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมันขยักแปลว่าเสื่อมสิ้นไปบอกว่าจากักรคูเป็นขยานเนี่ยฟังยางนะแต่ถ้าบาลีเขาฟังขยับเทนะนะจกักรคูมีความหมายว่าไม่เที่ยงเพราะความหมายของจกักรคูคือสิ้นไปจกักรคูนี้เป็นทุกข์เพราะอัจว่าพยับเทนะพยะแปลว่าน่ากลัวจักรคูเนี่ยน่ากลัวอ่าถ้าคนที่ยังไม่เห็นโทษของจักรคู่นะอาจจะไม่รู้เลย แต่ว่าจากโคเนี่ยตัวมันเองก็เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยมากมายตัวของจากโคเองเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเขาเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ที่ตานะมันคล้ายๆมันจะคันตลอดเลยจะคันที่ตาเนี่ยเพราะว่ามันติดเชื้อติดเชื้อก็ไปหาหมอไอเราก็นึกว่าเราไปคนเดียวไปถึงเนี่ยคนไข้นั่งเรียงกันพอก็มานั่งฟังคำนี่แหละไปหาจากักษุแพทย์ที่ตอนนั้นอยู่ที่อุบลราชธานี ไปนั่งเรียงเยงกันโอ้โหมานั่งเพื่อคนโน้นก็ปิดตาคนนี้ก็ปิดรู้อันแสดงว่าโรคนี้คนนี้เป็นมากจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นโรคภัยอย่างนั้นเข้าเป็นทุกข์จักษุจึงน่ากลัวและจักษุนี้ยังเป็นเหตุให้ให้โจรเนี่ยปล้นจากขู่เหมือนบ้านร้างไงไหมอายตนะภายนอกนี่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นพระองค์กล่าวในอาทิตต์ปริยัสูตรตถ้าอาศัยการเห็นนี่ ทำให้ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะทําให้เกิดราคะเกิดนะพระ อ, องค์บอกว่าเอากันไกลตัดเล็บมาคว้านให้มันแตกถ้ายังจะดีกว่าที่จะปล่อยให้จิตเป็นบาปโดยอาศัยจากขู่นั้นจากขู่เนี่ยมันจึงน่ากลัวเพราะเป็นเหตุแห่งโทษภัยต่างๆอีกมากมายมหาศาลคนส่วนหนึ่งที่ก่อกรรมทําชั่วนะถ้าไม่มีจากขู่เขาไม่ได้เห็นภาพบางภาพนะไม่อาศัยจากขู่ไปเห็นภาพบางภาพเขาจะไม่ทําชั่วเลยเพราะเห็นภาพบางภาพเนี่ยทําให้คนเนี่ย อาณาติบาตก็ได้อธินาทานก็ได้กาเมสุมิจฉาจารก็ได้มุสาวาจก็ได้พรุสวาจาก็ได้สัมผัสปลาปะก็ได้ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงกับอภิชาก็เกิดพยาบาทก็เกิดเพราะอาศัยจากคุยนี่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดมิฉาทิฐิอันตัวเนี้เป็นที่เรียกว่ากระแสแห่งวัตทุเกิดถ้าหากว่าการกล่าวถึงว่าจากขุ่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยเขาเรียกว่าพูดในลักษณะของปัญญาที่ ที่เป็นวิปั ส, สนาที่เป็นปริญญาเข้าไปวิจัยอ่าในชั้นต้นเนี่ยนะในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลกรรมและผลงงกรรมนี่เขาชัดเจนละอันถ้าหากว่าการกล่าวที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตรีระปริญญาแต่อย่างที่คุณวิลาวันกล่าวเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าปัญหากิิรรยาาตะปญญก็ยังไม่ทันชัดเลยนั่นแหละมันก็ให้ฟังไว้หลายๆระดับยังเห็นอันนี้สองของตาก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้ะ ก็คือทาให้เห็นว่าเออผู้ใดยังยินดีในตาก็ไม่พ้นตาผู้อีกสำนวนหนึ่งบอกพูดยินดีในทุกก็จะไม่พ้นจากทุกเพราะว่าขณะที่โลภะเกิดขึ้นยินดีในจักขู่เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะโลภะตัวนั้นเนี่ยก่อภพใหม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงถ้ายังยินดีในจักขู่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้จักขู่ถ้ายังยินดีในจักขู่นะอย่าคิดเลยว่าจะได้นิพพานไม่มีทางเพราะโลภะเกิดขึ้นยินดีในจักขู่เสร็แล้ว ในขณะนั้นอันจะต้องอาศัยจากขูพืชเจริญอาสัมโมหะสัมปัญญะหรือตั้งแต่ยาตาปริญญาเป็นต้นไปและต่อไปนะจากขูหรือรูปเนี่ยเป็นอนัตตาคําว่าเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าอาศารกัตเถนะจากขูเป็นอนัตตาเพราะอาศารกัตเถนะแปลว่าไม่มีสาระเลยจากขูนี่มีสาระไหมสาระในที่นี้คืออะไร เอาเอาเอาสาระก่อนถ้าสาระเป็นยังไงสาระนี่หมายคำว่าสาระหนึ่งต้องสิ่งนั้นต้องเป็นนิจจส า, าระสิ่งนั้นต้องเที่ยงนะสิ่งที่เป็นา 1, ส, สาระหนึ่งเที่ยงสองสุขะสาระมีความสุขสามอัตตาสาระเป็นอัตตาแล้วก็สุภาษาระเป็นความงานแล้วจากสู่นี้เป็นนิจจาศาระไหมมีความเที่ยงอยู่ในนั้นไหมไม่มี เป็นสุขศาสาระไหมมีความสุขไหมในจากโคจากโคนี้มีความเป็นแก่นสารไหมทีนี้เขามีคําถามว่าจากโคนี้งามไหมมีพระเถรีรูปหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยบวชตั้งแใจยังงามเลยพระสุภาเถรเีเป็นเป็นเถรีที่งามมากก็บอกว่าผู้ชายใดมองเห็นนางเหลือบตามองเห็นปั๊บเนี่ยใจต้องหวั่นไหวเลยอะ่ะทีนี้มันก็บวชบวชแล้วก็เป็นพระอรหรันต์ พทาหารั h a n ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่ง น, นะเขาเรียกสำนวนทางคำพีเรืกนักเลียงเจ้าชู้ก็คือคนที่ที่ไปหมายปองหญิงคนใดคนหนึ่งเขาเรียกนักเลียงเจ้าชู้ก็ไปติดตามพระเทรีเนี่ยอ้อนวอนเออเธอก็ยังสาวว่างนั้นฉันมีทรัพนะฉันจะไปเลี้ยงดูเธออย่างนั้นก็ไปให้ความหวังเต็มที่เลยอานางก็ถามว่าเออรักใช่ไหมบอกว่าใช่รักส่วนไหนก็ว่างั้นรักดวงตา บอกว่ารักดวงตาเท่านั้นแหละนางเนี่ยควักตาให้เลยสารักจริงๆบอกว่าตางามทําไมไม่เอาดวงตาไปล่ะนะอุศา์ควักตาให้เลยนะนางควักให้จริงๆเลยนะเป็นพระอาหารหันแล้วตอนหลังก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าก็พอเฝ้า พ, พุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนั้นให้พุทธเจ้าฟังตอนหลังนางก็ได้ดวงตาคืนเหมือนเดิมนะก็ไม่ถึงกับบอดแต่เพราะว่าถ้ามันงามจริงๆอ่ะเราก็น่าจะเอาดวงตามาเลยใช่ไหม แต่นี่มันไม่ใช่บอกโอคุณเนี่ยยิ้มสวยจังฟันงามเลยถอดเอกไปลักซี่ไหมเพะนั้นความงามในนั้นจริงๆเนี่ยมันคืออะไรในขณะที่เราเรียกวิวปปลาาหรือวิปริตก็คือเมาแล้วเนะี่จึงเห็นว่า ง, งามอ่ะ้าษาเมื่อไรก็หมดงามแนละ้วเพรา ะ, ะนั้นรูปเหล่านี้จึงเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการตามเห็นเพื่อปฏิเสธ ปฏิเสธตันหามานะนั่นแหละคนที่เห็นโดยที่ไม่เกิดตันหามานะเนี่ยเห็นอย่างไรพิจารณาจากสุอย่างไรตันหามานะจึงไม่เกิดพันก็ต้องพิจารณาจากสุชั้นต้นเลยนะเห็นจากสุเป็นจากสุเอ๊ะเป็นยังไงสแสดงว่าคนทั่วไปไม่ได้เห็นจากสุเป็นจากสุใช่ไหมไม่ได้เห็นจากสุในลักษณะจากสุตามความเป็นจริงของจากสุ แต่จะเข้าไปสำคัญหมายในจักรสูด้วยอำนาจของตันหามานะและทิฏฐิไม่ได้ทิจารณาเห็นจักรสูอย่างที่มันเป็นจักรสูจริงๆมันเป็นอะไรมันเป็นรูปประธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดด้วยปัจจัยคือกรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยแต่เราก็เราอ่ะของเราอ่ะให้นึกถึงชาชกสูตร ถ้าหากว่าความยึดถือของเรามากมายขนาดไหนนะสังเกตเอาจากชาจักัสูตรเอามาลองไล่ดูตาสีจกักรคูวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานาวิญญาณค่อยๆไล่แล้วก็ค่อยๆสังเกตยแยกแยะพิจารณาของแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ให้มีความเข้าใจายอย่างดีลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโพธะ กายวิญญาณมโนได้แก่ผวังมโน<ม>ธรรมะมโนวิญญาณค่อยๆไล่แต่ละทวารเนี่ยนะไล่กลับไปกลับมาบ่อยๆถ้าไล่กลับไปกลับมาบ่อยๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะอั ต, ตสัญญาเนี่ยนะมันถอนไปเยอะเลยสังเกตดูถ้าถ้าท่าเอาไปคิดมากๆในลักษณะนี้บ่อยๆนะไม่ต้องกลัวนะว่ามันเป็นอะไรก็อบอกเอ้่นี่เป็นธรรมสัญญาเออจำอย่างนี้ดีดีกว่ากามสัญญามากมายนิพพาน ดีกว่าพยาปาทสัญญาดีกว่าวิหิงสาสัญญาสัญญาสามอันนะดีกว่าอากุศลสัญญาเหล่านั้นมากนี่เป็นธรรมสัญญาและข้อความเหล่านี้คือธรรมังสรนังฆฉามิอย่าลืมนะสารณะของเราคือพระปริยัติอริยมรรยพุนดังคําสอนที่กล่าวด้วยเรื่องราวเหล่านี้เป็นธรรมังสารนังฆฉามิเ อ, อเคยถามว่าทําไมปฏิบัติไม่ใช่ธรรมังสารนังคฆฉามิ กุศลจิตที่เราเกิดขึ้นทําไมไม่เป็นธรรมบังสารนังขาชามิแต่พุทธโอว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมบังสารนังขาชามิเคยคิดไหมทาไมจึงเป็นอย่างนั้นอาถามว่าทําไมกุศลจิตกุศลธรรมดานะทําไมมหากุศลจิตไม่ใช่ธรรมังสารนังขาชามิธรรมบังสารนังขาชามิทำมาได้แก่อะไรปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานนี่คือ เนื้อหาของคําว่าธรรมังสรารนังฆาชามิทําไมกุศลจิตที่เราเกิดทุกๆขณะเนี่ยทําไมไม่เป็นธรรมังสรารนังฆาชามิข้าพเจ้าขอเอากุศลจิตของข้าพเจ้าเป็นสรารนะเป็นที่พึ่งทําไมไม่ เ, <c oughs> เพราะกุศลจิตนี่เนี่ยที่เกิดขึ้นขณะ น, นี้ถ้าขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นนะเข้าไปยินดีในกุศลก็เป็นอุปาทานแล้วกุศลจิตก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานขันเออเข้าไป กุศลจิตเป็นอุปาทานนะครันั้นกุศลจิตของเราเนี่ยเอาเป็นหลักได้ไหมเอาเป็นหลักไม่ได้ถึงกุศลเนี่ยดีแต่คําสอนพระพุทธเจ้ากลับสอนให้เจริญกุศลจิตแต่กุศลจิตที่เจริญไม่ใช่เอากุศลนี้เป็นสารณะแต่คําสอนที่กล่าวให้สอนเจริญกุศลจิตคําสอนนั้นเป็นธรรมังสารนังคาถามนี้เอางี้นะกุศลจิตเราเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงคําสอนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไหม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 เพราะว่าคิดมามาหลายปีแล้วคำนี้ทําไมไม่เอาคําว่าปฏิบัติเป็นทำมังสรารนังขะฉ า, ามิเือไม่ใช่ทำมังสรารนังขะฉ า, ามิที่ณนะตรงนี้อันนะที่เป็นพระรัตนตรายแต่พระรัตนตรายคือทำมังสรารนังขะฉ า, ามิสอนให้เจริญกุศลจิตผู้นคนที่ถ้ามีธรรมะเป็นสราระต่อไปอีกธรรมะจะสอนว่าแม้แต่กุศลจิตคุณเกิดด้วยปัจจัยนะกุศลจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ mm hmm. เมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือที่จะตามเห็นมันนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราแต่คําสอนสอนว่าเจริญกุศลจิตให้หมากเพราะนั้นคาสอนเนี่ยจึงเป็นสารณะกุศลจิตจึงไม่เป็นสารณะถ้าอากุศลจิตเป็นสารณะนะสมมติเมื่อวานของธรรมาผู้การเข า, ออานะเอาปลานะบอกว่าท่านไม่เคยปล่อยปลาปล่อยปลาท่านไหนแล้วเขาปล่อยปลา ขนาที่ปล่อยปลาเป็นกุศลไหมเอาเป็นสรณะได้ไหมแต่คําสอนว่าด้วยการให้ทานคําสอนที่ว่าด้วยการรักษาศีลคําสอนที่ว่าด้วยการเจริญภาวนาคําสอนนั้นเอาเป็นสรณะได้แต่กุศล จ, จิตของเรานะนนที่เจริญเนี่ยดีนะคําสอนบอกว่าดีแต่ว่าอย่าไปยินดีกับกุศลแค่นั้นนะพระองค์ไม่กล่าวการหยุดอยู่แห่งกุศลสอนให้เจริญกุศลอย่างเดียว จะปลุกเปล่าใบยายถึงอกุศลเล่าว่างั้นแม้แต่กุศลก็ไม่ให้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ให้ยินดีในกุศลไม่ให้แค่สันโดษในกุศลคําสอนพุทธเจ้าบอกให้ไม่สันโดษในกุศลแต่ถ้าเป็นอัพยากะตะธรรมนะปัจจัยสี่เนี่ยสอนให้สันโดษแต่กุศลไม่ได้สอนให้สันโดษธรรมะสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรอันตัวคําสอนพุทธโอวาจจึงเป็นธรรมังสรณงฆาชามิ แต่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อเราทั้งหลายเข้าถึงโลกุตระจิตนั่นแหละของเราจึงจะได้สภาพของตัวเองจึงจะได้ถึงระดับเป็นธรรมังสรรารนังคาฉามิได้ขณะที่ได้มรรคจิตพลจิตไปแล้วคาเพียนเจริญกุศลเป็นอัตตาไหมไม่ต้องห่วงนะถ้ากุศ ล, ลจิตเกิดเอางีานะสมมติเลยเอาของมาเป็นท่าเอาตัวอย่างง่ายดิไม่มีใครฟ้องเลยไม่มีใครตำหนิทานมาปล่อยให้จิตเป็นบาปดีไหม ถ้านำมาจะคิดให้เป็นกุศลกลัวจะเป็นอัตตาเอาเอตั้งใจเจริญกุศลเป็นอัตตานะโอ้นี่นะสมมติโอ้โหเราเห็นนั่นก็นดีอันนี้ก็ดอีอยากฉันข้าวเย็นแล้วเกินอย่างเงี้ยอ้าถามว่าความคิดอันนี้ปล่อยให้เกิดดีนไหมเอาถ้าเจริญกุศลจะเป็นอัตตาแล้วจะทํายังไงค็เกินก็ไม่เข้าออคายก็ไม่ออกจะทําังไงดีอา่านั่นแหละหเพราะฉะนั้นก็ทวงความเข้าใจว่าอัตตาคืออะไรอัตตาก็คือความสําคัญหมายว่ากุศล ตัวคนทํากับตัวกุศลมันอันเดียวกันกุศลอันใดอัตาก็อันนั้นอัตตาอันใดกุศลก็อันนั้นแต่นี้ไม่ได้สําคัญเลยไม่ได้สําคัญอย่างนั้นสําคัญว่ากุศลเกิดด้วยปัจจัยถ้าหากว่ากุศลไม่เกิดเสียหายไหมถ้ากุศลไม่เกิดก็เป็นอกุศลอกุศลเนี่ยหนึ่งเบียดเบียนตนสองเบียดเบียนผู้อื่นถ้าจะยิ่งเป็นพระเนี่ยปล่อยให้จิตเป็นบาปเนี่ยเบียดเบียนชาวบ้านไหม เขาบอกว่าดูกรณ์พิสูจทั้งหลายทานที่ให้กับสมณะพราหมณ์ผู้มากไปด้วยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทานนั้นไม่มีผลมากไม่มีอ น, นิสงส์มากสามาดีไหมเอาสมมตินะเออนั่งฝันหวานุสมัยก่อนนะเราไปชอบอย่างนั้นอย่างั้นองั้นดีไหมไม่ดีอย่างเงี้ ย, างง ย, ยางงบาปอากุศลพระองค์บอกว่านี่ถ้าถ้าเธอคิดอย่างนี้นะเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย แล้วก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถอยแห่งปัญญาแม้กระทั่งพระธรรมคำสอนที่ศึกษามาดีแล้วนะถ้าปล่อยให้จิตเป็นอกุศลพักเดียวแค่นั้นเนะี่ยธรรมะหายหมดเลยอูธรรมะนี่กลัวโลภะจริงๆเลยไม่รู้หนีไปไหนหมดเลยมันจะต้องรีบทำยังไงจึงจะข่มได้ข่มให้ข่มยังไงก็บอกว่าข่มด้วยการพิจารณาให้พิจารณาถึงโทษภัยต่างๆของอกุศลเนี่ยถ้าเราคืนปล่อยอย่างนี้เนี่ยอนาคตการบวชไม่ยืดแนะ่ อย่าว่าอย่าว่าเจริญกุศลและจะบวชก็ยังจะบวชอยู่ไม่ได้ถ้าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้มันเกิดเกิดมากใช่ไหมฉะั้นคําสอนจึงสอนให้เจริญสัมประทานสิแต่คนนั้นต้องเข้าใจว่าเอาถ้าเจริญกุศลอ่ะเจริญกุศลเนี่ยเจริญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนั้นจะต้องมีสติและสัมปชัญญะต้องรู้ด้วยว่าปัจจัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลกุศลคืออะไรหนึ่งทานกุศลสองศีลกุศลสามภาวนากุศล ทานกุศลจะเจริญเจริญได้อย่างไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขอยากจะได้กุศลจนไม่รู้เอ๊กุศลมันเป็นยังไงอกกเอก็ออย่างเงี้ก็ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าคนนั้นต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือกุศลอกุศลแต่ว่าศึกษาธรรมะเบื้องต้นนี่ก็พอรู้ได้แล้วว่าอะไรคือกุศลอกุศลใช่ไหมทํายังไงศีลกุศลจึงจะเกิดขึ้นทํายังไงจะตุปปาริสุที่ศีลจึงจะเกิดขึ้นใช่ไหมมองยังไงหนึ่งจึงจะไม่เป็นอาบัติก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นปาติโมคัสังวร พระเนี่ยใช้สายตาบางอย่างเนี่ยเป็นอับัตนะไม่บอกก็ทำอะไรเดี๋ยวโยมรู้ฟ้องกันได้มองบางอย่างนะมองผิดที่มองผิดตำแหน่งเป็นอับัตสองถ้ามองไม่ผิดตำแหน่งนะแต่มองด้วยโลภะขาดอินทรีย์สังวรสามถ้าไปมองในสถานที่บางแห่งไม่ปัจเจวไม่ได้ปัจจะยะนิสิตสิน อ่าเขาเรียกว่าใช้สายตาเราห้อยเพื่อที่โอ๊ยอยากได้อันนั้นเหลือเกินเนี่ยคล้ายๆเนี่ยเป็นไปลักษณะอาชีพไม่ค่อยดีนะหรือไปปฏิบัติโ อ, โอการเราใช้สายตาแบบนี้นะคนจะได้ศรัทธามา ก, มากๆอะไรแบบนี้อาชีพไม่ดีแล้ะอาชีพไม่บริสุทธิ์แม้บอกโหถ้าเราใช้สายตามองแบบนี้นะคนจะได้เข้าใจว่าเราเป็นพระอรหรอนันต์ยังไงไอ้แบบนี้ก็ผิดอีกอาชีพที่ได้มานั้นอาชีพนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแม้แต่ใช้สายตายัางไงาจึงจะรักษาศีลได้ เป็นจตุปริสุท ธ, ธิ์ทีน่นทีนี้ต่อไปอีกมองอยังไงรจรึงจะเป็นสมถะกรรมฐานสมถะคืออะไรประเภทเมตตาเป็นต้นมองอย่างไรจรึงจะมองด้วยเมตตาเรียกว่ามองด้วยสายตาที่เป็นเหมือนกับน้ำกับน้ำนมซึ่งมันเข้ากันได้ไม่ใช่น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้อันมองด้วยจากสู่ที่เป็นมิตรเป็นต้นเป็นประเภทภาวนากุศลประเภทสมถะ แล้วมองการมองนั้นอะ่ะใช้สายตาไปมองอะไรอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ดูอะไรแล้วกุศลไม่เจริญอย่าไปดูมันดูอะไรแล้วกุศลเจริญสอนให้ดูเมื่อเช้าสนทนากันชื่อของพระพาหิยะเหมือนกันที่ว่าดูก่อนพาหิยะเธอพึงทำศึกษาว่ า, เ ห, ว า, เ, ห เ, าเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นยังไงเห็นสักแต่ว่าเห็น ทีนี้เราเราลืดส่วนมากจะลืมคำต้นใช่ไหมเธอพึงทำศึกษาว่าลืมคำคำต้นอะ่ะเธอพึงทำศึกษาว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นไอ้เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยจากขูวิ ญ, ญญาณชื่อว่าทิฏฐะสัมปติชนะสันติรณนะโอ้ทพนะพวกนี้เป็นทิฏฐมตะคือเป็นประมาณของจากขูวิญญาณจากขูวิญญาณมีโลโลพาไหมไม่มีสัมปติชนะสันติรณนะมีโลพาโทสะโมหะไหมไม่มี เพราะฉะนั้นชาวนะเนี่ยให้อนุวัตตามจากครูวิญญาณจากครูวิญญาณไม่มีโลภะอันในชาวนะก็อย่าไปให้มันมีโลภะเหมือนกันแต่บอกไว้ก่อนนะศึกษาศึกษาเป็นชื่อของสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็เห็นนั่นแหละแต่เห็นด้วยสิกขาสามชาวนะเป็นศิกขาสามมองยังไงเป็นศีลกุศลมองยังไงเป็นสมาธิกุศลมองอย่างไรเป็นภาวนากุศล ขน้นถ้าบอกว่าเออเห็นสักแต่ว่าเห็นห oh, เห็นสักดิแต่ว่าเห็นอริยศัก์ที่บรรลุคือหนึ่งทุกสมุทยัยนิโรธมักเห็นศักแต่ว่าเห็นเป็นอริยศักด์ข้อไหนเป็นมรรคศักดิ์ไหมเห็นสักดิแต่ว่าเห็นต้องต้องไม่ทิ้งว่ะเธอพึงตามศึกษาว่าอตัวศึกษาตัวนั้นเป็นมรรคศักดิ์ตัวศึกษาตัวนั้นเป็นข้อปฏิบัติตัวศึกษาในขณะเห็นเนี่ยนตัวนั้นเป็นข้อปฏิบัติเอาศึกษาเป็นประมาณในขณะเห็น แต่ว่าสักแปลว่าเห็นเนี่ยแปลว่าอย่าไปเห็นด้วยโลภะโทสะและโมหะเห็นด้วยโลภะเป็นอย่างไรเห็นด้วยโลภะเป็นยังไงเห็นแล้วสายใจในสุภนิมิตงามจังลักษณะเนี่ยเป็นสุภนิมิตเนี่ยโลภะเกิดไอ้ยางงี้อย่าไปเห็นนะเห็นแล้วโทสะเกิดเป็นยังไงก็คือสายใจในปฏิฆะนิมิตเห็นแล้วอุเบกานิมิตเออเห็นแล้วเฉยๆเอาไหมเห็นแล้วเฉยเลยเป็น กูเบคานิมิตเป็นอารมณ์ของโมหะทีนี้แปลว่าเห็นสีนั่นแหละสีนะตอนตอนต้นๆเลยสมัยนูน้นเมื่ อ, อพุทธพาโน่นแหละเราเคยเรียนเรื่องกุศลจิตนะกามาวาจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงนโสมนัสสาสหากตังญานสัมปยุตตังนะโสมนัสสาแปลว่า สมณตแปล ว, ว่าเกิดร่วมกับความดีใจญาณสัมปยุตังแปล ว, ว่าประกอบด้วยปัญญาอุปนังโหูติกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยรูปารมณังวามีรูปเป็นอารมาราณร์กุศลจิตสัทธารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีเสียงเป็นอารมณ์คันธารม <ler> ณรังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีกลิ่นเป็นอารมณ์ระสารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีรสเป็นอารมณ์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 จะให้เป็นโมฆาวาระตลอดเลยก็เรียกว่าเจ้าชานิทราหลับสนิทอีกก็ <g ay> ここบอกว่าเป็นเจ้าชานิทรานะถ้าแค่ชาวนาจิตไม่เกิดเนี่ยคนเดือดร้อนแน่นะหลับตลอดไม่ตื่นเลยลองดูสิคนเดือดร้อนแน่นะ <g ay> <g ay> ต้องโรงพยาบาลเนี่ยทายังไงปัมหัวใจใหญ่เลยจะได้ฟื้นตื่นขึ้นมาหลับนานเกินไปคนก็เดือดร้อนอีกนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้แค่พวังคจิตเกิดหรือถ้าจะเอาพวังคจิตเกิดเลยนะไม่รับรู้อะไรเลยเอาไหม มีน ะ, ะมีพญานาคคนหนึ่งสมัยที่พระผู้มีพระภาคลอยถาดลอยถาดที่แม่น้ําเนรัญชราเพื่อจะจ่าที่ฐานว่าเอเราจะได้บรรลุไหมถ้าได้บรรลุขอให้ถาดเ น, นี่ยลอยน้ําขึ้นไปแล้วก็ปล่อยไปถาดลอยน้ําจริงๆอ่ะก็ถาดลอยน้ําไปปุ๊บแล้วก็จมลงไปตกไปที่ที่เมืองบาดาลเขาเรียกว่าที่อยู่ของนาคขราชอันหน้าคตัวนั้นเนี่ยตื่นลืมตามาแป๊กอะไรวะเมื่อวานก็บรรลุไปองค์หนึ่งวันนี้บรรลุอีกแล้วเหรอ ตื่นแล้วหลับต่อไปอีกเขาหลับทิ้งเป็นพุทธันดรเลยอ่ะก็เขาบอกอดีตชาติเนี่ยเป็นสามมเนนเป็นสามเนนเนี่ยพระเนี่ยใช้บ่อยง่วงอะนะตามภาษาเด็กเด็กอะเนน่ะง่วงพระเนี่ยใช้บ่อยก็เลยทําบุญแล้วก็ปรารถนาให้ได้หลับยางๆเอาทำเอาขนาดนั้นเลยนะอยากนอนอ่ะไม่มาอยังจําได้เลยแต่ไม่ได้พราะแต่ไม่แต่ไมนะบวชบวชใหม่ๆ ตั้เป็นเนรเล็กๆ เ, เคยบวชเนรเล็กพอบวชเข้ามาแล้วตีสามตีสี่เนี่ยตีละคังทำวัดเชานะ้าแล้วโอ้ยมันง่วงอย่าบอกใครเลยง่วงยิ่งจิสวดไปนี่หลับสงบไปอยู่นั่นแหละคิดดึงเอาหน้าคนนั้นที่ปรารถนาต้องสายเหมือนเราสมัยนั้นง่ายนอนเลยนะอยากนอนจริงจ่งอ่ะจะไม่ไม่ตื่นมาทำวัดเดี๋ยวโดนตันตะกำอย่างั้นอันมันเป็นอย่างนั้นเลย นะแม้แต่พวังคจิตเกิดต่อไปเอกพระองค์บอกว่าชีวิตของคนในขณะที่เป็นพวังคจิตเป็นชีวิตที่เป็นหมันเป็นชีวิตที่ไม่งอกเงยอะไรเลยใช่ไหมเป็นชีวิตที่ไม่งอกเงยพระองค์ไม่สรรเสริญการหลับแล้วตื่นตื่นด้วยโลภะดูทีวีทั้งวันเลยนะจะได้ตื่นอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ตําหน่งเอกบอกถ้าตื่นแบบนั้นนะหลับเร็วน้อยกว่าถ้าตื่นแล้วอกุศลแลจิตเกิดเนี่ยหลับเนี่ยเร็วน้อยกว่าอย่างน้อยก็กินบุญเก่าใช่ไหมไม่ก่อกรรมทําเข็นอะไรเพราะ เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานกับตัณหานี่มันแปลว่ายัางไงก็บอกว่าชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นตัณหาชาวนะดวงที่สองเป็นอุปาทา น, นก็อยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ใกล้ๆกันนั่นแหละ <c oughs> แล้วทิฏฐิเกิดร่วมกับตัณหาไหมสมมุตินะมโนทวาราวชนะเกิดขึ้นที่เรียกว่าอาวุธทพนะเกิดขึ้นปึ๊บเสร็จแล้วต่อด้วยโลภะโลภะดวงที่หนึ่งมี ที่ถีเกิดร่วมด้วยใช่ไหมไอโรพาอันนั้นแหละเป็นปัจใจัยให้เกิดอุปาทานที่ถีที่เกิดร่วมไอโรพาตรงนั้นเน่ยเป็นปัจจัยโดยสหาชาต่ปัจจัยก็เอาตรงนั้นแหละแล้วเป็นปัจจัยแก่พบเป็นปัจจัยแกอะไรเป็นปัจจัยแก่เจตนาก็เจตนาะก็อยู่ตรงนั้นแหละอันตันหาอุปาทานพบอยู่ที่เดียวกันเป็นสัมปยุตแต ป, ปัจจัยเจตนาตัวนั้ น, นเนี่ยนะมีผลไหมมีผลดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นทิทรร่ถถัม ดวงที่เจ็ดให้ผลเป็นอุปชชชาติหน้าสองถึงหกอปาราปริยะเวทนียกรรมชวนาที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นเนี่ยมีผลแล้วชวนาที่เห็นขณะเห็นเนี่ยมีผลต่อไปในอนาคตพบหน้าเราไปไหมชวนานั้นดับไปปุ๊บจตุติต่อได้เลยจตุติสามารถเกิดต่อจากปัญจทวารวิถีก็ได้ต่อจากมโนทวารวิถีก็ได้ ไม่ใช่ยากเลยไม่ไม่ได้ไกลเลยอันพบใหม่นั่งอยู่อย่างนี้ดูเหมือนไกลามากแต่ครับที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นอ้าวเดี๋ยวเตียงนั้นจุติเตียงนั้นปฏิตนที่อีกละขนาดเดียวกันนะถ้าเราที่เจรณาว่าสมมติว่าเป็นทิฏฐิประเภทอัตตาอัตาวาทุปาทานอัตตาเนี่ยเกิดเพราะอะไรอาศัยอะไรจึงเป็นอัตตาทันะ้นคําสอนที่กล่าวถึงว่าอาศัยจากสุขและรูปเกิดจากโควิญ ญ, ญาณความประชุมทั้งสามเป็นผัสสะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนเพื่อชำ่แรกอัตตาเลยเพราะว่าจริงๆไม่มีอัตตานะขณะเห็นซึ่งลทัทธิบางลทัทธิเขาค่ายกับว่าทวารทั้งห้านะคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเหมือนกับคนอยู่บนหน้าต่างข้างบนนะบนประสาทชั้นบนมีหน้าต่างอยู่ห้าช่อง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 แยกแยกแม้กระทั่งความคิดนั้นด้วยทําไมคือความคิดนั้นจึงเกิดถ้าถามว่าแม้แต่ที่เรามาพูดทำไมเรามาจึงพูดอย่างนี้มีปัจจัยไหมมีปัจจัยอะไรทําให้พูดอย่างนี้ปัจจัยที่คิดอย่างนี้ก็เพราะนะปัจจัยที่ที่ตั้งไว้ก็เอ๊ะทํำยังไงเราจะพูดเป็นพระธรรมมากที่สุดเนี่ยนี่คือหนึ่งอัธยาศายอันนั้นตั้งความคิดอันนั้นตั้งความปรารถนาไว้ว่าทํำยังไงเราจะได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ พยายามพูดตามพระไตรปิดกมากที่สุดเลยพูดตามคำสอนมากที่สุดอธิษฐานไว้อย่างนี้ทีนี้หลังจากนั้นใหม่ก็ค่อยๆอธิษฐานมาเรื่อยๆว่าทำยังไงเราจะกล่าวด้วยความเคารพที่สุดและหลังจากนั้นต่อมาอีกทำยังไงเราจะได้อ่านมากๆเข้าใจมากๆขึ้นจะได้กล่าวถูกอุปนิสัยเหล่านั้นมาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเพราะความคิดต้องการเอ๊ะทยังไงคนจะเข้าใจเรื่องนี้ ความปรารถนาอันนี้เกิดขึ้นอยากให้ผู้อื่นเข้าใจอันนี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะความคิดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปก็เสียงก็ออกมาก็เป็นคําพูดไปแม้แต่จิตที่พูดนี้ก็เกิดด้วยปัจจัยนั้นถ้าปัจจัยเหล่านั้นหมดไปนะเช่นไม่คิดจะพูดจิตตะชรูปนี้ก็ไม่เกิดจิตตชรูปเกี่ยวกับการพูดก็ไม่เกิด อันจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยหมดเลยใช่ไหมาถามว่าถ้าไม่พูดธรรมะไปพูดเรื่องอะไรพงค์บอกวาอ่าเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมควรทำกิจสองอย่างนะกิดสองอย่างเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมมีอะไรบ้างใครได้ยินไนะหมเน้นสนทนาธรรมถ้าไม่สนทนาธรรมนิ่งอย่างผ้าอารยะนิ่งอย่างผ้าอายะคือยังไงผ้าอายะท่านไม่ปราศจากสติ นิ่งด้วยการใส่ใจในกรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่งใส่ใจในพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งนั่นแหละกิจของการเข้าสู่ที่ประชมุมมีสองอย่างเ mm. พราะฉะนั้นการเจริญกุศลเนี่ยเป็นกิจที่ควรบําเพนเคยได้ยินนะบุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงรีบขวนขวายในกุศลพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะรีบขวนขวายในการทากุศลอย่าทาบุญช้า เพราะว่าผู้ที่ทําบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปนี้ก็เป็นผู้ตกระพดวันจึงปล่อยไม่ได้เลยขณะจิตเนี่ยจึงไม่ใช่ตามเวรตามกรรมแบบไทยนะแต่ถ้าตามกรรมแบบคําสอนเนี่ยกรรมนั้นเป็นไหนกรรมมีกี่อย่างหนึ่งกรรมดํามีวิบากดำสองกรรมขาวมีวิบากขาวสามกรรมทั้งดําทั้งขาวเพื่อผลทั้งดําทั้งขาวสามกรรมไม่ดํำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมแม้แต่ตามยถากรรมนี่ก็ต้องดูว่ากรำชนิดไหน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 อริยศาสตร์เป็นอนัตตาไหมเป็นทุกขศสตร์เป็นอนัตตาแต่อนาตตาของทุกขศาสตร์เป็นปริญญาญากิจปริญญาสามสองสมุทัยศาสตร์เป็นอนัตตาไหมเป็นแต่ประหารประหารนกิจกิจของสมุทัยศาสตร์คือประหารนี่ก็อนัตตานิโรธเป็นอนัตตาไหมเป็นแต่ควรทําให้แจ้งเป็นอนัตตาที่ควรทําให้แจ้งแล้ว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 นี่นะข้างล่างอะไรจริงๆมันใช่ไหมไม่ใช่แต่ไอความคิดที่คิดอันนี้ข้างล่างมีความคิดอย่างนั้นมีแต่ความที่คนจะคิดอย่างนี้ทําไมคนจึงเกิดความคิดอันนี้เพราะอะไรปุตชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่คบสัตว์บุ ร, รุษไม่อ่ไม่ได้ฟังธรรมะของสัตว์บุ ร, รุษย่อมสําคัญรูปโดยความเป็นตน้นอันขณะไหนที่ มิจฉาสติเป็นต้นนะก็คือหมายความว่าใส่ใจไปในอกุศลเมื่อไหรเปอร์เซ็นต์สูงมากเั้นทํายังไงล่ะใจของเราจึงจะได้ข้องเกี่ยวอยู่กับกุศลทํำยังไงจึงจะไม่ปล่อยให้ใจให้ไปเป็นอกุศลขนาดพ่อองศ์สอนอย่างนี้นะพ่อค้าผู้มีปัญญาดีเขารู้จักหาทรัพย์แล้วเขารู้จักรักษาทรัพย์ถ้าพ่อค้าผู้มีปัญญาดีเขาจะเดินทางเนี่ยเขารู้ด้วยว่านี่โจร น, นะถ้าโจรเข้าไปนี่เสียหายแน่ เขารักษาวไว้ใช่ไหมพ่อค้าที่ฉลาดเขาจะบริหารทรัพย์ไว้ได้พิกษุที่เจริญกุศลก็เหมือนกันพราะต้องเหมือนกับพ่อค้าอย่างนั้นแหละในคาถาธรรมบทกลา่าวไว้เหมือนกับพ่อค้าพ่อค้าเขาห่วงเขาดูแลทรัพย์เขาบริหารทรัพย์เขาอย่างไรทรัพย์เขาจึงอยู่พิกษุก็รักษากุศลจิตเหมือนกันกุศลจิตเป็นทรัพย์ไหมเป็นอริยทรัพย์มีกี่อย่างอริยทรัพย์มีเจ็ดอย่างนะหนึ่งศรัทธาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง สองศีลก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งสามหิริก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งโอตปะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งสุตะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งจากะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งปัญญาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งอันผู้ที่ประกอบด้วยอริยทรัพย์เจ็ดอย่างนี้คนนั้นไม่ใช่คนขัดสนไม่ใช่ขัดสนเขาไม่เรียกว่าคนขัดสนเขาเรียกว่าคนมีมีทรัพย์ทีนี้เราก็มาสอบสวนดูเออทรัพย์คือศรัทธา มีศรัทธาในพระรัตน์ตรายไหมนี่หนึ่งนะสองทรัพย์คือศีลจะตุ ป, ปริสูที่ศีลเราดีขนาดไหนพอที่จะไปเป็นทรัพย์เครื่องเติมใจได้ไหมสามฮีริโอตาปะอายชั่วกลัวบาปขนาดไหนนั่นก็เป็นทรัพย์ในตัวที่อายชั่วกลัวบาปฮีริโอตาปะตัวนั้นสุตะสะสมความรู้ในพระธรรมคําสอนขนาดไหนนั้นก็ทรัพย์อย่างหนึ่งจาคะ สละกายกรรมที่ชั่วสละวจีกรรมที่ชั่วสละมนโนกรรมที่ชั่วได้ขนาดไหนก็เป็นจาฆาอีกอย่างหนึ่งปัญญาปัญญาก็คือเข้าใจกรรมสกตาเป็นต้นนั้นก็เป็นทรั พ, พย์อีกอย่างหนึ่งชาวนะปัญญาก็คือปัญญาที่เล่นไปเร็วเล่นไปเร็วคือเล่นไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาอะไรโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็กล่าวถึงรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณิดใกล้ไกลพิจารณาเล่นไปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ในหนึ่งจดถึงไปพิจารณาจากักษุนะเล่นไปในจกักษุโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตา์จกักษุถ้าจากักษุปั๊บโสตคานะชีวหากายะและมโนรูปเสียงเปลี่นรสโตพตภะและธรรมรม จะคูวิญญาณโสตาวิญญาณคณนวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมนโนวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไล่ไปเรื่อยพบสามกัมเนศสีกติห้าโกฏฐาสสามสิบสองแล่นไปในผมโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นจนถึงอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตรนะหนัผัสเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะท่านเลยมาจุดจุดจุดฉรามรณะเลย ว่าชรามรณะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันยอมเล่นไปโดยเร็วโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาและก็ต่อไปว่ารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอาจว่าเป็นเป็นภัยคือน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ ทั้ก็พิจารณาขันห้านี้แหละทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาัตตาตรงนี้ก็ทําให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดีนะภายในภายนอกด้วยอ่ะทีนี้ต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นตรึกพิจารณาทําให้แจ้งทําให้เห็นเป็นจริง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 ไม่ใช่โอ้ตาก็ดีเหมือนกันนะจะได้เห็นพระเห็นเจ้าจะได้ไปทําบุญให้ท่านอ่านหนังสือพระทรมเอท่าอย่างนี้นะไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปลนะตาวไว้ก่อนทีนี้ต่อไปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักสุชรามรณะเป็นต้น น, นะก็คือละไว้ที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปก็เล่นให้เร็วไปในพระนิพพานอันเป็นดับเสียซึ่งชรามรณะโดยไม่มีส่วนเลือ อันข้อความในปฏิสัมพิธาเนี่ยท่านแยกหัวข้อวิปัสนาเป็นร้อยหัวข้อในการพิจารณาเนี่ยมากมายมหาศาลฉะนั้นคาดมาย่อๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาไวแบบนี้นะรูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เทีย่ยมอันนี้จะูเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังคตั์โถถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นธรรมะที่อาศัยการเกิดขึ้นปฏิจจอาศัยการเกิดขึ้น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 อันถ้าผู้ที่รอบรู้เรื่องรูปจริงๆก็สามารถที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้แต่ถามว่าไม่รู้จักเวทนาใช่ไหมรู้รูปโดยที่ไม่รู้เวทนาได้ไหมเออแล้วเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้บอกเป็นไปไม่ได้เอาเอาแบบที่เป็นไปได้หมายคําว่าถ้าเห็นรูปและเห็นเวทนาด้วยเป็นยังไงนะเห็นรูปและไปเห็นเวทนาด้วยเป็นยังไงอจากขวะทุคคือรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาชนิดไหน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 ถูกด้วยถ้ารู้รูปจริงๆนะรู้กายรู้โพธะจะต้องรู้จักทุกขกายญาวิญญาณนะมันก็สามารถพ้นอยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องรู้ขันท่ายังไงก็ต้องรู้ขันท่าเพราะว่าตากราบสีก็เป็นรูปขันผู้ที่รู้จักเวทนาโดยที่ไม่รู้จักภาษาเป็นไปได้ไหมถ้าบอกว่ารู้จักเวทนาโดยที่ไม่รู้จักภาษาไม่ได้เพราะเวทนามีภาษาเป็นปัจจัย ถ้ารู้จักภาษะรู้เวทนาไม่รู้สัญญาได้ไหมไม่ได้เพราะสัญญาก็เกิดร่วมกันนั่นแหละรู้สัญญาโดยที่ไม่รู้เจตนาได้ไหมเพราะเจตนาก็เป็นธรรมะรู้เจตนาไม่รู้จักจิตเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษะปัญจ ก, กะก็จะเกิดขึ้นธรรมะมีภาษาเป็นที่ห้าก็คือจิตเวทนาสัญญาเจตนาจิตธรรมะห้าอย่างนี้เป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมเมื่อเป็นนามธรรมก็อาศัยจากขู่และรูปคือรูกประทับ เรารู้จักคูรู to to? ้รูปรู้จักคูวิญญาณรู้ภาษะเวทนาสัญญาเจตนาที่เกิดร่วมกันตรงนั้นด้วยถามว่ารู้อย่างนี้จริงๆจะรู้จักโลภะที่เป็นปัจจัยไหมรู้เพราะว่าจักคู่มีอะไรเป็นปัจจัยจักคูนั้นมีตัณหาวิชาอุปาทานเป็นเหมือนกับแม่ที่ทําให้มีจักคู่อะรู้จักจักคูโดยที่ไม่รู้จักแม่เขาเป็นไม่ได้ไหมเบอรโถต้องรู้จักแม่เขาด้วยรู้จักพ่อด้วยไหม รู้รู้กรรมคือพ่ออะไรเป็นที่เลี้ยงของจักรครูอาหารโลภะที่เป็นเหมือนกับแม่เป็นปัจจัยอะไรเป็นเป็นสัตว์จับไหมโลภะที่เป็นปัจจัยแก่จักรคูเป็นสัตว์จับไเป็นสมุทัยสัตว์ถ้ารู้จักจักรคูจริงๆต้องรู้จักสมุทัยด้วยต้องรู้จักปัจจัยแล้วต้องรู้จักพี่เลี้ยงของจักรครูด้วยมันก็จะรู้จักทุกกับสมุทัยก็เป็นไปแล้วใช่ไหมจักรครูพร้อมทั้งธรรมะจักรคูสี จากขวัญญาณเป็นทุกขสัจตัณหาวิชาตัณหาตัวนั้นเป็นสมุทัยศาสตร์ที่ทําให้เกิดจากขู่ถ้าละคลายความยินดีในจากขู่อันนี้เสียถ้าไม่มีความยินดีในจากขูเพราะรอบรู้เรื่องจากขู่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นอย่างดีปัจจัยที่จะทําให้มีจากขู่ในภพต่อไปได้ไหมแต่แต่ขณะที่เพ่งแบบนี้บ่อยๆเป็นประเภทตะทังฆ่าประหารเป็นตทังฆ่าประหาร เมื่อเห็นลักษณะหรือเห็นความจริงของรูปนามอันนี้ละส ก, กายะทิฐิเกิดถ้าสะสมบุญไม่ดีนะถ้าเราบรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีถ้าเราไม่ได้เป็นอุคติตันยูไม่เป็นไรไม่ได้เป็นวิปจิตตันยูไม่เป็นไรโอ้ปฏิบัติจนตายแล้วไม่เป็นเนยะก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าจะไปบรรลุเร็วในภพหน้าเออถ้าภพหน้าไม่ได้บรรลุ ถ้าเกิดมามาไม่มียุคที่ไม่มีผู้ศาสนาเปอร์เซนได้เป็นพระประเจกมีมากถ้าหากว่าไม่ไม่มีผู้ศาสนาจะได้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าถ้าสะสมไม่เพียงพอนะแต่หมายถึงว่าสองอสองไขยที่แล้วก็ไม่เบาเหมือนกันนะั <c oughs> <c oughs> ่งย้อนอดีตหน่อยแต่เล่าอันนี้สองการพิจารณาให้ฟัง <c oughs> ว่าทุกข์กับสมุทัยนี่อะไรเป็นตัวรู้อะไรเป็นตัวพิจารณาปัญญาเป็นตัวพิจารณา วิตกนะเป็นตัวพลิกระวังนั้นวิตกเนี่ยอ่ามันมันวันนี้ก็อ่านในจูระเวทารสูตรท่านก็อธิบายถึงว่าปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนกับการเห็นเท่านั้นแหละเหมือนกับตาไม่สามารถพลิกอะไรได้ใช่ไหมใช้ตาให้พลิกนาฬิกาให้ดูหน่อยทําไม่ได้หรอกต้องเอามือพลิกเพื่อทจะถูกกิจปัญญาที่มีวิตกอุปถัมภ์แล้ตรึกบ่อยๆเพ่งมากๆก็จะเห็นอันสัมมา ที่เทกับสัมมาสังกปะจึงประเภทปัญญาด้วยกันหลังถ้าตรึกบ่อยๆเพ่งบ่อยๆปัญญาอันนั้นเป็นสัมปชัญญะผู้ที่จะมีสัมปชัญญะนั้นต้องอาศัยอาตาปะอาตาปีและไม่หลงลืมเป็นกิจของผู้ไม่ประมาทเรียกว่ามีสติอาตาปีสัมปชาโนสติมาในขณะนั้นกุศลธรรมอันนี้เป็นถ้าเป็นตทางคะก็เป็นโลกิยมักอยู่ท่านกล่าวว่าเป็นโลกิยมัก ต, ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยเป็นเหมือนกับรถผลัดที่เท่าไร่ที่สามใช่ไหมผู้ที่มีทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยแสดงว่าเดินทางมาสองขั้นดีแล้วศีลและวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิดีแล้วทิฏฐิวิสุทธิจึงจะบริบูรณ์เมื่อทิฏฐิวิสุทธิบริบูรณ์จะทําให้ได้กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามความสงสัยที่แรกอาจจะสงสัยเอะจกขูนี่ใครสร้างมาพอ ม, มองรอบรู้ปัจจัยก็ไม่สงสั ย, ยใช่ไหมอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดจจกขู ไม่ไม่มีไม่มีความสงสัยในเรื่องปัจจัยของจักรคู่เป็นต้นก็จะละคลายความสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจช้าได้ทนี้ถ้ารู้ปัจจัยของจักรคูจริงๆเนี่ยสงสัยในคําสอนพระพุทธเจ้าไหมก็นั่นแหละก็จะละวิจิกิจช้าในพระตนะตรายด้วยในขณะนั้นแล้วถ้าพิจารณาจนถึงความเป็นกลุ่มเป็นกองโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นมากๆเข้าจึงเห็นอย่างถึงความเกิดและความดับเห็นให้เกิดจกักรคูมีกี่อย่าง เหนให้เกิดจากครูนะหนึ่งถ้าจากครูเป็นรู ป, ปรขันอาวิชาตันหากรรมเป็นตัวให้จากครูเกิดแล้วก็อาหารและนิพพติลักษณะที่ทําให้จากครูเกิดเพราะปัจจัยเหล่านี้ไม่มีรู ป, ปรขันโดยจากครอันนี้ก็เสื่อมไปนั่นแหละยังถึงอันนี้ถ้าผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆสามารถที่จะยังถึงปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมว่าเพรอมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี โดยปฏิโลมาถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีและอย่างรู้สัจจะด้วยว่ า, าตัวจักขุเป็นต้นพวกนี้เป็นทุกขสัตว์ตันหาเป็นต้นที่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นสมุทัยสัตว์ถ้าไม่มีตันหาไม่มีจักขุนั่นเป็นนิโรธสัตว์อั น, น้ไอข้อปฏิบัติที่มาอย่างรู้สามอย่างนี้เป็นมรรคสัต์แต่เป็นโลเกียมร์พอพิจารณาได้ระดับนี้วิปัสสนูปกเล์จึงจะเกิดขึ้น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 ก็เป็นเพื่อญาณทัศนวิสุทธิอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นขั้นตอนปอมขามัคค า, ายาณทัศนวิสุทธิก็คือพวกอนุปัสนาเจตจนพออนุปัสนาเจตเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ ด, ด้วยสองอย่างคือมัคากับปฏิปทาสองสองอย่างเนี่ยก็คืออนุปัสนาเจตนั้นอ๋ออนุปัสนาทั้งเจตนั้นก็บอกว่า อ น, นิจจาทุกขาณตาเนี่ยอันเดียวกันอือันเดียวกันถ้าอ น, นิจจาทุกขาณตาเนี่ยสามตัวนี่บริบูรณ์นิพิทาจึงจะบริบูรณ์ถ้านนี้บริบูรณ์สี่อย่างบริบูรณ์จะทําให้วิราคาบริบูรณ์ถ้าวิราคาบริบูรณ์จะทําให้นิโรธาบริบูรณ์นะทั้งหมดประมวลรวมกันจึงจะได้ปฏินิสขาบริบูรณ์มันก็จะเพิ่มเ พ, มเพ่มประพูนต่อกันก็คือประเภทของมคามคะายา น, นาาทัศนวิโสเทกับปฏิปทา ยานาทศนาวิสุทธินะฟังบาลีก็เหมือนๆมือนกันนะถ้าใครไม่เคยฟังมาก่อนเลยไม่เป็นไรโหโชคดีเลยนะได้ฟังศัพท์ใหม่ๆ <c oughs> ของของมาอ่านหนังสือธรรมะแรกๆนะโอ้วันนี้เจไว้ได้ศัพท์ใหม่เพิ่อมอีกครับคิดอย่างนี้เอาตัวต้องให้กำลังกายตัวเองหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเลิก <c oughs> อ่ะ น, นะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> นะกรรมที่เราสะสมพอกพูนไว้นะ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 สีเหล่านี้มีจิตที่ดีเป็นปัจจัยด้วยแล้วก็กรรมชรูปเหล่านี้เป็นผลของบุญแต่ก็ตารบสิ่งเหล่านี้น้อยมากทาั้งๆที่ตราบุญตราบาปก็ให้ผลอยู่ตลอดแล้วจกักรคูวิญญาณหรือจักรคูภาษาทะของเราก็มาจากตราบุญหรือตราบาปด้วยวันนี้เรียนเรื่องจกักรคูพอดีเลยที่พี่สุทธิมักกันนะว่าจักรคูภาษาชรูปเนี่นะ มาจากกรรมกรรมนี่เป็นปัจจัยให้จกักรพรรดิาทธรูปเนี่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นความใสของมหาภูทรูปนะจกักรูนี่คือความใสของมหาภุทธรูปซึ่งมีกรรมที่เป็นเหตุใคร้จะเห็นเป็นเหตุใกล้ก็คือมาจากกรรมที่มหาพุทธรูปเกิดจากกรรมแต่กรรมมันนั้นเนี่ยเป็นกรรมประเภทเพื่อต้องการเห็น กรรมตัวนั้นมาจากกามตันหาหรือรูปตันหากามตันหารูปตันหาเกิดขึ้นปั๊บปรารถนาที่จะเห็นสีตันหาอันนั้นเป็นปัจจัยให้กรรมเกิดขึ้นกรรมเพื่อให้มีจักขูจักขู่เกิดขึ้นก็รับรู้สีพอจักขู่กับสีปั๊บจักขูวิญญาณก็เกิดขึ้นจักขูวิญญาณฮะจากตัวจักขูวิญญาณก็เป็นผลของกรรมด้วยอันเรื่องพวกนี้เราต้องต้องศึกษาเพื่อให้เรารู้ ความรู้อันนี้เป็นปริญญาไหมเป็นประเภทยาตะปริญญาซึ่งเราจะต้อง พ, อพ่อปูนสะสมวันนี้ก็เลยเ อ, อประทับใจไอ้คาว่ามหาภูตรูปนะซึ่งเป็นกรรมอ่าซึ่งมาจากกรรมเป็นเป็นสมุทฐานซึ่งกรรมมา น, นั้นเป็นกรรมประเภทใคร่จะเห็นซึ่งความใคร่อันนั้นมาจากรูปปัตนหาหรือกามมตันหาในในตันหาสามใช่ไหมการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา ตันหาที่ปรารถนาจะเห็นสีเรียกว่ากามาตันหาแต่ถ้าโดยตันหาหกเรียกว่ารูปตันหาสัทธตันหาคันธ่ตันหารสตันหาโพธภาพตันหาธรรมตันหาอยู่ประเภทรูปตันหาตันหาตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่ต้องการเห็นสีทํากรรมเลยทําให้มีจักรูปแต่ถ้าจักรูไม่มีเนี่ยมันเป็นโลกที่บอดมองไม่เห็นอะไรทักอย่างอันตันหานั้นเป็นปัจจัยเพราะนั้น เห็นเมื่อไหร่ปึ๊บเนี่ยโอ้นี่มันตราบุญตราบาปเลยนั่นเนี่ยตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดจากขู่เป็นสัจจะไหมสัจจะขอ้อสมุทัยสัจจากขู่ที่ที่อาศัยมหาภูตรูปหรือความอายของมหาภูตรูปจากขูอันนั้นเป็นพวกสัตว์ถ้าไม่มีตันหาจากขู่นี้จะมีไหมถ้าไม่มีรูปปตัตนหาหรือกามะตันหาจะไม่มีจากขู่เลยเพราะถ้าไม่มีรูปปตัตนหาเลยเนี่ย ผู้นั้นถ้าเป็นโลกิยะอยู่อย่างน้อยก็ต้องเป็นอรูปป ร, รมต้องเป็นอรูปป ร, รมเพราะอารูปป ร, รมเนี่ยละอรูปป ร, รมนั้นละรูปประสัญญานานัตตสัญญาปฏิฆะสัญญาละสัญญาเหล่านี้จึงเข้าอากาสานัญจายตนะโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแต่ข oui> ้อพูดนี้ต้องเบื่อในกามสัญญารูปประสัญญานานัตตะสัญญาปฏิฆะสัญญา ต้องเบื่อสัญญาที่ในทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบเห็นโทษของสัญญาในทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบเห็นโทษของสัญญาในจักรุหรือว่าในทวิปัญจวิญญาณจิตสิบเรียกว่าปฏิฆาสัญญาเพราะมันกระทบกระทั่งนะส่วนสัญญาที่เกิดกับจิตจิตที่เหลือนะชวนะจิตที่เหลือเรียกว่านานัตตสัญญาเป็นสัญญาที่รับรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นจิตที่รับอารมณ์ต่างๆส่วนรูปปัจสัญญาก็คือสัญญาในรูปปัจฉานผู้ที่จะเข้าอากาสารัญใจยตนะต้องสลัดจากรูปปัจสัญญาก็คือในรูปปัจฉานปฏิฆาสัญญาคือสัญญาในทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบและก็นานัตตสัญญาคือสัญญาในชวนะทั้งหลายต้องครอบงําสัญญาเหล่านี้จึงจะเข้าอากาสารัญใจยตนะได้ทั้นถ้าผู้ที่สําเร็จอากาสารัญใจยตนะ ก็เป็นประเภทกรรมภพใช่ไหมกรรมภพอันนั้นเพื่ออุปติภพคือปฏิสนธิเป็นอากาสารนันจายตนะพรมเพราะั้นพรมชั้นนี้ไม่มีการเห็นอ่าไม่มีการเห็นการได้ยินไม่มีอะไรสักอย่างจนถอดเพราะไม่มีภาษาทรูปส่วนรูปประพรมก็ยังดีในการเห็นอยู่เพราะยังยินดีในนิมิตคือการเห็นเช่นพรมบางท่านเจริญกสิณก็ยังยินดีในการเห็นที่เพราะ การเจริญกระสินนี่อาศัยการเห็นเป็นปัจจัยนั่นก็ถือว่ายังยินดีในการเห็นอยู่ถ้าหากว่ายังยินดีในสีนะก็แสดงว่าทำกรรมเพื่อให้ได้ตายอีกแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในสียังไงก็ต้องเห็นอีกแนะ่แต่จะเห็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะสีมีสมุทฐานเท่าไหร่สีมีสมุทฐานสี่จักโรโเนี่ยนะมีสมุทฐานคือกรรมกรรมที่ทาให้เกิดจักรูมีเท่าไหร่ อกุศ ล, ละจีสิบสองทำให้เกิดจากขโขไหมอากุศลก็ทําจากขขวัตถุกเกิดได้กุศลก็ทําให้เกิดจากขขวัตถุได้ทีนี้ไอ้จากโขหรือตาเนี่ยนะที่มาจากกรรมเนี่ยกรรมทั้งที่ทเป็นบุญและเป็นบาปก็ทําให้เกิดตาเช่นตาของสัตว์ทั่วไปที่เรียกว่าตว์เดรฉานเป็นตาที่เกิดจากอากุศลไิบากตาของมนุษย์มาจากกุศลวิบากทีนี้กุศลอันนั้นเนี่ยกุศลมีกําลังมากไหม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 นั้นถ้าหากว่ากรรมที่อ่อนกําลังมา ก, ก น, นะก็แสดงว่าเตรียมทํากรรมประเภทให้ทานไว้เยอะๆจะได้มีค่าตัดแล่นตายเพราะว่าจาักโรโเนี่ยเป็นกรรมมชโรปใช่ไหมเมื่อเป็นกรรมมชโรปนั้นอะ่ะถ้ากรรมบางอย่างมาเบียดเบียนมาตัดรอนเป็นต้นจักโรโก็มีปัญหาอันนี้เฉพาะกรรมในจักโรโนี่ยังมีอาหารอีกอาขาดวิตามินก็แย่เลยใช่ไหมถ้าขาดวิตามินนี่จะแสบตาจะทําให้เห็นไม่ค่อยชัด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 ทั้งหน้ายินดีทั้งไม่หน้ายินดีท่านถามว่าสรุปทั้งหมดอะไรน่ากลัวที่สุดความคิดขณะนี้ที่ทำกรรมอ่ะแต่กรรมจะไม่ให้ผลเลยถ้าไม่มีตัณหาที่ยินดีในการเห็นถ้าผู้ที่ละคลายความยินดีในการเห็นได้ผู้นั้นจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในเรื่องตาได้แต่ทีนี้ถ้าจะละรูปปตัตนหาหรือสีเนี่ยจะทำยังไงตัณหารูปปตัตนหา ตันหายินดีในสีถ้าจะละละได้อย่างไรไม่ละไม่ละไหมเออจะละทำยังไงดีถ้าจะละตันหาอันนี้เนี่ยที่ว่าคืออะไรถ้าทำปริญญาในสีเจริญญาตะปริญญาตีระณะปริญญาปหานะปริญญาในรูปอารมณ์จึงเป็นปัจจัยเพื่อตัดกรรมถ้าหากว่าโซดาปฏิมาเกิดขึ้นจะเห็นแบบมนุษย์เห็นไม่เกินจะชาติ เพราะว่าไอ้ภพที่แปดเนี่ยโซดาปฏิมากรตัดเลยละไม่ให้เห็นอีกแล้วไอภพที่แปดนั่นแหละเกิดอีกเจ็ดตนอย่างนั้นที่ที่กรรมเนี่ยก่อขึ้นน่ะนะอันเอาไหมจะได้เห็นอีกเจ็ดชาติถ้าหากว่าเออเป็นพรหมเขายังชั่วใช่ไหมพรหมเนี่ยที่เมืองพรหมมีแต่เพชรมีแต่อะไรก็ยังชั่วหน่อยทีนี้ไอ้กรรมที่เป็นบาปหรือใครไม่ทํากรรมร่วงกรรมาบดเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ร่วงกรรมมาบดเนี่ยคิดกันทํากันมากมายมหาศาล แล้วจะไม่ไปอาบายเหรอถ้าไปอาบายแล้วจะไปเห็นอะไรใช่ไหมสมมุติถ้าไปอยู่ในฟาร์มหมูเนี่ยจะเห็นอะไรน่าเห็นแต่หมูด้วยกันนั่นแหละอยู่ในฟาร์มไก่ก็เห็นแต่ไก่ด้วยกันอยู่ในบ่อปลาก็เห็นแต่ปลาอยู่ในฟาร์มกบก็เห็นแต่กบด้วยกันก็จะไปสู่พักพวกพวกกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กิเลสที่ยินดีในสีเนี่ยนะเป็นเหตุที่ก่อทํากรรมมากมายมหาศาลเพราะสีบางอย่างนะทําให้คนฆ่าสัตว์ทําให้คนลักทรัพย์ทําให้คนประพฤติผิด แขกว่าบุตรภรรยาผู้อื่นทำให้คนถึงกับมูสาววาดเพอเจ อ, อเร์ส่อเสียดพุษวาจาหรือแม้กระทั่งอภิชาพยาบาทหรือพ่อสีอีกนั่นแหละก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นในในสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะมีโทษพระองค์เนี่ยกล่าวโทษแห่งกรรมไม่มากมายิ่ง น, นอะออนะเพราะเหตุที่ทำให้เกิดตานะก็คือหนึ่งยังยินดีในสีสองบางคนก็ทากรรมเพราะปรารถนาจากสุ อย่างอย่างสมัยสมัยก่อนเนี่ยของมาชอบเอาไฟไปบูชาพระเราจะได้มีตาแจ๋วๆหน่อยอันนั้นก็เรียกว่าทํากรรมเพื่อเพื่อให้ได้มีตาเลยนะเอาเอาเทียนไปจุดบูชาพระแต่แล้วขอให้เรามีตาใสาๆนะเห็นชัดๆหน่อยอะไรเงี้ยทํากรรมประเภทนั้นโอ้เนี่ยกรรมประเภทที่เป็นไปเพื่อให้ได้จักสู่อีกแต่ว่าไม่ได้แค่ตาแบบนี้หรอกหูมันมองไกลอยากได้ตาทิพย์ด้วยนะ ยกตัวอย่างนะขันห้าหรืออายตนะสิบสองหรือท่าสิบแปดเป็นอย่างนี้หูได้ยินเสียงเป็นอายตนะไหมเป็นไหมนะลองสืบ ด, ดูไหมว่าถ้าสูงเลยหูได้ยินเสียงอะไรเป็นอายตนะอะไรบ้างเอาหนึ่งขณะที่หูได้ยินเสียงเกิดอายตนะหนึ่งโสตายตนะหูสองเสียงดังเป็นสัธธายาตนะอายตนะคือเชื่อมต่อใช่ไหมต่อให้เกิดอะไรให้เกิด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 ปัจจัยเสียงก็เกิดด้วยปัจจัยจิตดวงต่อไปก็เกิดด้วยปัจจัยเพราะทุกสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยมีสาระไหมข้าเอาชั้นสูงสุดเลยไม่มีสาระหรอกไม่มีนิจจะสาระอยู่ในนั้นเลยแม้สมมติเราฟังธรรมอย่างนี้ถามว่าดีไหมพูดแบบธรรมดาเนี่ยดีมากเลยแต่ถ้าเอาลึกเข้าไปเสียงที่พูดแต่ละคำนี่มีสาระไหมเที่ยงไหมสาระคือความเที่ยงเสียงไม่เที่ยง สุขไหมตัวเสียงจริงๆมีความสุขไหมในเสียงเพราะบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเสถ่าทั้นอย่างชีวิตในเรื่องของหูเนี่ยหูส่วนหนึ่งหรือว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยอาหารใช่ไหมอ่แบบกระพลิงการาหานเลยในตัวกระพลิงการาหานเองเนี่ยนะถ้าปรุงเป็นอาหารเสร็จถ้าดูแลไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นหุงข<ด>้าวเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยไว้สักสิบปีชั่วโมงแล้วเนี่ยอะไระเนี่ยบู๊ แล้วไอ้อาหารอันนั้นเราไม่ปล่อยให้บู ร, รีบทานเข้ามาก่อนมันก็มาบูดในเราในกายนี้อีกเพะนั้นกายนี้จึงเป็นที่สะสมแหง่งโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นแหละเขาบอกว่าในเรื่องของกลิ่นนะไม่มีอะไรที่จะมีกลิ่นเหม็นเท่ากับมนุษย์เนี่ยเหม็นจริงๆเหม็นนึกเคยอที่เล่าโอ้ไม่ได้อาบน้ามาเดือนกว่าเองคนนั้นอ่ะขึ้นไปในรถคันเดียวกันเนี่ยโอ้หกเทียนเลยอะ ไม่ใช่นะอะ่ในแต่ละคนเนี่ยลองถ่ายท้องออกมาดูเลิ่นนี่อย่าบอกใครเลยเนาะคุณชูนะฉะั้นถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งคร่องไปในส่วนนั้นนั้นจะจะอยู่ไม่ได้เลยแล้วไม่ใช่เกิดจากปัจจัยเดียวด้วยในแต่ละอย่างหลายอย่างเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวเมื่ออาหารไม่มั่นคงนะเมื่ออาหาร เป็นมีลักษณะแบบนี้เนี่ยฮมันมันตัวเองมันเป็นปัจจัยให้กับรูปถูกไหมครับเชิญพาแล้วรูปมันจะมั่นคงมันจะได้ยังไงครับหรือมันจะจนมันมันจะเป็นไปตามอาหารยังไงครับลองยกตัวอย่างอในเรื่องของอาหารนั้นอย่างเช่นอาหารนั้นนนั้ยกตัวอย่างเช่นยานะอที่จริงยาก็คืออาหารนั่นแหละยาหนึ่งเม็ดเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็คืออาหารเชรูปพอกินเข้าไปนะถ้าฤทธิ์ยาตัวนั้นเนี่ยหมดไปอะไรจะเกิดขึ้น พอย่างคนไข่าบางคนเนี่ยนะอย่างยังประเภทปวดเนี่ยได้ยาเข้าไปเม็ดหนึ่งเนี่ยโหลดความปวดได้เยอะแต่ถ้าหมดฤทธิ์ยาเข้าไปแล้วนี่โหอย่าบอกใครเลยแสดงว่าตัวปัจจัยหาความมันคงไม่ได้เช่นพอนถูกไหมเพราะมีอายุของเขาอยู่แต่ที่ของเราที่สืบเนื่องมาได้จนทุกๆวันเนี่ยเพราะเรามีปัจจัยให้มันทรงอยู่ได้จนขนาดนี้ติด ต, อดต่อกัมาเช่นพอน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 เขามีผ้าเนื้อละเอียดแต่เราก็ยังไม่มีผ้าใช้อยู่เหมือนเดิมสมัยนี้เขามีโรงงานผลิตผ้านะผ้าเหลือเฟือคนที่ไม่มีไม่มีบุญพอที่จะได้ใช้ผ้าก็ยังมีเหมือนเดิมทุกวันนี้มีโรงงานผลิตผ้าห่มนหนาคนที่นอนหนาวก็ยังหนาวเหมือนเดิมก็ยังทุกข์เท่าเก่านั่นแหละเธอบางคนเคยอดอยากน้ํากินเคยอดอยากอาหารสัมเหมือนเมื่อเมื่อก่อนยังไงทุกวันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลย ชีวิตของฝากจริงๆนส่วนหนึ่งอยู่ด้วยกรรมจริงๆส่วนหนึ่งอยู่ด้วยกรรมจริงๆกรรมด้วยเป็นเหตุให้ให้เป็นปัจจัยแก่ประโยค่ะข้าทีนี้ต่อไปนะว่าเหตุที่พระองค์นี้ได้รับผลทำให้มีบุตรมากก็เกิดจากอันนี้สองประเภททำให้คนนี้ได้พบปะเจอเจอกันพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษ เป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้ทรงนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพล า, พลาดจากไปนานให้มาพบกันครั้นทำให้เขาพร้อมเพียงกันแล้วก็เช่นชมเพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงหลีกไปสู่ไตรทิพย์เสวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินและยินดีจุติจากเทวโลกแล้วเวียนมาเกิดในโลกนี้ย่อมได้อังคาพยศที่ปิดบังตั้งอยู่ในฝักถ้ามหาบุรุษ นั้นมีพระอรรถมากพระอรรถของพระองค์นี่มากกว่าพัน์ล้วนแกล้วกล้าเป็นวีระบุรุษสามารถให้ศัตรูพ่ายไปให้ปีติเกิดและทูลถ้อยคำน่ารักแก่พระมหาบุรุษที่ยังทรงเป็นเครือขักเมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวดบําเพ็ญพรตมีพระอรรถมากกว่านั้นมากประพันอีกล้วนแต่ดําเนินตามพระพุทธพจน์ จะบอกว่าสมัยที่พระ อ, องค์ดับขันปรินิพพานเนี่ยพระภิกษุประมาณเจ็ดแสนรูปเฉพาะพระภิกษุอย่างเดียวนะที่ติดตามพระ อ, องค์ในในงานของพระผู้มีพระภาคเนี่เฉพาะภิกษุอย่างเดียวประมาณเจ็ดแสนรูปเฉพาะหัวหน้าคณะใหญ่ๆเนี่ยห้าร้อยรูปห้าข้าหัวหน้าคณะใหญ่ๆเลยเนียอันพระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตสองความนั้นสําหรับพระมหาบุรุษที่เป็นเครือขัดหรือบรรพชิต ไอคิดดูนะแค่ว่าธรรมดาอย่างสมัยนี้ภาพรประเทศไทยก็ประมาณสองสามแสนรูปอะ่ะก็มีสืบเนื่องมาตลอดอั น, นโอรสของพระ อ, องค์เนี่ยมีมากจริงๆถ้าหากว่าใครอยากได้ลูกเยอะๆก็ต้องนัดพบปะเจอเจอกันประเทศเขาพระดพลากจากกันนะมีโอกาสให้เขาพบปะเจอะเจอกันดูกวามพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกาเนิดก่อนเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ ย่อมรู้จักชนที่เสมอกันรู้จักกันเองรู้จักบุรุษรู้จักบุรุษพิเศษอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรแก่สการะนี้บุคคลนี้ควรแก่สการะนี้ดังนี้แล้วทําประโยชน์พิเศษแก่บุคคลนั้นๆั้นเรียกว่ารู้ความพิเศษของคนวนะ่าคนนี้มีความสามารถระดับนี้ช่วยเหลือเรื่อ ง, องระดับนี้คนนี้มีความสามารถระดับนี้ช่วยเหลือแบบนี้นะัเรียกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือคนอย่าง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 พันกามนั้นสังสมพ่อภูนภัยบูนก็ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันไหมจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้สวรรค์นี้จุติเรื่อยๆนะฟังแล้วสวรรค์นี้ก็ไม่มีเสถียรภาพมั่นคงอะไรสักอย่างกี่พันปีทิพย์ก็เท่านั้นแหละเนาะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงให้ได้ไปสวรรค์เถอะสวรรค์กลัวจะไม่ได้ไปอย่างนั้นแหละบางท่านก็บอกว่าพูดถึงวันเมตาสวรรค์ปุ๊บก็สวรรค์ก็ไม่เที่ยงเหมือนนนะ เราถ้าพูดคำ ว, ว่าไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็หมาวิปัสสนามันเกิดเอาเกิดเอาเขาอย่างช่วยหน่อยใช่ไหมสวรรค์ก็ไม่เที่ยงวจีทุตจิริ ก, ก็หนักเท่าเก่านั่นแหละกายยศทุจริ ก, ก็ไม่ได้ลดลงเลยอันนี้แสดงว่าพูดทิศเดียงอุ่นเปรี้ยวอ่ะเขาเขาเล่าว่ามีมีสุนักตูนึงไปเห็นต้นอ่งุนทีนี้ลูกอง่งุนมันอยู่สูงมากมันนั่งมองก็คิดเมื่อไหรอ่อ่งุนจะตกมาสักทีหนึ่งแนละมันไม่ตกมาสักทีหนึ่งเหรอเนะ หมาก็เลยคิดว่าอไอ้งนไอ้งนลูกนี้มันเปรี้ยวมันไม่อร่อยหรอกนั่นแหละคนที่บุญน้อยๆบางคนก็คิดปลอบใจตัวเองนะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงยนั่นก <c ười> ็คือไม่ยมนไม่มีโอกาสจะได้ไปกับเขาอ่ะเพื่อค่าก็ไร้ความหวังเลยก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีวิปัสสนาที่มั่นคงมากเขาจะเห็นความไม่เป็นแก่นสารของของสวรรค์เหมือนกันถ้าหากว่า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 มาสู่ความเป็นอย่างนี้จะได้มหาปุริสลักษณะสองประการคือมีภวรกายมีปริมณฑลดังต้นไสหนึ่งตรวจรู้จักรู้จักคนระดับไหนเนี่ยเรียกว่าแบ่งคนถูกแต่ก็ต้องแบ่งด้วยกุศลจิตนะคนนี้เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาคนนี้ควรสการะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะเนี้ยด้วยกุศลจิตจะได้มีภวรกายเนี่ยนะมีปริมณฑลเหมือนต้นไส เมื่อทรงยืนอยู่ไม่ต้องน้อมผวรกายลงย่อมรูปคลัมพระชานุทั้งสองด้วยพระหัตถ์ทั้งสองได้มือยาวมากเลยนะยืนเฉยๆเนี่ยรูปคลัมเข่าได้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้อ น, นิสงส์พิเศษคือเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์เครื่องเลื่มใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมีคลังเต็มบริบูรณ์คิดดูนะแค่คลอดออกมาปุ๊บเนี่ยนะเจ้าชายศิริฐานเนี่ยขุมรัพย์เนี่ยสีทิาาศเนี่ ย, ย, ย, ย, ย, ยงอกขึ้นมาด้วยเลยเพื่อที่จะให้ใช้อ่ะมัน ถ, ถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องห่วงนะเหมือนอาะโชติกาเศรษฐีเนี่ยพอบอกว่าจะสร้างบ้านเท่านั้นแหละโหพระอินทร์ต้องมาสร้างบ้านให้อยู่เลยอะ่ะมีบุญขนาดแต่ถ้าไม่มีบุญเนะี่ยหูยไม้อันเดียวก็ไปหาคำนวณแล้วนะสอกละร้อยกว่าเลยเรือย่างนั้น โอ้แพงขนาดนั้นเลยเลยกว่าจะประกอบมาเป็นสักหลังหนึ่งเนี่ยโอ้ทรมานว่าไปเช่ายังไงเพรไม่ให้เช่าอีกต่อไปนะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าคือถ้าออกบวชได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับอ น, นิสงส์พิเศษคือมีทรัพย์มากมีโพคะมากพระพุทธเจ้านี่รวยเหมือนกันนะทรัพย์ของพระองค์นั้นคือของเราลองคิดดูว่าถูกป่ะทรัพย์ของพระพุทธเจ้าได้แก่ศรัทธา พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมมากที่สุดในบรรดาผู้มีศรัทธาศรัทธาสองศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศีลมากที่สุดในบรรดาศีลทั้งหลายหิริโอตะปะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หิริโอตะปะมากที่สุดสตาของพระองค์เนี่ยมีมากที่สุดจาระคาก็มากที่สุดปัญญาก็มากที่สุดอันพระองค์เนี่ยมีทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมากมายมหาศาล กี่ ด, ดูนะซับของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธาของพระองค์เนี่ยมีมากมายขนาดไหนพระองค์นี่มีศรัทธาในกุศลธรรมใช่ไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงมาก็เพื่อ ก, ก่อให้เกิดกุศลธรรมกุศลธรรมนี้สูงสุดระดับไหนกุศลธรรมเนี่ยสูงสุดระดับไหนอรหัตตมัคคุศลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เคารพกุศลธรรมมากถ้าหากว่ารู้ว่าใครจะได้บรรลุนะไปโปรดไลยไกลขนาดไหนก็ไป เพื่อที่จะสงเคราะห์เพราะพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพในในธรรมะมากเป็นผู้ที่มีศรัทธาในในเรื่องของกุศลธรรมในเรื่องของทานในเรื่องของศีลเป็นต้นคิดดูว่าพระ อ, องค์นี่เป็นผู้ที่รวยเรื่องศีลขนาดไหนจนสามารถบัญญัติพระวินัยให้พระพิสุท์ทั้งหลายปฏิบัติได้เป็นหลายๆายพันข้อทั้งแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอนี้ก็เป็นศีลของเธอศีลหนึ่งข้อก็ทรัพย์หนึ่งอย่างอ่ะเมื่อไหร่นะว่า ถ้าพิสูจนทั้งหลายท่านเห็นว่าศีนเหมือนกับทซั์ของท่านได้เห็นวโอ้โหมีค่ามากมายมหาศาลเลยนะแต่พวกเราทั้งหลายบอกโอ้โมีสินห้านะก็มีค่ามีทรัพย์อยู่ห้าข้อแต่ของพระท่า น, นั่งไล่ซับโอ้โหท่านมีซับหนึ่งปาราชิกสี่ท่านได้แล้วซับข้อนี้ปาราชิกข้อที่หนึ่งขยายอีกประมาณสองหมืนข้อข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่สี่ 3, อ 4, โอ้โหมีมีมาก สังคารที่เศษอย่างเงี้ยสังคารที่เศษแต่ละข้อเนี่ยขยายไปเยอะแยะแต่ละอย่างก็เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์บอ่าอย่างนิสสกิยะปาจิตีก็สามสิบข้อแต่ละข้อก็ยังขยายไปอีกขยายไปอีกนั่นก็เป็นทรัพบหนึ่งซั์เป็นรัพย์เป็นรัพย์ใช่ไหมปาจิตีเก้าสิบสองโอ้ยยังกว่าซับอีกทุกกฎมากมายมหาศาลก็เป็นทรัพย์ทุกภาษิตเหล่านี้ก็เป็นรัพย์ธุร aja แต่ละอย่างก็เป็นทรัพย์คิดสังวรคิดสำรวมคิดประพฤติตามปฏิบัติตามเมื่อไหร่ขนาดนั้นเนี้ยทรัพย์เนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้น อันทรัพย์ไม่บริบูรณ์จริงๆนะถ้าทรัพย์ข้อหนึ่งคือศีลไม่บริบูรณ์ธรรมะประเภทอื่นจะบริบูรณ์ได้ไหมถ้าศีลไม่บริบูรณ์จิตจะบริบูรณ์ได้ไหมจิตตาวิสุทธิจะไม่บริบูรณ์เพราะนั้นแม้แต่สมาธินะซัพย์ที่เป็นการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณจาคานุสติเทวตานุสติพวกเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันรัพย์คือสติหรือว่าทรัพย์คือฮีเรโอตตะ ที่เจริญขึ้นตามและลึกนึกถึงธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นก็เป็นทรัพยบใครเคยคิดว่าเอ๊ะกูตระจิตเกิดขึ้นหนึงครั้งซับเอานี่ซับเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> คิดอย่างนี้บ่ายไหมถ้าบ่ายก็อนุโมทนาด้วยนะ <c oughs> พระพุทธเจ้านี่ประทานเอาไว้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าพระองค์ไม่ประทานเอาไว้รัพย์เหล่านี้ก็ก็ไม่มีแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือธรรมะที่พระองค์ทรงประทานเอาไว้ให้ใช่ไหมทําให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดสุตะสุตะ ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าประทานให้เรามีสุตะานี้ขนาดไหนพระไตรปิฎกโดยธรรมขันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันใช่ไหมฟังแต่ละธรรมะขันก็ทรับหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใช่ไหมฟังพระวินัยก็โอ้โหสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันฟังพระสูตรก็สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันถ้าฟังพระพิธรรมสี่หมื่นี่พันพระธรรมขันโอ้เหล่านั้นเป็นทรัพย์ทั้งหมดเลยนะถ้าหากว่ามองเห็นการศึกษาพระธรรมคําสอน เป็นรัพ์เมื่อไหรมองเห็นศรัท ธ, ธาการตามละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์อู้เจริญแน่นอนเพราะนั้นซั์เหล่านี้เนี่ยบางอย่างก็เรียกว่ารับกนนะเหมือนกันเป็นของที่ทำให้เกิดความปราบปลื้มใจเพะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะที่ศึกษาไปนั้นๆ่น่นนะในขณะนั้นเนี่ยรัย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้น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 ไปซื้อเครื่องปลื้มใจเหล่านั้นมาแต่ผู้ใดที่มีทรัพย์คือศรสภาศนิสุตะจารค้าปัญญาหิริโอตประเหล่านี้เนี่ยผู้ที่มีทรัพย์อย่างนี้บริบูรณ์ปราถนาเป็นมนุษย์มหาศาลก็สำเร็เจเห็นไหมเป็นครุหบดีมหาศาลเป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นกษัตริย์มหาศาลก็สําเร็จลองคิดดูว่าทําไมเขาเกิดมาอแวมาอันนี้เชื้อพระวง์อีกยี่สิบปีเขาจะขึ้นกองราชแวมาเนี่ยรู้ละ อีคนหนึ่งกูแวะมาเนี่ยอันนี้เป็นที่ฆ่าเขาต้องชาติเลยทําไมจึงมีความแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะทรัพย์มาต่างกันสเบียงมาแตกต่างกันอ่าซั์ของบางคนเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นยามาชั้นดุสิตผู้ที่มีทรัพย์เหล่านี้ปรารถนาในสวรรค์แต่ละชั้นก็สําเร็จหรือผู้ที่มีทรัพย์มากๆเนี่ยนะพรหมโลกก็สําเร็จเช่นมีศรัทธาที่จะเจริญชา้น มีศีลมีความสังวรสำรวมระวังที่จะรักษาฌานไว้ได้นะมีสุตะศึกษาในเรื่องฌานเป็นอย่างดีมีจาคะสละักิเลสได้มีปัญญาในการบริหารในการเจริญพ่อคูฌานจิตขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะเข้าไปสู่พรห ม, มโลกก็ได้นะหรืออรู ป, ปรพรหมก็ได้ถ้าเขามีศรัทธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาปราถนาโสดาปฏิมากรรมก็สําเร็จสกทาคาหมีมักอนาคามิมั ก, อ, มมกอรหัตต์มักก็สําเร็จ อรหัตธรรมแบบสุขาวิปัสสกก็สําเร็จอรหัตธรรมแบบวิชาสามก็สําเร็จอรหัตธรรมแบบอภิญญาหกก็สําเร็จหรืออรหัตธรรมแบบอสีติมหาสาวก80สองค์ก็สําเร็จหรืออรหัตธรรมแบบอัครสาวกก็สําเร็จหรืออัตหัตมรรมแบบพระประเจกพรพุทธเจ้าก็สําเร็จหรือจะเอาอรหัตมรรมแล้วให้ได้สัพพัญยุตยานก็สําเร็จถ้ามีทรัพย์คือสตาศีล กีเอต ป, ปะสุ ต, ตจาระพัญญาเป็นร้นคนที่เขามีทรัพย์อยู่ทุกวันเนี่ยต้นเขาจริงๆมาจากอะไรถ้าเขาไม่มีศรัทธาที่จะให้ทานมาทรัพย์เหล่านี้เขาจะมีหรือใช่ไหมผู้ที่ไม่มีทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นแน่นยเขาบอกว่าถ้าไม่มีศรัทธาศีลแล้วชีวิตของคนไรทรัพย์ โลกหน้าโลกต่อไปนี่จะไปอยู่กันยังไงถ้าหากว่าเราทั้งหลายนะไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมในขณะนี้ไม่มีศีลคือพอที่จะสังวรสำรวมระวังงดโทษโทษทั้งหลายที่เป็นไปทางกายทางวาจาไม่มีฮิริโอตะปะไม่อายชั่วไม่เกรงกลัวต่อทุจริตชีวิตต่อไปข้างหน้าจะไปอยู่ยังไงถ้าคนไม่มีทรัพยาเราคิดดูนะถ้าคนไม่มีทรัพย์เนี่ยนะ ไปที่ไหนเนี่ยมันแสนที่จะทรมานที่สุดเลยมันทุกข์อ่ะแม้แต่ท้องหิวนี่ไม่รู้จะกินที่ไรกินยังไงยังไม่รู้เลยจะไปนอนเนี่ยไปนอนที่ไหนบางทีก็ถูกเขาไล่เหมือนกับสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งท่านนึงชีวิตของคนที่ไม่มีทรัพย์เนี่ยเป็นชีวิตที่ทรมานที่สุดเลยท่านเคยกรรมไหมบาทหนึ่งอ่ะกรรมแน่นเลยอ่ะผมอ่ะเคยอ่ะยี่สิบห้าตะตงังหรือห้าสิบตะตงังกรรมแน่นเลยอ่ะค่ารถไง เมื่ออันสุดท้ายเนลยนะตอนเป็นเด็กอ่ะทำไมขอ บ, บ้านเ<า>นี้ยไม่ไม่เด็กแล้วนะก็วัยรุ่นละกลัวมันหายอ่ะสองบาทค่ารถเมย อ, อ่ะโหมีสองบาทค่ารถเมยเนี่ยโอ้ยดีสุดเลยอ่ะยิ้มโอถ้าเดินเนี้ยมันหลายสิบกิโลอ่ะสองบาทเนี่ยโอมีความสุขที่สุดเลยอตอนหลังเนี้ยก็ว่าจนจนชินอ่ะก็ว่าไม่มันไม่มีอะไรที่จะจนขนาดนี้อีกแล้วก็เลยนึกวเออใช่ว่าเราเนี่ยตกถึงที่สุดแล้ว ใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าอาหารก็บินธบาสชั้นเอามันก็คือแปลว่าขอทานกินแล้วใช่ไหมบินธบาสบินดาก็คือตกใส่แต่ในบาสใช่ไหมก้อนบินดาก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นซึ่งก้อนข้าวเนี่ยนะถ้าขอทานยังจะเอ่ยปากนะพระไม่เอ่ยนั่นก็ใ ห, ให้ไม่ให้ก็แปลว่าไม่ได้เอาเนี่ยอาหารบิณธบาสสองที่อยู่อาศัยบอกโคนไม้เป็นอย่างยนีง ถ้าหากว่าได้เสนาสนะกุติเป็นต้นถือว่าราบเหลือเฟือปกติอยู่โคนไหมยายาก็คือสมอดองเป็นต้นที่แช่ด้วยน้ํามูดเน่าใช่ไที่สุดชันแบบนั้นชันได้แล้วก็สบายแล้วและอย่างหนึ่งยา่ยาก็กล่าวไปเมื่อกี้ผ้าผ้าบางสกุลผ้าผ้าที่เขาห่อศพเป็นต้นเอามานุ่ง ห, มห่มได้นี่ก็จะถือว่าที่สุดแล้วใช่ไหม ถ้าหากว่ายุคนี้นะบอกทําใจว่าจะไปไหนจะเดินไปก็ได้ไม่ในห่วงอะไรเเดินไปก็ได้นะไม่รู้สึกว่าแหมน้อยเนื้อต่ำใจเลยนะพอแล้วจนถึงที่สุดแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะที่จะน่าเป็นห่วงแล้วส่วนที่เหลือก็สแสวงหาอริยทรัพย์อย่างเดียว <laughs> <laughs> แล้วแสวงหาศรัทธาทํายังไงจะมีศรัทธาในกุศลธรรมมากขึ้นวันนี้กุศลจิตรเราเกิดระดับนี้ทํายังไงจะพอกพูนขึ้นมากกว่านี้ได้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 ทำอย่างไรจริงจะแน่นแฟ้นในคุณของพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามปฏิปทาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอาไว้นี้ทํายังไงสุดตาของเราจรึงจะเกิดมากขึ้นที่จะรู้ซึ้งในพระธรรมคําสอนมากขึ้นหลังก็เหลือแต่สแสวงหาอริยทรัพย์อย่างเดียวบายเลยอ ะ, ะเศรษฐกิจตกไม่รู้สักอย่างน้ามันขึ้นราคาไม่รู้สักอย่างอันพระรัฐบาลเนี่ยกลับไปบินธบาต ท, ที่บ้านยม คือคือเดินเที่ยวบินธบัตินี่มนันนานก็ไม่มีใครใส่นะก็ผ่านไปทางบ้านพ่อไม่มีใครใส่บาทเลยเขาเขามีแต่ด่านะพ่อเนี่ยด่าเลยจําลูกไม่ได้ทีนี้ก็สาวใช้เนี่ยคนใช้ที่บ้านก็จะเอาขนมบูดไปทิ้งจะเอาไปเททิ้งอะ่ะก็บอกว่าน้องหญิงไหนไก็เททิ้งอะ่ะเทในบาทอตาตมาเถอะก็คือของมีอันทิ้งเป็นธรรมดาใช่ไหมโดย mm hmm. อย่าทิ้งตรงนี้ mm hmm. ทิ้งนี้เท mm hmm. ่ากับประเคีด้วยในตัว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 สัมโพธายะและก็นิพพานายะอันเป็นธรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ทรงบำเพนน็ญเพื่อสังวรเพื่อจะทําสังวรห้าให้บริบูรณ์ทําให้ปาติโมกสังวรบริบู sun, รณ์อินทรีย์สังวรบริบูรณ์ขึ้นขันต mm ิสังวรบริบูรณ์ขึ้นยานะสังวรวิริยะสังวรบริบูรณ์มากขึ้นเพื <im <im ่อปะหารนะเพื่อตะทางฆ่าปะหารเพื่อวิขำพนะปะหารเพื่อสมุดเฉทาปะหารเพื่อ ปฏิปัสสัตที่ประหารและก็นิสรณะประหารนิโรธาะเพื่อดับกิเลสนะแล้วก็เพื่อปรินิพานอันคือท่านมองเห็นว่าสังสารทุกเนี่ยมันทุกเหมือนกันเถอะอันพระ ท, ที่ท่านมีอัธยาไัประเภทเนคขมมะนะท่านก็ลักษณะพิจารณาถึงไม่ได้มีอะไรเป็นข้อผูกมัดข้อยึดติดสักอย่างพร้อมที่จะไปได้หาความมั่นคงถาวรไม่ได้สักอย่าง แต่ถามว่าปฏิบัติด้วยความเศร้าส้อยเหงาหงอยหรือเปล่าเปล่ากุศลจิตเกิดขึ้นนะมีเวทนากี่ยารติกุศลจิตมีเวทนาสองใช่คือโสมนัสกับอุเบกขาเพราะนั้นถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นบริบูรณ์จริงๆนะถึงเราไม่มีอะไรนะสมุตตเดินเดินเนี่ ย, มมนยคนหนึ่งขับรถเต่งไปเราเดินเนี่ยนะเรารู้สึกเรามีความสุข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 เมื่อ <m bell> เป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื <m> ่อ <bell> เป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่เสื่อมคือไม่เสื่อมจากศรัทธาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมจากศรัทธาในกุสลธรธมรมเขาไม่มีเสื่อมไม่เ ส, สื่อมจากศีลพระพุทธเจ้าไม่เคยเสียศีลมีแ like ต่เพิ่มพูนมากขึ้นไม่เสื่อมจากสุตตะการได้ยินได้ฟังไม่เสื่อมจากจากขะ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 ย่อมทรงเจริญด้วยข้าวเปลือกทรัพย์บุตรภรรยาสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าถ้าทรงตัดกังวลเสียทรงผนวดจะทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาก็จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอรหัตธรรกของพระองค์นั้นมาพร้อมกับคุณธรรมทั้งหมดคุณธรรมทั้งหมดที่จะพึงมีสาหรับความเป็นพระพุทธเจ้า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 ทิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเราสำเร็จหรือเปล่าเพื่ออะไรบอกเพื่อเรานั่นและทิดดูว่าพระองค์จะช่วยเราสำเร็จหรือเปล่าเนาะแต่เราต้องช่วยเราเองด้วยนะเจนิญพผู้ที่ยังละตัญหาไม่ได้ก็เหมือนกันหมดเพราะพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่าเทวดากลับมาสู่ความเป็นเทวดาน้อยมากเทวดามาเป็นมนุษย์น้อยมากจากเทวดาสู่อบายนี่มีมากกว่า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 เป็นอุปนิสัยแห่งการเกิดหมดเลยเตัณหาทุกชนิดนั้นตัวเขาเองเขาไม่สามารถนำเกิดในลักษณะนันนาคะนิกนกรธรร ม, มปัจจัยได้เขาให้พ้นนำเกิดแบบประตูปะนิสยะปัจจัยอย่างเดียวถ้าหากว่าเราเนึกถึงข้อความในปฏิจจสมบทตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยแล้วก็ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็โลภะอีกนั่นแหละ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 อันในคําพูดเหล่านั้นเนี่ยเจตนาเหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะมันนํามาซึ่งภพสามแต่ของเรารูปประพบกับรูปประพบดูจะไม่ใช่อ่ะเจตนาเนี่ยซัดไปในภพสามใช่ไหยกามาพบรูปประพบอรูปประพบทีนี้ปุตุชนคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ฌานในจิตเมื่อไม่ได้ฌานในจิตนั้นเจตนาก็ซัดมาในการมาภูมิสิบเอ็ดเมื่อการมาภูมิสิบเอ็ดเนี่ยมันก็จะสมควรกับเจตนานั้ น, น, น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 ในธรรมุเทศสีข้อชารานำไปไม่ยั่งยืนถึงวิบากกรรมารูปที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นไปตามอำนาจของชาราโลกเป็นของที่ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนหมายความว่าความเจ็บป่วยไขย้มันเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแล้วก็มันพร่องอยู่เป็นนิดเป็นไปตามอำนาจของตันหา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 อันแรงปรารถนาของเราเนี่ยถ้าปรารถนาเป็นไปกับฌานจิตก็ถือว่าแรงปรารถนานั้นเพื่อสู่รูปประพบถ้าแรงปรารถนานั้นเป็นไปกับอรูปฌานแรงปรารถนานั้นก็เป็นไปเพื่ออรูปประพบนี่ถ้าหากว่าแรงปรารถนาส่วนใหญ่ปรารถนาในรูปเขาจึงไปไปสู่โลกที่ยังไงก็ต้องมีรูปปรารถนาเสียงก็ไปสู่โลกที่มีเสียงปรารถนากลิ่นปรารถนารสปรารถนาโภตพภะอยู่ตลอดเวลา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 ันกรรมเหล่านั้นก็คือขนาดไหนก็ที่เรากำลังนึกคิดกันอยู่นี่แหละสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเนี่ยก็พบใหม่อยู่ตลอดเวลาแถ้าหากว่าจเจริญมรณ า, านุสติบ่อยๆนะจะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ไปเลยในพบใหม่ต่อไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะอายุเยอะๆก็จริงอยู่นะสมมติาอายุยี่สิบกว่าสา4สิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยมันเหมือนตัดเดียวจริงๆเลยเหมือนฝันเอาอะ ออมานึกถึงสมัยเด็กๆเนี่ยเมื่อยี่สิกว่าปีก่อนเนี่ยมันก็เหมือนฝันเว้ยป๊บเดียวจริงๆเลยนะหมดไปและเดี๋ยวก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันวันคืนเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้ายิ่งถ้ากุศลจิตเราเกิดมากเกิดบ่อยนะจะเห็นว่าวันคืนเนี่ยมันเร็วจริงๆวันเวลาเนี่ยเร็วมากแต่ถ้าอกุศลจิตเรากลุ่มลมมากๆนะมันช้าจริงๆเลย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 ถ้าหากว่าเจริญกุศลจิตบ่อยๆเข้าคาว่าพบสามเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับถูกไฟไหมคำว่าพบสามถูกไฟไหมพบมีกี่อย่างมีสองอย่างคือกรรมมาพบกับอุปาิภพเคยเห็น ไ, มไหมบ่เจตนา น, นี่เหมือนกับถูกไฟไหมซัดเข้าไปในหลุมฐานเพลิงเจริญพรเป็นอาปุญญาที่สังขารส่วนใหญ่เราสังเกตดูกายกายกรรมมจีกรรมและมนกกรรม ในในชีวิตประจําวันเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะหากัลยาณมิตรได้เราก็ลําบากเหมือนกันเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นเป็นคนประเภทอสังคาริกเป็นหัวหน้าในการเจริญกุศลคนประเภทนั้นไม่ต้องอาศาาัยเพื่อนมีแต่ว่าคนที่เป็นประเภทอสังคาริกเนะี่ยจะเจริญกุศลเนี่ยต้องอาศัยพวกนะอันนี้ยากถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะหากัลยาณมิตรได้คนนั้นจะอยู่ลําบากมากแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นลักษณะอสังคาริก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 ข้อความในลักษณะสูตรทีขณิกายปาติกวกวะต่อไปดูก่ารพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกัมเนิดก่อนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสาตราเคยเบียดเบียนสัตว์ไหมไหมก่อนเคยเด็ดตีกมแมลงปองคล้ายๆแบบนั้นแหละเคยปั่นจิ้งหรีดไ้มอะไรเงี้ย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 มีปลายข้างบนประชุมอยู่ที่พระสอสําหรับนํารถอาหารแพผ่ซ่านไปสม่ําเสมอทั่วพระวรากายบางคนเนี่ยทานอาหารอร่อยมากเรียกว่าทานอาหารเนี่ยอร่อยบางคนเนี่ยโอ้โมันฟืดเหลือกเกินนะกว่าจะเคี้ยวและกลืนลงไปคํานึงเนี่ยยากมากและยิ่งอีกเคยอยู่กับพระอาจารย์บุญเลิศเนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหเวลาจะไปฉันข้าวเนี่ยเหมือนกับจะออกสุดทักอย่างออมันฉันข้าวไม่อร่อยไม่อยากฉัน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 ในการรับรสใช่ไหมจากคูวิญญาณมี ม, มีมีแสงสว่างเป็นประตูปะนิสยาปัจจัยเสียงมีอากาศเป็นประตูปะนิสยาปัจจัยกลิ่นมีลมเป็นประตูปะนิสยาปัจจัยส่วนชิวหาวิญญาณมีอาโปธาต์น้ําน้ําก็คือประเภทน้ําลายนั่นเองเป็นประตูปะนิสยาปัจจัยอันถ้าคิดดูนะถ้าอาหารไหนที่มันแห้งเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติหรอกแต่ถ้ามัน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 บางทีนะอาหารบางอย่างเนี่ยแปะปั๊บเนี่ยมันสซ่านหมดทั้งร่างกายเลยเจนว่ามันมันมันมันแปกมันซ่นไปได้เหมือนกันนะส้นมส้มคล้ายๆมัสตาร์ดกนนะแปะปั๊บโหซ่านหมดเลยคล้ายๆแบบนั้นอ่ะนะนั้นพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นนะสมบูรณ์ด้วยคืออาหารเนี่ยประสาทรับรสดีมากเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นมหาปริศลักษณะอย่างหนึ่งคนที่มีมหาปุริศลักษณะอย่างนี้ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด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 วันนี้เนี่ยคิดเรื่องนี้อู้โหคิดแล้วซึ้งเหลือเกินนะซึ้งใจโอ้โวันนี้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านเก่งแท้ท่านดีจริงๆเลยนะใช้คําว่าพุทโทปับ๊บโอ้ขนลุกเลยดีจริงๆเลยซึ้งอีกวันหนึ่งพระพุทธเจ้านึกข่าพระ อ, องค์แล้วก็ยังเฉยเลยนะใช่คิดถึงนรกเออนรกช่วยได้ะกลายเป็นว่านรกดี อ, อกุศ ล, ลจิตก็เหมือนกันถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยของกุศลนั้นๆเช่น ปัจจัยที่ทําให้เกิดศรัทธาคืออะไรใช่ไหมปัจจัยที่ทําให้เกิดความเพียรคื อ, อยังไงสมมติว่าอวันนี้มันชักขี้เกียจแล้วไม่สนใจธรรมะสักข้อเลยเนาะคิดถึงอบายมากๆนรกนี่มันของร้อนนะหรือว่าท่านไม่ร้อนอย่างงี้ยเาถามง่ายๆเออท่านไม่ร้อนใช่ไหมในนรกเปรตต้องสายถ้าท่านไปเกิดคงหิวไม่มากนะทนได้ทําไหมถ้าเกิดเป็นเดราชานอยู่ได้ไหมไปไถานาะเอาไหม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 แล้วเราปล่อยให้ความคิดนั้นเลิดได้ไหมงนั้นความคิดบางอย่างนั้นอ่ะที่เป็นอกุศลนั้นอ่ะพระองค์จึงสอนให้ละงั้นถ้ามันไม่อยากละทำยังไงหาอุบายเข้าไว้งนั้นอุบายที่พระองค์ทรงสอนนี่มากมายอย่างอุบายละผีนมิทะสอนพระโมฆลลานะไว้ตั้งเยอะแยะเช่นนึกถึงแสงสว่างเอาไว้หรือถ้าต้องการแบบละเอียดไปเลยเนี่ยนะทุกคนเนี่ยทวิปัญจจะเกิด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 ถ้าเคาะได้พอดีเสียงเออกุศลวิบากเกิดถ้าหากว่าเคาะบางอย่างมากเกินไปกุศลวิ่บากก็จะเกิดได้ดมมีกลิ่นไหมท้องถ่ยจะเป็นหวัดมั้ยฉันจึงยังเป็นคันธารมได้เคยชิมหนังสือไหมแต่ถ้าดินสอเนี่ยเคยนะมาสมัยเด็กๆเกนี่ยกัดนั่งกัดนั่งเคี้ยวอยู่นั่นหนหะแต่หนังสือเนี่ยบางคนบางทีกระดาษเนี่ย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 แต่ว่าเป็นราษารณ์ได้ถ้ามาแตะปลายลิ้นแล้วกายวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องจับอยู่แล้วใช่ไหมเพราั้นทวิปัญจเกิดได้ถ้าทวิปัญจเกิดปั๊บสัมปติชนะก็เกิดสันติระนาจิตก็เกิดปัญจทวาราวชนะจิตกเกิดก่อนแล้วใช่ไหมเพราะนั้นปัญจทวาราวชนะทวิปัญจสัมปติชนะสันติรณโวธพนะเกิดขึ้นโดยที่มีหนังสือเล่ม น, นี้เป็นอารมณปัจจัย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 ความคิดซึ่งแหลกละในความคิดเหล่านั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมมีผลไหมเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดชาติหน้าดวงที่สองถึงหกชาติที่สามเป็นต้นไปแล้วกรรมที่ทําไม้แน่ดีตชาติใครทํากรรมไว้น้อยบ้างเคยคิดไหมว่าข้างหลังเนี่ยมันตามเรามาเยอะจริงๆนะวันนี้เดินจังกลมน่ะเสียวสันหลังวาบเลยโอ้โหข้างหลังนี่มันมากมายขนาดนี้เลยเหรอ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 ันกรรมประเภทอายุสั้นเหตุไว้เยอะนะประโยคข้าววิบัติเมื่อไหร่ก็สมความปาถนาเลยเพ้าเหตุทําไม่แล้วอธินาทานก็เหมือนกันนึกสมัยก่อนเนี่ยลักสตังแม่ประจำอะ่ะอธินนาทานเนี่ยบ่อยเลยอะ่ะมีหนังยืดหนังยืดเอาไปเป่าเล่นอะไรแบบตา น, นอกอใช่ไหมตลักหนังยืดนั่นแหละมีอะไรลักหมดอะ่ะของกินเนี่ยก็ลักกินหมดอะ่ะอันอนธินาทานก็ไม่ใช่น้อยเลยพอแม่จับได้ปั๊บนมัมูสาววาดอีกเนี่ยนะเปล่า หน้านั่นหน้าเหมือนกันแน่ใช่ไหมท่านเขาบอกว่ามีอภาสิทของที่สุรินเขามีอยู่บางว่าเออถ้าอยู่สุรินแล้วไม่กินสุราเนี่ยก็เรียกหมาสุรินใช่ไหมเขาเขาสำนวนของอ่าชัยเสริีชัยเสริเป็นคนให้สโลแกนอันนี้ขึ้นแต่งสโลแกนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขายสุราไงเขาแต่งสโลแกนของชาวสุรินว่าเอออยู่สุรินไม่กินสุราเรียกหมาสุรินเขาว่างั้นนะมีมีคนให้ให้สโลแกนอย่างนี้ไว้เป็นสโลแกนของคุณชัยเสริ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 วิมุตติญาณทัศนคตหาท่านก็จะพยายามที่จะปรารบให้กุศลจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้ได้อันกาลยานามิตรเนะีถ้าท่านนิ่งนะถ้าถ้าเราเคยเคยคบกับกาลยานามิตรถ้าเขานิ่งเนี่ยแสดงว่าเขากําลังใส่ใจธรรมะหมดใดหมดหนึ่งอยู่ เ, ยเอ๊เขาคิดธรรมะเว้เราจะมาปล่อยจิตอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็จะพยายามคิดเป็นธรรมะและวมันไม่เข้านิ่งยังมีผลต่อใจเราเลยอ่ะใช่ไหมพอเขาพูดปั๊บเราต้องเอามาคิดอีกละ นั้นถ้าได้การยานามิตรนะจึงการยานามิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจักรอันผู้ที่สามารถถ้าถ้ายิ่งสมัยนี้เลยนะก็คือให้เอาพระธรรมนั่นแหละเป็นการยานามิตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินยัยใดที่ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนั้นถ้าสมัยนี้นะการยานามิตรเราจะอาศัยได้อย่างไรอาศัยได้ด้วยการทรงจําพระสูตทรงจําพระธรรมเอาไว้ พระธรรมนี่แหละจะคอยเตือนเราบอกอย่านะคิดอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้พระธรรมจะคอยบอกเราตลอดถ้าเราจำพระธรรมได้จําไม่ได้ก็ท่องอกุศลจิตไม่เกิดถือว่าเป็นประโยค้วิบาิถ้ากุศลจิตไม่เกิดนะเพราะขาดโยนิโสมนสิการะคติก็คือคติได้แก่อะไรวิบากตัมมัชูปคือคติแต่ถ้าหากว่า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 ใส่ใจถ้าสติจะเกิดขึ้นขนาดนี้จะเกิดได้เพราะอะไรอ่สมมติว่าผมเรียนปริเชนหนึ่งใหม่ๆเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้จิตผมตกไปในอกุศลเนี่ยผมก็อยากจะจิตเป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นกุศลได้ไหมถ้าสมมุติว่าถ้าผมหลับตาแล้วผมนึกถึงปริเชนหนึ่งนะอกุศลจิตติดสองดวงอ่ะนี่นี่ก็โทษะสองโมหะสองโลภะเกิ 8, ผมก็ไล่ไปเรื่อยนะโลภะก็มีทิฏฐิขตาสาพยุทธสี่วิปยุทธ์ี่ไล่ไปถึงกระทั่ง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 พระองค์สแสดงว่าโลภามีแปดโทสะมีสองโมหะมีสองอหตุกจิตที่เป็นอกุศลวิบากเจ็ดก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เสร็จแล้วนะถ้าไล่อย่างนั้นคล่องแนละ้วจึงจะไล่ลงในในชีวิตเราได้ถ้าหากว่าสูตรต้นๆเลยจำผิดุถูกๆนะที่จะประยุกต์ลงมาในชีวิตเนี่ยของนารมาแทบมองไม่เห็นเลยนั้นความจำเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญมากนั้นการท่องเนี่ยช่วยได้เยอะ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 พอทบทวนใหม่ก็จะกลับมาคิดใหม่สลับกันไปอย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเพราะในเรื่องเดียวเนี่ยนะคิดเอากี่ครั้งดิเอาเท่าไหรด่ดีร้อยครั้งเองเหรอแค่ร้อยเองเหรอเหรอบอกว่าเป็นพันครั้งยังน้อยไปก็ที่จริงการสวดมนต์ก็คือท่านบอกว่ามีบอกว่า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 นิมิตบ่งบ อ, อกว่ามรรคสัตว์นะถ้าเป็นสํานวนพระสูตรนะะจะเอาสูงสุดไว้เลยเช่นเจอคําว่าสติเมื่อไหร่เนี่ยขอให้รู้ว่าเนี่ยประเภทมรรคสัตว์ไว้คํานี้เนี่ยเป็นได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระนะถ้าเรียนสัมปโยคันมาดีๆจะทําให้นึกออกเลยสติเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงหรือไปเจอคําว่าความเพียรนะภิกษุผู้มีความเพียรนึกถึงสมมติประธานเอาไว้เลยไม่ผิดนะแล้วสมมติประธานประเภทไหน ก็คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็เป็นมรคถ้าสัมมาวายามะเนี่มนมย ม, ม, มีอะไรเป็นอารมณะปัจจัยใช่ไหมมรคมีอะไรเป็นอารมณ์มรคเปนิพพานอะโลกุตระมรคมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าโลกยะมรคมีอะไรเป็นอารมณ์รู้นามรูปแต่คําว่านามรูปนั้นจะเหมาะกับผู้ที่เขารู้อย่างละเอียดแล้ว เธอเข้าใจวิปัสนาภูมินะโดยขันเนี่ยจำแนกได้หมดเลยโดยธาตุจาแนกได้ละเอียดโดยอยตนาโดยสัจจะโดยอินทรีย์เนี่ยละเอียดหมดละเสร็จแล้วมาย่อใช้คําว่านามรูปถามว่าข้อความในวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศนะไปใช้คําว่านามรูปในทิฏฐิวิสุทธิซึ่งพูดถึงขันอย่างละเอียดแหละพูดถึงธาตุอย่างละเอียดอยตนาสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดหมดละเสร็จแล้วเนี่ยพอพูดในชั้นของทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้น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 วิสุทธิสองอย่างที่เป็นมูลให้บริบูรณ์นะคือสีรวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิที่เป็นมูลให้บริบูรณ์แล้วพึงบำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปแต่ก่อนที่จะบำเพ็ญทิฏฐิวิสุทธินั้นคนเหล่านั้นต้องเข้าใจวิปัสนาภูมิเพราะในวิสุทธิมักบอกบอกไว้แล้วว่าปัญญานิเทศในวิสุทธิมัชคาว่าปัญญาหมายถึงวิปัสนาปัญญาหมายถึงวิปัสนาปัญญาอย่างเดียว เพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมปัญญานี่ปัญญาหนึ่งปัญญาสองปัญญาสมปัญญาสีปัญญาห้าปัญญาจนถึงแบ่งเป็นสิบก็มีปัญญาแบ่งบอกเป็นเจ็ดสิบสามก็มีนะปฏิสามพิธามักกล่าวไว้ปัญญาเจ็ดสิบสามในคำพีนะในในญาณนิเทศยาณเจ็ดสิบสามเฉพาะปฏิสามพิธาคําว่าปฏิสามพิธาเนี่ยมีสองพันกว่าปัญญาะในเรื่องเดียวอานาปานสติมีปัญญาเกินสองรอยอย่างเงี้ย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 ท่านทั้งหลายเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีสุจริญกายเป็นอย่างหนึ่สุจริญใจเป็นอย่างหนึ่สุจริญวาจาเป็นอย่างหนึ้ท่าหนึ่งนะกายไม่สุจริตวจีไม่สุจริตมโนไม่สุจริญมันจะลำเอียงแม้กระทั่เรื่องกรรมเพราะว่านะวิปัสนาญาณที่สองก็คือกรรมสการานั่นเองปัจจะยาปริกขหายานก็คือกรรมมสกตาเพราะหนึ่งในการกําหนดปัจจัยก็คือการกําหนดโดยกรรม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 แต่ถ้าขนาดนี้นะเขาค่อยถามตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดเวลาเลยนะจิตขนานี้เป็นกุศลหรืออกุศลเอาคําถามแบบนี้ถามแว น, น, นละสามรอยครั้งก็พอนะเอ้ขนามองเห็นเนี่ยเออเห็นใบโพลเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลนะถามแบบนี้ไปเรื่อยเร่อยเรื่อยเรเรื่อยเรไปเนี่ยไม่ไมนะมันจะมันจะตีตรงลงกุศลอย่างเดียวไม่อยากบาปใครอยากบาปมั่งนะมันจะมันจะ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 แล้วก็พวังอันจิตก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะได้ยินนั้นต้องผ่านพวังมาก่อนพวังอันนั้นเนี่ยเป็นผลของกุศลทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความชัดเจนในเรื่องกรรมมากขึ้นนะจะเห็นความไม่มั่นคงของพวังคจิตเหล่านั้นว่าผวังคจิตเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงแม้แต่อย่างเดียวเลยเพราะกรรมที่จะเป็นปัจจัยให้ผวังคจิตอยู่ได้อีกกี่ปีเนี่ยมีนิมิตไหม ไม่มีนิมิตเลยภวังคจิตเนี่ยเป็นนามธรรมซึ่งทําอะไรห้องไม่ได้สักอยาก่างจะไปพอกพูนก็ไม่ได้อันนีชีวิตของคนหลับถือว่าเป็นหมันตื่นมากเกินไปอีกประมาชลาใจไปอีกจุติจิตก็เกิดง่ายอันภวังคจิตเนี่ยนะเป็นจิตที่วันไวที่สุดเลยหาความมั่นคงไม่ได้เขามีปัญหานะจิตดวงสุดท้ายเป็นจุติทันทีนะพร้อมที่จะเป็นจุติทันทีเลยนะถ้าเขาไม่ไม่เกิดต่อไปอีก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 นะจิตที่ทำให้พูดนี้เป็นมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเพราะอะไรอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณนะความประชุมสามอย่างเป็นภักษะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีหมายไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเกิดอีกแล้วใช่ไหมการบอกว่าบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนสองไไม พอมีตันหาเป็นมีตันหาเป็นนามเกิดนะมะโนมโนวิญญาณมโนสัมผัสเวทนาเสร็จ แ, แล้วก็ตันหาเ็เกิดอีกแล้วเหรอเพราะทำไมวันๆเกิดบ่อยแท้ลักษณะสูตรซึ่งได้กราบเกือบสองอาทิตย์พอดีเลยโอ้เป็นตัูตูที่ยาวมากอยู่ในหมวดทีขึ้นในกายเราเราสนทนาเรื่องอื่นด้วยก็กลายก็เรื่องก็ยาวเหมือนกันข้อความใน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 ใคร่หน้าพอใจว่า ง, งั้นใครก็อยากดูใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นถ้าพระมหาบรุษทรงออกผนวชจะได้เป็นพระอาหารหันต์ตระสำ ม, มาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก mm hmm. เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้อีกคือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วรักเป็นผู้ที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา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 อพอไม่มีศรัท ธ, ธาพระละปุ๊บตามระลึกนึกถึงคุณของท่านอ้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นต้นปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากอุทะจักกุกุจกักเป็นผู้ที่สงบระงับเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหาการุณาที่คุณหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนึกถึงอะเนี่ยหน้าของพระองค์ที่เอิ่มไปด้วยพระเมตตา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 พระสุรเสียงคือเสียงของพระองค์โดยตรงแต่ของเราในยุคนี้ก็ทบันทึกมาเป็นหนังสือเป็นอักษรอ่านแล้วก็ยังนึกไม่ออกเอเสียงจะเป็นอย่างไรก็พยายามนึกถึงเราเนี่ยบุญน้อยนะโสตะวิญญาณไม่มีเพียงพอที่จะได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วเราจากักขูวิญญาณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพลัลสันะผู้ที่มีสีหน้าเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จนพานคือเมื่อไร่เราจะได้มีบุญน่ะนะให้ได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกชื่อเราเนอะก็บอกว่าชื่อของตัวเองนั้นเป็นเป็นคําที่ทุกคนฟังแล้วเพาะมากเขาว่างั้นถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคนะเป็นที่เราเคารพสักการะนับถือบูชาเทิดทูนแล้วเรียกชื่อเราอนะ่เนอะคงจะมีความสุขมากก็บอกว่าพระบางองค์สมัยพุทธกาลนะอยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยเรียกชื่อตัวเองมานั่งฟังธรรมเนี่ย เมื่อไรพระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อเราแล้วแสดงคำบางคนนี่ตั้งความปรารถนาไวย้ยางนั้นเลยนะแต่วันไหนพระองค์ไม่ได้เรียกชื่อแหมไม่ผ่องใสเลยไม่สดชื่นน้อยพระองค์น่าจะเรียกชื่อเราแล้วพระองค์น่าแสดงคำแต่พระองค์นี่ไม่ได้ตามใจใครนะเธอสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เป็นสาระมีคุณค่าพระองค์ก็ทาถ้าไม่เกิดประโยชน์นะนั่งทั้งคืนก็ไม่ แ, แสดงคำ บางสูตรเนี่ยนั่งทั้งคืนไม่แสดงไม่พูดแม้แต่คําเดียวไปพูดสว่างละออย่างบางแห่งเนี่ยไปฉันเจ็วันไม่อนุมโมทนาแม้แต่ครั้งเดียวบอกบริษัทไม่บริสุทธิ์ไม่ควรแก่การแสดงทำมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่เขาถวายทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอนะของพระเจ้าเปรตที่โกศลนะี่ทีนี้มีอัมมาศอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจที่พระราชาเนี่ยทําบุญอย่างนี้กลัวพักพลังจะหมด องค์ก็ฉันแต่ก็กลับชั้นเสร็จก็กลับก็แปลกใจทําไมพระ อ, องค์ไม่อนุโมทนาบบริษัทไม่บริสุทธิ์ก็ว่าคนตณีนี้ไปเทวโลกไม่ได้เพาอมาตคนนั้นเนี่ยความตณีเกิดขึ้นในจิตมัจฉริยะเกิดขึ้นในจิตโอ้ยหมดเลี้ยงพระเลี้ยงสงเลี้ยงอะไรอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็หมดตัว <c oughs> มันคล้ายๆกับเทวดาที่ที่เฝ้าบ้านอนาถาบินฑิกาเศรษฐีนะเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูบ้านอนาถาบินฑิกาเศรษฐีก็มีลักษณะเดียวกัน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 มองด้วยความโกรธนะเนะเหมือนตากาย่อมเป็นคนตาเลและตาขุนโมทีเดียวเรียกว่าคนตาขุนบกว่าบางคนเนี่ยตาเหลือกตาเหลืองเคยได้ยินไหมมีโจรค่จะคาดฆ่าโจรเนี่ ย, เ ข, ขน เ, นยเขาเป็นคนที่ตาเหลือกตาเนี่ยเหลืองตาไม่ใสผู้ที่มีจิตใจผ่องใสเมื่อแลดูประสาทมีสีห้าของตาทั้งสองนั้นก็ปรากฏ เรียกว่าด้วยกุศลจิตนั่นเองก็ตาของพระตถ า, าคตย่อมทรงแลดูอย่างนั้นอันหนึ่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงดูรู้ความที่พระตถ า, าคตนั้นทรงแลดูด้วยจักรสุเป็นที่รักตลอดกาลนานด้วยเหตุดังนั้นพระมหาปริรสลักษณะสองประการกระทำความสมบูรณ์แก่พระเนรย่อมเกิดขึ้นเชื่อว่าคล้ายกับสภาพเจตนาที่เคยมองเอาไว้เนี่ยเป็นสายตาที่ดี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 หาความสุขกับเขาไม่ได้หรอกคนอื่นเขาสนุกไอ้เยเรามันสนุกยังไงมั้มองไม่เห็นทางเลยคนอื่นเขามีความสุขเขาก็อายุเท่าๆกันเนี่ยเขาก็เพลินสนุกเราไม่สนุกเลยอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรพอมาศึกษาพระธรรมคำสอนนะี่ยมันค่อยลุ้งๆใจหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจมากอะไข่ยังยังยังมีขึ้นเป็นพักๆน ะ, ะไข่ใจยังไม่ถึงกระสากแต่ก็ถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมันทุกทุกโดยที่หาสาเหตุไม่เจอนะต่อไปนะ ดูการพิสุจน์ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพ่ก่อนในกัมเนิดก่อนเป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในธรรมะทั้งหลายฝ่ายกุศลเป็นประธานของชนเป็นอันมากด้วยกายสุจริตด้วยวาจีสุจริตด้วยมโนสุจริตเป็นหัวหน้าในการทําบุญนะในการบําเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถเห้ตรงนี้น่าจะมีบ้งนะชักชวนฟังธรมนี่นะ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 พยายามมานมาจะให้เนรมิตให้ดูตั้งไหนพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้รับผลพิเศษข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์เป็นครูหาปฏิชาวนิคมชาวชนบทหัวราชาันมหาอามาตกองทหาร น, นายประตูอมาตย์บริษัทผู้เป็นเจ้าเป็นเศรษฐีราชกุมารคือพระ อ, องค์ทาอะไรเนี่ยประชาชนเนี่ยคล้อยตามหมดก็เหมือนกับในหลวงใช่ไหม โครงการในพระราชดํำริ F. ดำริ F. แปลว่าคิดแค่ในหลวงคิดคนก็ทําตามนะอย่างนี้ถ้าหากว่าคนมีบุญเนี่ยแค่คิดเฉยๆเนี่ยก็มีคนรับสนององค์การแล้วแต่ถ้าคนไม่มีบุญนั้นนั่งบ่นอยู่เจ็ดวันสามวันวันนั้นหลายๆตลบก็ไม่มีใครทําตามสซะคนเนี่นะบุญมันต่างกันเนาะถ้าพระมหาบุรุษออกผนวดจะได้เป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามแห่งมหาชนมหาชนก็จะคล้อยตามพระองค์ที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นหน้าเป็นคนทันคนเหล่านั้นก็คล้อยตามพระองค์ตลอดแม้พัะทั่งพุทธบริษัทในยุคนี้ก็ยังคล้อยตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพลัลษณะนี้ว่าพระมหาบุรุษเป็นหัวหน้าในธรรมะทั้งหลายที่เป็นสุดเจริตนะชวนคนทำดีอ่ะทรงยินดีในธรรมะจริยาเป็นที่คล้อยตามชนเป็นอันมากสเสวยผลบุญในสวรรค์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 ทำพีมัชฌิมิกายมัชฌิมปัญ น, นาต อ, องค์คุณของผู้ที่ปฏิบัติความเพียนะ น, นะเพื่อบรลุษรมข้อต้นก็คือมีศรัทธาข้อต้นคือมีศรัทธาในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะศรัทธาในความเป็นพระอาหารหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยเป็นคุณข้อต้นเลยของการบําเพ็ญเพียร เ, เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ขาดศรัทธาแล้วขาดศรัทธาในคุณของพระตถ า, าคตแล้วหวงความเจริญยากที่สุด เขาจะปฏิบัติธรร ม, มะหมวดใดก็ตามถ้าธรร ม, มะหมวดนั้นนนั้เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเขาจะไม่งอกเลยเลยเขาบอกว่าแค่ครูยังไม่เคารพครูเลยนะจะเคารพวิชานั้นได้อย่างไรอันผู้ที่ไม่เคารพพระธรรมหรือไม่เคารพพระผู้มีพระภาคสแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคารพในธรร ม, มะที่เขาปฏิบัติเท่าไหรเพราะก็ไม่ถึงกับเคารพในเจ้าของแห่งธรรมฉันายผู้ที่ถ้าเคารพพระธรรมหมวดนั้นจริงๆที่เขาปฏิบัติเขาจะต้องเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า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 แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ใดก็ตามวันนี้นี่อ่านในในพระสูตรสูตรหนึ่งมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งฟังธรรมจากพระมหากัจยานะฟังธรรมเสร็จนะเลื่อมใสประกาศแสดงพระมหากัจยานะเนี่ยเป็นสารณะข้าพระเจ้าขอถึงพระมหากัจยนะเป็นสารณะพร้อมทั้งพระธรรมและที่สูสงส์ขอถึงท่านเป็นสารณะเลยพระมหากัจยนะบอกว่า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 เพราะว่าผู้ที่กล่าวทำเขาบอกว่าคนที่กล่าวทำนะคือคนอ่านสารธาราชาเนียเหมือนกัอาตมามาอ่านนี่แหละถ้าใครมาบอกว่าทำรรมากของอาตมานะโอ้ตายเนี่ยอยากร้องไห้เลยอ่ะผิดพลาดร้ายแรงมากทํำมาเข้าใจว่าของอาตมาถ้าผิดใช่เลยของอาตมาใช่เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซนเลยถ้าผิดนะถ้าถูกของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันตรวจสอบเทียบเคียง กับพระสูตรพระวินัยและพระพิธรรมต่างๆสอดคล้องเหมาะสมไหมเอาตรงนั้นเป็นหลักเอาตรงนั้นเป็นประมาณอันมหาประเทศสูตรท่านกล่าวไว้อย่างนั้นอันเราก็ต้องศึกษาเทียบเคียงตรวจสอบต่อไปคืออาจจะศรัทธาพันมะหมวดใดหมวดหนึ่งสูตรใดสูตรหนึ่งอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรปฏิเสธถ้าสูตรคําสอนหมวดอื่นๆด้วย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 เมื่อไม่เจริญในศาสนาของพระ อ, องค์แล้วสังสารวัตเนี่ยนะหรือว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษของวัตตะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ที่เห็นโทษของวัตตะนี่ยนะสังสารวัตรเนี่ยหรือชาติหน้าอย่าไปคิดว่าไกลนะพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติอยู่เสมอพึงทำใส่ใจเถอะว่าบางทีงูเงียเ้ยวเขี้ยวเสือจะมากัดก็เป็นเหตุให้ตายอาหารที่ขบฉันเข้าไปไม่ย่อยก็เป็นเหตุให้ตายอันเหตุให้เกิดความตายของเรามีมากมายมหาศาล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 กรรมบางอย่างเป็นอปรารปริยเวทนียกรรมไม่ต้องร้องเรียกถ้าปัจจัยพร้อมเขาให้ผลแน่ไม่ต้องร้องเรียกของอมานี่ไม่ต้องร้องเรียกเลยถ้าร้องมาทันทีเลยเพรนั้นประโยค่าสมบัติให้มากๆกันแล้วกันประโยค่ารอดก็เอาตัวรอดถ้าประโยค่าไม่รอดเนี่ยแย่ yeah. ใครๆกับว่าขอโอกาสเข้ามาแก้ตัวนะแก้ตัวพ้นหรือไม่ก็กําลังศึกษาทายาสายของเราเอ๊ะเราจะแก้ตัวทั้งแดดหรือเปล่าเนี่ย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 เคยได้ยินไนหะเวลาราชนาปิณพระเขาว่าไงมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิใช่ไหมสมาทานวิรัตงดเว้นจากการพูดเท็จสมาทานศึกษาด้วยนะตรงนั้นมีใช้คําว่าศึกษาเมื่อใช้คําว่าศึกษาปั๊บเนี่ยเท่ากับลองผิดลองถูกในการใช้คําจนกว่าจะใช้คําพูดพูดแล้วไม่มีโทษเลยพูดมากเท่าไหร่ก็ไม่มีโทษไม่ต้องนึกอ่าหไม่น่าไปพูดคํานั้นเลยเนี่ย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 ของใสเหลือเกินอ่านงนันเออแล้วระหว่างดวงจันทร์กับศีลของเราเนี่ยอัไห น, นจะบริสุทธิ์กว่ากันท่านก็บอกว่าในดวงจันทร์เนี่ยนะยังมีรอยมีรูปดูเป็นของหน้าตําหนิอยู่แต่ศีลของท่านเนี่ยไม่มีข้อหน้าตําหนิแม้แต่ข้อเดียวเลยคาราว่าพอคิดได้อย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะมันอิ่มใจเรียกว่าเรียกว่าปีติทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นเรียกว่าไม่มีส่วนไหนที่ในร่างกายที่ปีติเข้าไม่ถึง ปีติเนี่ยเออบอาบซาบซ่านไปทั่วสารพางกายหมดแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยสําหรับคนมีบุญเขาอ่ะนะอันในเบื้องต้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องสมาทานในการใช่วาจาสมาทานในการใช้วาจาจนกว่าจะรู้จักพูดเป็นคําศัพท์พูดเป็นคําจริงพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ แล้วก็การใช้วาจานี้ก็เป็นหนึ่งในมักมีองแปดเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยใช่ไหมเป็นมักไหมเป็นสัมมาวาจานถ้าหากว่าเราใช้ยังไม่ถูกก็ไม่คู่ควรแก่การพ้นทุกข์ถ้ายังใช้วาจาไม่เป็นก็ไม่คู่ควรแก่การตรัสรู้ธรรมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนชำนาญอะ่ะที่ว่ามุสาวาทานนะเวรมนีสิกขาตัวนี้เนี่ย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 อันก็คือศึกษาการใช้วาจานะเพราะฝึกพูดนั่นเองฝึกพูดจนไม่มีโทษอันถ้าโดยทวามีแค่สามยังไกายวาจาใจฝึกสามทวาร น, นี้จนไม่มีโทษอ่ะถ้าหากว่าผู้ที่สามารถรักษากายวาจาใจโดยปราศจากโทษผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยกุศลกรรมบรรคแคเรียกว่ามีมนุษยธรรมอย่างสูงมนุษยธรรมชั้นสูง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 ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอันพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นจึงเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อการฝึกเพื่อการฝึกพระธรรมคําสอนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างให้กําลังใจอคิดดูนะถ้าหากว่าอย่างขอธรรมมาเองเนี่ยนไม่มีใครให้กําลังใจเราเท่าได้เท่าพระพุทธเจ้าแตถ้าถ้าเราขยันอ่านพระสูตรต่างๆเนี่ยพระองค์จะให้แงม่มุมให้ความรู้สึกนึกคิด เธอควรคิดอย่างนี้นะเธอควรพูดอย่างนี้อย่างนี้อยากคิดคิดอย่างนี้มีโทษระดับนี้คิดอย่างนี้มีโทษระดับนี้คิดอย่างนี้มีโทษระดับนี้ท่านแบ่งให้เราหมดเลยท่านแยกแยะเป็นวักเป็ น, ปนต่หนูพระองค์นี่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเรามากมายมหาศาลถ้าหากว่าเราไม่ได้พระธรรมคำสอนเนี่ยอชีวิตของเราจะน่าสงสารไปอีกขนาดไหนเอาต่อไปนะว่าอา น, นิสงส์ของพระองค์ที่งดเว้นจากพูดเท็จแล้วมาพูดคํำสาดคาจริงเป็นต้นเนี่ย ทำให้ได้มหาปุริสลักษณะสองอย่างสองอย่างก็คือมีผ้ะโลมาขมละหนึ่งเส้นมีขนขมละเส้นนะนะและมีอุณาโลมในระหว่างคิวมีสีขาวอ่อนเหมือนปุยฝ้ายก็คือตรงหน้าผาก น, นะมีขนระหว่างคิวนี่เรียกว่าพระอุณาโลมสีขาวเหมือนปุยฝ้ายนี่เป็นนิมิตของผู้ที่ไม่โกหกมา ถ้ามหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้รับอนิสงส์พิเศษเพิ่มอีกก็คือเป็นที่ประพฤตตามของมหาชนมหาชนเนี่ยประพฤตตามไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ขุนหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอมาตย์กองทาหารนายประตูอมาตย์บริษัทเจ้าเศรษฐีราชกุมารคนทั้งหลายก็ประพฤตตามท่าน มหาชนเนี่ยประพฤติตามเอาแบบเอาเยี่ยงอยากซึ่งมีในบางสูตรกล่าวว่าดูก่อนมหาบพิษถ้าหากว่าพระองค์ประพฤติธรรมสนมนางในของพระองค์ก็ประพฤติทำด้วยเมื่อพระองค์ประพฤติทำข้าราชการอํามาตย์ทั้งหลายก็จะประพฤติธรรมด้วยเมื่อพระองค์ประพฤติธรรมชาวชนบทชาวแว่นแคว้นก็จะประพฤติธรำด้วยอันพระราชาถประพฤติทำทุบคนเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างหมดเลย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 เราฟังฟังดูนะถ้าไม่ศึกษาก็ดูมันไม่น่าจะอะไรลึกลับไม่นา่าไม่น่าจะยากนะเช่นสมมติว่าข้อปานานี่นะข้อปานาติปาตาเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยนะเรายังต้องเมตตาด้วยนะเพราะศีล น, นอกจากวิรัตนี่นะคือไม่ทำแล้วเนี่ยนะศีลยังต้องทำจริงที่ตรงเองข้ามด้วยนะถ้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วต้องเมตตานะถ้าไม่พูดทุจริตนะต้องพูดสุจริตด้วยแล้วพูดด้วยความเมตตาพูดที่เป็นพูดขอประโยชน์ด้วย เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะเพียงแต่ว่าเราไม่พูดเท็จแม้พูดจริงอย่างเดียวก็ไม่ถูกอยู่แล้วอะ่ะพูดจริงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดเกิดความเสียหายเยอะแยะมีเยอะแยะไปไม่ถูกกาลเวลาไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกอะไรนะ่อ้เยอะแยะนะครับเพแปลคําว่าสิกขานี่ผมน่าสนใจนะเมื่อกี้กทําไมจึงต้องพ่วงกมาวาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประดังนี่นะนี่ลองแปลให้ครบให้ทั่วหน่อยดีครับ ข้อเอาข้อมุสานี่ครับมุสาวาดามุสาวาทาเวรมณีศึกษากระทังสมาธิยามี น, น, น, นมี่นะมีตัวหลังนี่บอกว่าข้าพเจ้าขอสมาทานนะสมาทานเนี่ยนะสมาทานเวรมณีวิรัตงดเวน้นศึกษาในการงดเว้นจากการพูดเคสมีศึกษาเข้ามาอีกคำหนึ่งเนี่ย อ, อย่าไสมา้านนะการใช้วาจา<ม>ให้ศึกษาให้ดีนะเพราะว่าธรรมะพระเจ้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลหมดอะ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 ในความจริงที่เป็นกุศลใกล้ต่อกุศลต่อไปแต่ความจริงที่เป็นอกุศลก็ใกล้ต่ออกุศลด้วยจริงเหมือนกัน แ, <Christina> แต่ความจริงบางอย่างก็ทําให้ตกนรกงั่นนะฉะนั้นคําจริงนั้นอ่ะสัจจะบางอย่างก็เป็นกุศลสัจจะบางอย่างก็เป็นอกุศลจะบางอย่างก็เป็นอัพยากตะสัจจะบางอย่างควรละสัจจะบางอย่างควรเจริญสัจจะบางอย่างควรกําหนดรู้สัจจะบางอย่างควรทําให้แจ้ง พันไอ้จริงเนี่ยกิตของความจริงมีตั้งหลายอย่างมันจะไปพูดตามโอ้จริงอ่ะเพราะจริงที่ควรละนะครับมากุศลนะครับเซียนพาถ้าพูดถึงว่าสีนี้ครับก็มีวิลัตย์ใช่ไหมครับคือเว้นใช่ไหมครับแล้วมีจาริตรสีด้วยนะต้องปฏิบัติด้วยนะเซียนพานถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ต้องเมตตาด้วยนะเวลาไม่รักทรัพย์เนี่ยไม่พอนะต้องมีจาระมีเผื่อแผ่มีการบริจาคด้วยนะ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 ถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนะศึกษาพระธรรมใหม่ๆเรื่องที่อ่านผ่านเลยคือไตสรสารณคมรเข้าใจสบายพิกพลิกิกิกเออเนี่ยพุทธะแต่เอาพระธรรมพระสงฆอู้สบายมากนะมาตอนหลังๆเรื่องศีลเหมือนกันตานาทิตาเต้าอู้พลิกได้เลยสบายสบายเรื่องนี้สบายอยู่แล้วพอเอาเข้าจริ ง, รงๆเนี่ยนะกลับมาค้นใหม่อูอย้ยากยากกวา่าเรื่องที่เราว่าเราเข้าใจอีกกลายเป็นโอ้หูเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากลองคิดดู ถ้าเราเข้าใจเรื่องไตรสารณาคมจริงๆนะไตรสารณาคมมีกี่อย่างนะสองอย่างคือโลกิยะกับโลกุตรสารณาคมแล้วเราเนี่ยโลกิยะสารณาคมนั้นการถึงไตรสารณาคมมีกี่อย่างแบบโลกิยะด้วยการนอบน้อมเป็นต้นด้วยการนอบน้อมด้วยการมอบกายถวายชีวิตด้วยการอุทิศตนเป็นสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วลักษณะว่าขอเป็นสิทธิ์ท่านอะ่ะเออสิทธ์ที่ดีเขาคิดยังไงกับกับอาจารย์เงี้ย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 อันนี้ก็ถือว่าโอ้ประสบความสาเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะนะจนทางสตวานะสังเวรปัญญาสีละมยญาณนังคือปัญญาที่ที่ฟังแล้วสังวรสัารวมระวังเอาไว้นั้นเป็นสีละมยยญาณคือหมายคมว่าฟังเรื่องสุตตมัยญาณมาเป็นอย่างดีอย่างละเอียดละอ่แลสามถที่จะสังวรสํารวมระวัง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 การกล่าววาจายนนั้ น, น, นไม่เกิดประโยชน์จริงเขาด่าเราจริงแต่ว่าไอ้คนที่เอามาบอกเนี่ยทำไมต้องบอกเราด้วยใช่ไหมสมมติถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งะนะเขาด่าเราอยู่ใกล้มากเลยเราไม่รู้สักหน่อยเลยนะโสตวิญญาณเราไม่เกิดขึ้นใ้ยินเสียงชนิดนั้นเลยอีกคนหนึ่งมาบอกว่าคุณเนี่ยนะกำลังถูกเขาว่านะคนนั้นเขาว่าคุณอย่างนั้น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 จริงอ่ะเรื่องมันยังไม่ทันแตกหรอกมันราวหน่อยๆมันประสานกันได้แต่คนที่ข่าวข่าวไปเนี่ยไปงัดไปเรื่อยนะพูดเนี่ยใสอารมณ์หน้าดูเลยนะบางทีมันไม่เด็ดถึงขนาดนั้นหรอกในเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นอแต่คนที่เล่าเนี่ยโอ้เป็นจริงเป็นยังไงหมดเลยเขาโกรเราหน่อยเดียวนะเราไปเสริมเติมแต่งใส่สีสันมจนเพราะฉะนั้นพวกส่อเสียดเนี่ยมีโทษมากมายมหาศาลซึ่งในเรื่องของโทษส่อเสียดซึ่งจะได้กล่าวในเรื่องของกรรมบุตร แต่ว่ามาดูอ น, นิสงค์ของการกล่าวทำให้การพร้อมเพียงกันตถาคตเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทรรมสั่งสมพ่อคูนภัยบุ์ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการคืออันนี้สนใจ ไ, ไหมถ้าไม่สอเสียบนี่จะได้เป็นยังไงพระองค์มีพระทนสี่สิบสี่มีฟันอยู่สี่สิบสี่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 ผู้ที่รักษาคําพูดโดยที่ไม่พูดให้คนแตกแยกกันเพราะฉะนั้นบริษัทของพระราชานะไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ขรหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์มหามาตกองทหารประตูมหามาตผู้เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุ ม, มารไม่มีการแตกแยกกันแปลว่าไม่มีผู้ใดคิดประท้วงง่ายๆไม่มีใครประท้วงหรือว่า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 ทำไมสเก็เห็นจึงโดนพระบาททำไมพระองค์จึงปฏิบัติธรรมหลายปีกว่าจะได้บรรลุทำไมพระองค์จึงปวดพระเสียนมากทำไมพระองค์จึงถ่ายบางคนเป็นเลือดอะไรไงพระองค์เนี่ยบอกไว้เหตุหมดพระองค์มีเหตุทําไว้หมดหรือว่าพระองค์ทำไมอันิสงส์งข้อนี้เช่นโอ้โหคนสการะนับถือมากมายมหาศาลข้อกรรมอะไรเนี่ยพระองค์เล่าไว้หมดเลยอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่ง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 นั้นพระองค์นั้นทําทั้งผลดีและที่ไม่ดีแม้แต่ที่ผลดีเนี่ยพระองค์ให้ทานมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินของพระองค์เนี่ยจึงมากมายมหาศาลก็อบอกว่าน้ํามันเนี่ยนะน้ามันหรือว่าน้ําพึ่งเนี่ยเป็นโกดังโกดังอ่ะมีมากมายมหาศาลว่าหนูเนี่ยวิ่งมันพลาดไมหมดอะทรัพย์สินของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆท่า น, นเขาบอกว่าบารมีที่ทรงบําเพ็ญมาเนี่ยนะไหลทะลักมาให้ผลในชาติสุดท้าย จะรีบมาให้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพระองค์นี้ผ่านแล้วอดให้เลยอันวิบากดีๆก็จะรีบมาให้อันพระองค์นั้นจึงเป็นที่รักที่เคารพสักการะเพ่ทูลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นสุคุมารชาติเสานาสนะเนี่ยต้องเชื้อเชิญจึงจะใช้ให้มันนี่มนบางทีไม่ใช้ให้จีโอนเหมือนกันต้องอ้อนวอนโอ้ขอให้พระองค์ใช้ให้ทีเถออย่างเงี้ยอาหารมินทบาทก็เหมือนกันโหอ้อนวอนมากอันจึงเรียกว่าสัมมณสุคุมาร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 การใช้วาจานี i สําคัญมากเลยนะอย่าไปเป็นบางช่างยุบางช่งา ง, ชงแย่ให้เขาแตกแยกกันถ้าหากว่าเรารู้จักใช้วาจาวันๆหนึ่งกุศลจิตเราเกิดบ่อยนะถ้าหากว่าสังวรที่จะใช้วาจาเมื่อวานกล่าวถึงการใช้ใช้สายตาใช่ไหมการใช้สายตายัางเป็นกรรมเลยเหลียวตายเหลียวซ้ายแลยขวากลิ้งกรอกสายตาไปมาเจตนาที่เป็นเหตุให้กลิ้งกรอกสายตาไปมาก็เป็น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 ใช้ลิ้นไม่ถูกประเภทนี่แหละทีนี้ต่อไปว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนละคำหยาบเว้นจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะชวนหูเรียกว่าเพราะหูชวนให้รักจับใจชนส่วนมากรักใคร่ชอบใจเรียกว่าใช้วาจาที่ที่คนฟังแล้วเขาประทับใจเลยนะ ฟังแล้วเขาเข า, เขามีความสุขอ่ะเมื่อได้ฟังวาจาอย่างนั้นโอ้เป็นวาจาที่ไม่มีโทษเลยะนะซึ่งไม่ระคายเครื่องหูแม้แต่นิดเดียวตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ต า, เ า, ายตเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสังสมพ่อพภูนภัยบุญครั้นจุติจากสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะสองประการคือมีพระชิวหาใหญ่ชิวหาใหญ่นี้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 เงี้ยมันพูดยากจริงๆเลยเพราะเหตุประเภทนี้ทําไว้และให้อีกอย่างหนึ่งนะการไม่ใช้คําหยาบทําให้พระองค์มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรหมอย่าใช้คําหยาบนี่คาหยาบเป็นยังไงเอเอาไปหลับให้มันสบายซะอย่างเงี้ยหยาบไหมเอาไปหลับให้สบายให้มันหลับตลอดกาลอย่าเงี้ยหยาบไหมอ่านี่หยาบนอะเพราะจิตมันหยาบอะ่ะก็คือพูดด้วยโทสะนั่นแหละ จิตที่ที่เป็นโทสาะนะถึงจะพูดเพราะเออเอามันไปหลับให้สบายนะหลับตลอดการเลยอันนี้ก็โทสะนะนี่ก็ชื่อว่าคำหยาบนะอันไม่ต้องกล่าวไปยัยถึงคำที่ฟังแล้วระคายเครืองหูเลย <c oughs> น้ำหนักเสียงนี่นิ่มมากเลยนะแต่ด่าอันนั้นก็ชื่อว่าหยาบด้วยพันอันนี้สองของการใช้วาจานี้จะทำให้เป็นคนที่ลิ้นดีลิ้นงามแล้วก็ ผัสสระเสียงเหมือนเสียงพรมมีสำเนียงดุดเสียงนกกระเวกเขาว่านกกระเวกนี้เป็นนกที่ว่าถ้านกนี่ร้องปั๊บเนี่ยนะสัตว์อื่นๆต้องฟังอ่ะเพราะมากเหมือนกันทีนี้ว่าเพราะขนาดไหนไม่เคยฟังสักทีก็เลยเล่าให้ฟังไม่ถูกแต่ถ้าองคบอกว่าเสียงเพราะมากถ้าหากว่าผลนันนี่นะถ้าไม่ออกบวชเป็นพระราชาจะได้รับอ น, นิสงค์คือมีพระวาจา อันชนเป็นอันมากเชื่อถือคนเนี้เชื่อถือชนเป็นอันมากเชื่อถือถ้อยคําของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพรามหมณ์ครือขบดีชาวนิคมชา ว, ช, าวชน บ, บทโหราจาร์อามาตต์กองทหารนายประตูอํามาตต์นะหรือว่าเป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นราชกุ ม, มารคนเนี้จะเชื่อถือในวาจาของพระองค์ถ้าทรงออกผนวดจะได้เป็นพระอรหันต์ตัสมมาสามพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก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 ถ้าแบบสำนวนเราๆทั่วไปก็คือเป็นวาจาที่ให้เกียรติกันอ่ะนะเป็นวาจาที่ค่อนข้างยำเกรงกันเคารพกันวาจารประเภทนี้แหละเป็นเป็นไปกับเมตตาและก็วาจานี้เป็นที่รักแห่งใจอันไปสู่หทยัยสะดวกหูสเสวยผลแห่งวาจาที่ประพฤติดีแล ะ, สะเสวยผลบุญในสวรรค์ครั้นสเสวยผลบุญแห่งกรรมที่ประพฤติดีแล้ว มาในโลกนี้ได้ถึงความเป็นผู้มีเสียงดุดเสียงพรมและมีพระชิวหาภัยบูนกว้างมีคําที่ตรัสอันมหาชนเชื่อถือผู้และคนเนี่ยเชื่อหมดเลยฟังพล น, นี้ย่อมสําเร็จแก่พระองค์แม้เป็นเครือขัดตรัสอยู่ชั้นใดถ้าออกพนวดเมื่อตรัสคําที่ตรัส ด, ดีมากแก่มหาชนคํานั้นมหาชนก็เชื่อถือชั้นนั้นโดยแท้ นันพระองค์นั้นฉลาดในการใช้วาจาด้วยเนาะคือที่เป็นประโยค่าของพระองค์นี่ก็ดีเพราะว่าพระวาจาของพระองค์นั้นคล้อยตามพระญาณคล้อยตามสติคล้อยตามปัญญาเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมอันสมุดฐานของคาพูดเนี่ยมาจากจิตที่ดีแล้วเสียงตัวนั้ น, น, นเนี่ยนะซึ่งฐานของเสียงเนี่ยเกิดจากกรรมอันฐานของเสียงซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ย กรรมประเภทดีปับ๊บน้ำเสียงก็หน้าหน้าฟังจิตดีด้วยกรรมดีด้ว ย, วยพันคำพูดของพระองค์ก็เลยดีไปหมดเลยเลยไม่มีโทษนะกรรมที่เราสะสมพ่อพูดไม่นะมันวิ่งตามมาข้างหลังเนี่ยซึ่งซึ่งมองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็น้อยๆเลยเนาะคีดดูแต่มันให้ผลขนาดนี้คนก็ยังไม่ค่อยจะเห็นเลยใช่ไหมกุศลแวิบากเห็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นกุศลวิบากแล้วก็กุศลแวิบากนี่ไม่ใช่วิบากดีธรรมดาเพราะเป็นผู้ถึงไตราสารณาคม นะก็นับว่าเห็นกาลยานามิตรนั่นแหละเอ๊แต่เราก็ไม่ไม่ได้คือคิดคิดถึงเรื่องนี้น้อยหน่อยคิ ด, ค, ดคิดไม่มาก น, นะคิดในความเป็นเออเนี่ยสีเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะสีเหล่านี้มีจิตที่ดีเป็นปัจจัยด้วยแล้วก็กรรมาชรลภเหล่านี้เป็นนเป็นผลของบุญแต่ก็ตารกสิ่งเหล่านี้น้อยมากทั้งทั้งที่ตราบุญตราบาปก็ให้ผลอยู่ตลอดแล้ว จากขูวิญญาณหรือจากขู่ภาษาทะของเราก็มาจากตราบุญหรือตราบาปด้วยวันนี้เรียนเรื่องจากขู่พอดีเลยที่ที่เป็นพิสุทธิ์ที่มากกันนะว่าจากขู่ภาษาธรูปเนี่ยนะมาจากกรรมกรรมนี่เป็นปัจจัยให้จากขู่ภาษาทรูปเนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นความใสของมหาภูตา ร, รูปนะจากขู่นี่คือความใสของมหาภูตา ร, รูปซึ่งมีกรรม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 จากครูไม่มีเนี่ยมันเป็นโลกที่บอดมองไม่เห็นอะไรสักอย่างอันตันหานั้นเป็นปัจจัยเพราะเห็นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้หนี่มันตราบุญตราบาปเลยนะเนี่ยตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดจากครูเป็นสัจจะไหมสัจจะข้อสมุทยัยสัจจากครูที่ที่อาศัยมหาพูทธรูปหรือความสายของมหาพูทธรูปจากครูอนนั้นเป็นโทกศัตดิ์ถ้าไม่มีตันหาจากครูนี้จะมีไหม ถ้าไม่มีรูปปัญหาหรือกามะปัญหาจะไม่มีจกักรโคเลยเพราะถ้าไม่มีรูปปัญหาเลยเนี่ยผู้นั้นถ้าเป็นโลภะอยู่อย่างน้อยก็ต้องเป็นอรูปปรมต้องเป็นอรูปปรมเพราะอารูปปรมเนี่ยละรู ป, ปสัญญานานัตสัญญาปฏิฆาสัญญาและสัญญาเหล่านี้จึงเข้าอากาสารนัญจายตนะโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดพวกนี้ต้องเบื่อใน กามสัญญารูปประสัญญ า, ญญานานัตตะสัญญาปฏิฆะสัญญาต้องเบื่อสัญญาที่ในทวิปัญจวิญญาณจิตสิบเห็นโทษของสัญญาในทวิปัญจวิญญาณจิตสิบสัญญาในจ kab hi kab hi right tang, ักขุหรือว si ่าในทวิปัญจวิญญาณจิตสิบเรียกว่าปฏิฆะสัญญาเพราะมันกระทบกระทั่งนส่วนสัญญาที่เกิดกับจิตจิตที่เหลือนะชาวนะจิตที่เหลือเรียกว่านานัตตะสัญญา เป็นสัญญาที่รับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นจิตที่รับอารมณ์ต่างๆส่วนรูปสัญญาก็คือสัญญาในรูปประชานผู้ที่จะเข้าอากาาสารัญจายตนะต้องสลัดจากรูปสัญญาก็คือในรูปประชานปฏิฆาสัญญาคือสัญญาในทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบและก็นานัตตาสัญญาคือสัญญาในชวนะทั้งหลายต้องครอบงำสัญญาเหล่านี้จึงจะเข้าอากาสารัญจายตนะได้ อันถ้าผู้ที่สำเร็จอาการสาัญจายตนะก็เป็นประเภทกรรมพภพกรรมพภพอันนั้นเพื่ออุปติพภพคือปฏิสนธิเป็นอาการสาัญจายตนะพรรมันพรมชั้นนี้ไม่มีการเห็นไม่มีการเห็นการได้ยินไม่มีอะไรสักอย่างเพราะไม่มีภาษาทะูปส่วนรูปประพรมก็ยังดีในการเห็นอยู่เพราะยังยินดีในนิมิตคือการเห็นเช่นพรรมบางท่านเจริญกสินก็ยังยินดีในการเห็นเพราะ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 นั้นถ้าหากว่ากรรมที่อ่อนกําลังมากะนะก็แสดงว่าเตรียมทํากรรมประเภทให้ทานไว้เยอะๆจะได้มีค่าตัดแล่นตายเพราะว่าจาักรูเนี่ยเป็นกรรมมชโรปใช่ไหมเมื่อเป็นกรรมมชโรบนั้นอะ่ะถ้ากรรมบางอย่างมาเบียดเบียนมาตัดรอนเป็นต้นจักรูก็มีปัญหาอันนี้เฉพาะกรรมในจักรูนี้ยังมีอาหารอีกอาขาดวิตามินก็แย่เลยใช่ไหาขาดวิตามินี่จะแสบตาทําให้เห็นไม่ค่อยชัด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 ไม่ให้เห็นอีกแล้วพบที่แปดนั่นแหละเกิดเกิดอีกเจ็ด็ดหนอนอย่างนั้นที่ที่กรรมเนี่ยก่อขึ้นน่ะนะอันเอาไหมแต่ได้เห็นอีกเจ็ดชาติใช่ไหมถ้าหากว่าเออเป็นพรหมเขายังชั่วใช่ไหมพรหมเนี่ยที่เมืองพรหมมีแต่เพชรมีแต่อะไรเขายังชั่วหน่อยทีนีไไ้ไอ้กรรมที่เป็นบาปเหรือใครไม่ทํากรรมร่วงกรรมบดเลยกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่ร่วงกรรมมาบดเนี่ยคิดกันทํากันมากมายมหาศาล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 ทำให้คนประพฤติผิดียกว่าบุตรภรรยาผู้อื่นทำให้คนถึงกับมูสาวาดเพอเจอร์ส่อเสียดพุษสวาจาหรือแม้กระทั่งอับ พ, พิชาพยาบาทหรือพ่อสีอีกนั่นแหละก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิอันในในสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะมีโทษพระองค์เนี่ยกล่าวโทษแห่งกาวไม่มากมายิ่งนะอ๋อนะเพราะเหตุที่ทำให้เกิดตานะก็คือหนึ่งยังยินดีในสีสอง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 ผู้แต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตา ย, พาายตเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพ่อคูณภัยบณ์แล้วก็จุติจากสวรรค์มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้คือถ้าไม่พูดเพ้อเจ้อจะทำยังไงได้ผลอะไรบอกว่ า, วามีพระหานุ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 ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดา ม, มารพรหมใครๆในโลกกำจัดได้พระองค์เนี่ยเป็นผู้กำจัดไม่ใช่ศัตรูกำจัดพระองค์พระองค์นี้เป็นผู้กำจัดศัตรูกำจัดศัรด ต, รดตรูคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นแล้วก็ยังกำจัดศัตรูคือภายนอกคำว่ากำจัดนี้ไม่ได้แปลว่าฆ่าเขานะเพียงแต่ว่าศัตรูเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเบียดเบียนทาลายพระผู้มีพระภาคได้ พระโบราณอาจารย์ท่านประพันธ์ไว้ว่าโบราณอาจารย์ในที่นี้คือพระท่าอนอน์เป็นต้นนั่นเองพระสังคีติกาอาจารย์เนี่กล่าวไว้ว่าพระมหาบุรุษไม่กล่าวคําเพ้อเจอ้อไม่กล่าวคําปราศจากหลักฐานมีคลองพระวาจาไม่เหลวไหลทรงบรรเทาเสียซึ่งคําไม่เป็นประโยชน์ตัดแต่คําที่เป็นประโยชน์และคําที่เป็นสุขแก่มหาชนผู้แต่ประโยชน์ประโยชน์มีกี่อย่าง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 ผู้ประเสริฐในไตรทิพยอุปมาัวนะที่จริงแล้วพระองค์นี่เลิศกว่าเราเทพพเจ้าอีกเป็นเหมือนพระอินผู้ประเสริฐกว่าเทวดาเป็นผู้มั่นคงอันคนทันอสูนเท้าส ก, กะและยักษ์ผู้กล้าไม่กำจัดได้โดยง่ายเลยพระมหาบุุษนั้นย่อมเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้โดยแท้ฉันพระองค์นั้นเป็นใหญ่ อย่างจริงๆเรียกว่าในบรรด า, าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าจนถึงอรูปป ร, พรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดเดี๋ยวจะให้ดูอัตตราฐานิดหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ทํากรรมประเภทเพลเจอร์นะก็บอกว่าผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีคางเข้าไปในภายในหรือมีคางคดหรือมีคางเงื้อมีคางเงื้อมเขาว่าน้นแต่พระตถาคตไม่ตรัสอย่างนั้นคนที่คางมีปัญหาเนี่ยนะ ก็มาจากกรรมประเภทเพ้อเจ้อเป็นนิมิตแห่งกรรมหมดเลยเนาะเนี่ยนะถ้าใครจะเพ้อเจ้อเนี่ยรูปรูปครางได้เลยนะทาเหตุไว้นะต่อไปถ้าคางมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอย่าไปตําหนิมันนะว่าพูดไปเถอะถ้ากลางมันบิดบิดเบีเ้ยวเบี้วก็อย่าไปตําหนิใครกัแล้วกันนนะั้การใช้วาจาเนี่ยนะสําคัญนะมีอิทธิพลต่อชีวิตในชาติ ต, าต่อไปเป็นอย่างมากเลยถ้าฝึกใช้วาจาสตัตชา ต, ตินี้เลยนะต่อไปอนาคตก็จะดีขึ้นใช้วาจาอย่างไร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 ได้แก่มีบริวารที่เป็นพราหมณ์ครหอบดีชาวนิคมชาวชนบทหัวราจารย์มหาอ ม, มารดกองทหารนายประตูอ ม, มรดบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมานนนนรนะคร่าววัดได้แต่คนดีๆมาอยู่ใกล้เหมือนกันค่ะไม่มีคนชั่วมาอยู่ใกล้ๆพระองค์ไม่มีมีแต่เอาแต่คนดีๆมาติดซอยห้อยตามพระองค์ถ้าพระมหาบรุษทรงออกผนวดจะได้เป็นพระรหารตระสำ ม, มาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร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 จักรวิญญาณวิตกเกิดไหมเอางี้นะกายยะวิญญาณวิตกเกิดไหมแขนแกคิดดูสิคิดได้ไหมเออให้คิดแทนคิดไม่ได้นั้นมันวิตตกไม่เกิดร่วมกับทวิปัญจาวิญญาณในจิตสิบทวิปัญจวิญญาณในจิตสิบคือจักรวิญญาณสองโสตวิญญาณสองคานาวิญญาณสองชิวหาวิญญาณสองกายยะวิญญาณสองพวกนี้ไม่คิดนะนะเพราะฉะนั้นจะให้แขนคิดแทนไม่ได้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 รู้จักฌานะปัจจโยดีเพราะว่าองค์ฌานมีเท่าไหร่มีห้าใช่ไหมคือวิตกวิจารปีติสุกเอกคตาแล้วในวิตกนะถ้าเป็นอากุศลวิตกก็เป็นฌานเหมือนกันแต่เป็นอากุศลฌานนะวิตกที่เป็นไปกับนิวรห้าพวกนี้เป็นอากุศลฌานอันวิตกนั้นถ้าเรารู้จักปัจจัยของเข้าดีวิตกจะเกิดขึ้นเพราะเพราะตั้งจิตไว้ผิดอะถ้าหากว่าตั้งจิตไว้ชอบทำนะ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 ใส่ใจคําเหล่านี้ไว้ให้ดีเสร็จแล้วจะพยายามไม่ให้ความคิดนี้เกิดขึ้นอีกถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บจิตที่อธิษฐานไว้จะมาทันทีเลยเว้ยอันนะทีนี้อะไรจะชนะก็แล้วแต่ขณะนั้นอะไรมีกําลังมากอันนั้นจะชนะถ้าวิตกมีกําลังมากเอาไว้ก่อนนะ้าอธิษฐานก็ อ, อธิษฐานไว้เถอะเอาไว้ก่อนคล้ายๆกับสมาทานศีลนั่นแหละเออศีลบางคนเนี่ยถ้าไม่สมาทานรักษาไม่ได้พอสมาทานปั๊บสังวรวิรัตงดเว้นได้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 สามารถที่จะกําหนดวิตกของตัวเองได้คนที่กําหนดวิตกตัวเองได้นี่อยากหลับก็หลับง่ายตื่นก็ตื่นง่ายจะตืรนตัวด้วยแต่ถ้าปล่อยความคิดสเปสสปาเนี่ยเบอร์ทำอะไรผิดผิดพลาดนั่นแหละพวกนั้นกําหนดวิตกไม่ได้เพรทั้นถ้าวิตกน่ะจะฝึกฝึกได้อย่างไรการเจริญอน า, นาปานสตินี่เพื่อตัดอวิตกในเหมือนกันนี่ก็ช่วยได้ประเภทอนาปานสติเนี่ยสอนเพื่อที่จะระงับวิตกหรือเปลี่ยนไปเป็นประเภท อพยาปาธาวิตกนะเมตามากๆเข้าอากุศนวิตกก็จะช่วยได้เยอะและอย่างหนึ่งการเจริญวิปัสนาก็ช่วยช่วยทำให้เราศึกษาทางเดินของวิตกได้ด้วยสันฐานของวิตกได้ด้วยเหตุปัจจัยของวิตกได้ด้วยถ้าเราคิดถึงอะไรปั๊บแสดงว่าเราผูกพันกับเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราถามตัวเองต่อไปว่าทาไมเราจึงผูกพันกับเรื่องนั้นเสร็จแล้วจะมีคาตอบได้เลยในขณะนั้น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 พิจารณาจะเรียบร้อยหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนผมส่วนขนส่วนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเนี่ยแท่งหมดเลยจนรู้ว่าอะไรเป็นกรรมให้เกิดนะเช่นคางเนี่ยใช่ไหมคางพระ อ, องค์ก็พิจารณาเป็นอย่างนี้จนรู้ว่ากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดคางพระ อ, องค์ก็รู้กรรมที่เป็นเหตุให้ได้ตาพระ อ, องค์ก็รู้กรรมที่เป็นเหตุให้ได้ผิวพรรณพระองค์ก็รู้กรรมที่เป็นเหตุให้ได้ แข้งได้ขาได้เท้าได้ฝ่ามือฝ่าเท้าได้เส้นขอเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยรู้แม้กระทั่งกรรมและกิเลสที่เป็นเหตุให้ได้รูปเหล่านี้ด้วยพระองค์จึงรู้หมดแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ที่ถ่ายถอนตัณหาได้โดยไม่มีส่วนเหลือกอันเวลาคนอื่นเขากราบสการะพระผู้มีพระภาคนะพระองค์บอกว่าคนนี้เคารพขันทัปัญจกะที่พระองค์กำหนดรู้เรียบร้อยแล้ว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 ก็เอาเรื่องกรรมมาใส่ต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดวิตกด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็พิจารณาถึงโทษภัยต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือเอาความเปรียบเทียบว่าคนอื่นที่คิดลักษณะนี้มีโทษอย่างไรบ้างอันนี้ก็ช่วยได้ทั้นการศึกษาวิตกนั้นนะเป็นธรรมานุปัสนาเพราะว่าเป็นสังขารขันผู้ศึกษาวิตกไม่ดีก็จะได้ศึกษาธรรมานุปัสนานั่นเองอันศึกษาให้ดีแล้วอย่าไป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 ก็มีในจําได้ไหมว่าในวิชาที่สองที่พระองค์ตรัสรู้คือจุตูปปาตยามีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมติเตียนท่าเรียเจ้าการว่าร้ายท่าเรียเจ้าติเตียนท่าเรียเจ้าเป็นเหตุให้ไปส่วบาปทุกขติวินิบาตได้ในอัตภาพครั้งสุดท้ายนี้ก็เราว่าในตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในภพดุสิตพวกเีรถีปรากฏขึ้นก่อนขนาดว่าพระองค์ยังไม่ได้มาบรรลุเลยใช่ไหม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 จะให้เอาปุ่มไม้จันแดงเนี่ยเข้าเครื่องปลึงแล้วให้ช่างเปลึงเนี่ยเคลึงบาดปุ่มไม้จันแดงนั้นแล้วก็แขวนที่ไม้ไผ่ ต, ต่อต่อกันเลยละให้หลำให้ตีกลองป่าวร้องว่าผู้ใดมาถือเอาบาดใบนี้ได้ด้วยฤทธิ์เราจักเป็นผู้จงรักภักดีต่อผู้นั้นเอาบาดเนี่ยแขวนไว้บนอากาศเลยถ้าใครห่อมาเอาบาดนี้ลงไปได้นะจะยอมรับจะนับถือคนนั้นมาก ครั้งนั้นพวกเดรธีก็ปรึกษากันว่าบัตรนี้พวกเราชิปหายแล้วบัตรนี้พวกเราชิปหายแล้วนิครนหน้าตะบุตรก็กล่าวกับบริษัทของตนอย่างนี้ว่าเราจะไปใกล้ใก้ไม้ไผ่ธรรมอาการดังว่าจะเหาะขึ้นในอากาศพวกท่านจงจับบาของเราแล้วห้ามว่าท่านอย่ากระทำริษเพราะอาศัยบาด ท, ที่ทําด้วยไม้เผาผีเลยว่างั้นเดรธีเหล่านั้นก็พากันไปอย่างนั้นแล้วได้กระทําเหมือนอย่างนั้นก็คือเขาวางแผนให้ใ ห, ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปขอก่อนท่านเตธี โอ้ท่านนิครนเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านจงให้บาตรท่านนิครนเถอะโอ้ยอยากได้ก็เหาะมาเอาสิวันที่หนึ่งสองสามสี่ทีนี้จนถึงวันที่เจ็ดทีนี้ก็วางแผนให้ลูกศิษย์ไว้เลยบอกว่าถ้าหากว่าฉันทําท่าจะเหาะเนี่ยแกรีบจับมือกดไว้นะ <c oughs> ทีนี้ก็ไปทําอย่างนั้นด้วยกันทันเศษทีก็ไม่ให้อยู่นั่นแหละทีนี้คนก็เริ่มประกาศตัวเอ๊สงสัยชมพูทวีปจะว่างเว้นจากพระอรหันต์จริงๆหรือมั้ง เ น, นี่คนเนี่ยเริ่มมาเอ้ในยุกนั้นไม่มีพระอารหันต์ที่เหลือนี่หลอกลวงว่าเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเนี่ยเรื่องก็ได้ยินถึงพระปินโดลภพารัธวาชากับท่านธโมคลานะทีนี้ท่านก็ยืนอยู่บนยอดภูเขาหินประมาณสามคาวุธกําลังห่มจีวรเพื่อจะเข้าไปบินถบาศได้ยินเสียงโกลาหล น, นั้นบรรดาพระเถระทั้งสองนั้นท่านพระโมคคลานะได้กล่าวกับท่านพระปินโดลภพารัธวาชาว่าท่านจงเหาะไปเอาบาศนั้น พระปินโดรภารัทวาชานั้นได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเท่านั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาไว้ในตําแหน่งเลิศของท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านนั่นแหละจงถือเอาเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านพโมคขลานะบังคับว่าท่านนั่นแหละผมสั่งแล้วท่านจงถือเอาเถิดท่านไปเอาทีนี้ท่านพระปินโดรภารัทวาชาก็เลยทําภูเขาหินประมาณสามขาวุธที่ตนยืนอยู่ให้ติดที่พื้นท้าแล้วก็ให้ปกคลุม นครราชสัครึกเสียทั้งสิ้นอ่ะนะก็คือห่อไปทั้งที่มีเท้ามีก้อนหินนี่แหละลอยติดไปด้วยเอทีนี้เมืองราชสัครึกก็เหมือนกับฝาปิดหม้อข้าวใะนั้นเหมือนก็มีหินก้อนโตอยู่ข้างบนนั่นนะเชียงใหม่เนี่ยดอยทุเทพลอยมาจะวไงทีนี้คราวนั้นประชาชนชาวนครแลเห็นพระเทระนี่เหมือนได้แดงที่ร้อยในภูเขาแก้วพลึกก็มองเห็นพระเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ลิบๆว่าไนงะ ก็เลยพากันตะโกนว่าท่านพาระทะวัชชาผู้เจริญขอท่านจงคุ้มครองกับผมด้วยต่างก็กลัวแล้วก็ได้เอากระดงเป็นต้นเนี่ยกั้นพิสาไว้นะใครมีกระดงเอากระด้งมารองเลย <c oughs> โอย้หินก้อนเบอร์เิมเอากระด้งวันเดียวนะ <c oughs> ทีนั้นพระเถระก็ได้ปล่อยภูเขานั้นไปลงไว้ในที่ที่ตั้งอยู่แล้วก็ไปด้วยริดถือเอาบาดนั้นมา <c oughs> ครั้งนั้นชนชาวพระนครก็ได้กระทําความโกลาหลเกิดขึ้น <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวรุวันนาราม ได้ทรงฟังเสียงนั้นจึงได้ตรัสถามพระ อ, อ น, นุนว่า น, นั่นเสียงอะไรท่านพระ อ, อ น, นุนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญเพราะพระพารัตวาชาถือเอาบาดมาได้ชนชาวนครจึงยินดีได้กระทาเสียงหูร้องนะก็คือพอไปหอกเอาบาดเสร็จแล้วเศรษฐีก็บอกนิมนต์ลงมาเถอะแล้วก็นิมนต์ให้ฉันแล้วก็สายอาหารเนี่ยอย่างดีมาทีนี้ขณะที่ท่านถือบาทเดินกลับวัดเนี่ยประชาชนก็แห่ติดตามมาบอก ช่วยสแสดงฤทธิ์ให้ดูทีเมื่อกี้ยังไม่ทันเห็นอางนั้นนะนะตั้งกมัวแต่สแสดงฤทธิ์ประชาชนก็แห่ตามมากันเหมือนกับงานใหญ่เลยอ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเสียงอะไรดังระ ง, งมไปหมดเหมือนกับชาวประมงแย่งปลาอางนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นทีนี้ก็เล่าให้ฟัง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 อธิษฐานได้คือฤทธิ์มีการแสดงอย่างการแผลงฤทธิ์ขึ้นมาเนี่ยแสดงไม่ได้แต่ถ้าอธิษฐานเช่นอธิษฐานให้ไฟลุกเป็นต้นเนี่ยทําได้ลําดับนั้นเดียร์ถีทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าพระสมณโคดมบัญญัติศิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่บัญญัติไว้นั้นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถ้าสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นพระวินยัย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 พระราชาพิมพิสารก็ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเลระถีป่าร้องว่าจะกระทำอิทธิปาฏิหานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบพิษแม้อัตมาภาพก็จะทําพระราชาก็ตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายไว้แล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าเรื่องการแสดงฤทธิ์นะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบพิษอัตมาภาพจะถามเฉพาะพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงตั้งสินไหมสําหรับผู้กินผลมะม่วงเป็นต้นในอุทยานของพระองค์ว่าศินไหมมีประมาณเท่านี้แม้สําหรับพระองค์ก็ทรงตั้งรวมเข้าไว้ด้วยหรือในส่วนนี้ถ้าหากว่าใครมากินนะปรับถ้าพระองค์เฉยเนี่ยถูกปรับด้วยไหมพระราชาทูลว่าไม่มีศินไหมสําหรับข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นมหาบาพิษสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วย่อมไม่มีสําหรับอาตมาภาพ พระราชาตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทที่ปาติหารจากมีที่ไหนพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าที่โคนต้นคันดามะพรุกใกล้เมืองสาวัตถีมหาบพิษพระราชาตรัสว่าดีละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจักคอยดูปาติหารนั้นลําดับนั้นพวกเดรัจถีได้ฟังว่าในยะว่าปาติหารจากมีที่โคนต้นคันดามะพฤุกจึงได้สั่งให้ตัดต้นมะม่วงรอบรอบพระนคร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 เพราะว่าเขาเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดเจนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอัครทัชกินยะบุคคลของโลกก็บอกว่าเอาพระโสดาบันเนี่ยมานั่งเลยครึ่งจั ก, กรวาล น, นะแล้วทําบุญกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวโดยปาฏิบุตรเลขาทานนะพระพุทธเจ้าองค์เดียวได้ผลมากกว่าเรียงพระโสดาบานนันในครึ่งโลกครึ่งจั ก, กรวาลด้วยซ้ำไปห่างกันมากกว่านั้นเลย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 จากจักรวาลที่ตะวันออกจนกระทั่งถึงจักรวาลที่ตะวันตกเมื่อจะทรงยังบริษัทมิใช่น้อยให้บรรลือาาศีหนาทจึงทรงกระทำอิทธิกระทำมหาอิทิปาติหารโดยนัยยะดังกล่าวแล้วในอตตัคตาธรรมบทอันถ้าหากว่าผู้ใดอยากจะอ่านเรื่องยมกปาติหารไปดูได้ในเล่มเล่มหกสิบแปดนะฉบับเก้าสิบเอ็ดเล่มเล่มหกสิบแปดอยู่ในยะมะกะปาติหารยาน ในยานเจ็ดสิบสามในในหมวดว่าด้วยยานในเล่มหกสิบแปดตรงนั้นเนี่ยจะกล่าวถึงยมกปาฏิหาริ์ซึ่งปาฏิหาริ์แบบนี้พระผู้มีพระภาคแสดงได้พระองค์เดียวไม่มีสาวกอื่นๆสแสดงได้ก็คือท่อน้ำกับท่อไฟเนี่ยไหลออกมาจากตาไหลสลับกันจากตาจากหูจากคุ้มขนจากกายเบื้องบนเบื้องตักเรียกว่าตรัศมีนิวิจิตพิสดารในขณะที่ แสดงอิทธิฤทธิ์อยู่นั้นเนรมิพระพุทธเจ้าขึ้นอีกองคหนึ่งแล้วก็แสดงธรรมสนทนาธรรมองค์นี้ถามองค์นั้นตอบองคนั้นถามองค์นี้ตอบถ้าหากว่ารายละเอียดเกี่ยวกับคําถามคําตอบก็คือในในคัมพีร์นิเทศในคำพีร์มหานิเทศจะมีกล่าวว่าพระพุทธเนรมิตตรัสถามว่าพระองค์ตอบว่านั่นแหะก็คือจากเหตุการณ์อนั้นเนี่ยก็พระธรรมนั้น่ะมีรายละเอียดลึกซึ้งมากลึกซึ้งจนว่าทีแรกๆเลยนะอ่านก็ยังไม่เข้าใจเลยก็ ท่านพูดอะไรอันี้อ่านนี้ยังเข้าใจยากเลยยอมรับว่าในสูตรนั้นลึกซึ้งมากนะขนาดอ่านยังเข้าใจยากเลยว่าจะกลับไปอ่านใหม่ยังไงยังไม่ได้อ่านอีกเลยเพราะนนเนื้อหาค่อนข้างลึกซึ้งมากระหว่างพระพุทธท่นในระมิดถามพระพุทธเจ้าองค์จริงทีนี้ในเวลาเสร็จปาติหารก็เสด็จขึ้ือนยังพิภพดาวดินโดยพุทธจริยาที่พระพุทธเจ้าในปางก่อนทรงประพฤติแล้ว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 ร่วมทนท่ามกลางชมพูชวิตประดุดแม่น้ำห้าสายมีแม่น้ํำคงคาจิรวดียมุนาสรภูและแม่น้ํามห ah e ีเป็นต้นคือลาบสการะเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านะก็บอกว่าเกวียนเนี่ยมาต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต่อกันเนี่ยเป็นหลายๆกิโลเมตรอ่ะคือมาจอดเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสทําบุญกับพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งอ่ะ น, นะบางคนเนี่ยโหเดินทางมาตั้งหลายๆเดือนอ่ะนะเป็นพันๆกิโลเมตรอ่ะ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 อุบาสิกาของพวกเดรถีเหล่านั้นชื่อว่านางจินจะมนวิกานางเอกนั่นแหละถึงความเป็นผู้เลิศด้วยรูปโฉมเห็นพวกเดรถีเหล่านั้นนั่งอยู่อย่างนั้นจึงถามว่าท่านผู้เจริญพาอเหนไรท่านทั้งหลายจึงนั่งเป็นทุกข์เสียใจยอยู่อย่างนี้ไปเห็นหน้าสมณะของตัวเองนะอ้ยหน้าดำข่ำเครียดกันแต่ละคนเนี่ยง้อยไปไหวก็เฉยนะเหมือนกับคนตายนั่งได้ไงั้นน่ะทีนี้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 เดารถีตอบว่าเธอควรจะยังโทษมิใช่คุณให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมเธอทํายังไงให้พระสมณะโคดมเนี่ยเสียหายที่สุดเนี่ยเธอจงไปทําอย่างนั้นแหละทํายังไงดีบอกว่านางจินจะมานาวิกานนั้นกล่าวว่าข้อนั้นไม่เป็นการหนักใจสําหรับดิฉันโอ้ปัญหาเล็กน้อยนะมันจะไปยากอะไรดังนี้แล้วก็ทําความอุตสาหะในการนั้นจึงไปยังพระเชตาวันวิหารในเวลาวิการ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 ที่ตระกูลให้แล้วก็ซัดลงไปในอเวจีนรกอันคนที่ตกนรกที่แผ่นดินแยกเนี่ยนะคนหนึ่งคือนางจินจะมานวิกาสองหลวงพ่อเทวทัตอีกคนหนึ่งเนาะแล้วก็นำท่ามานบ่ะคนหนึ่งที่ไปข่มคืนนางอุบลวรรณาเทรีแล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะก็คือพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีเมตสีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนันทยัก นันทะยักษ์นั้นวันหนึ่งนะภาษาริบทเนี่ยเป็นวันอุโบสถปลงผมใหม่ๆเลยนั่งเข้าสมาบัติกลางแจ้งหัวเหน่งเลนี้นันทะยักษ์เนี่ยเหาะผ่านมากะยักอีกเพื่อนหนึ่งเขาบอกว่านั่นสัมมณะว่างง้นฉันจะหวดด้วยแบกตะบองมาด้วยเหาะมาแล้วจะหวัวพระ้วฉันจะตีหวัวพระโอ๊ยยาเพื่อนเนะห้ามไม่ทนันเขาหวดดัวลงไปป๊าหนึ่งเข้าเลเขาบอกว่าถ้าตีภูเขาธรรมดาเนี่ยจะยุบลงไปทั้งลูกเลย แต่ว่าท่านก็คล้ายๆกับมีอะไรมากัดศรีรษะท่านหน่อยเพราะกำลังแห่งสมาบัตรรองรับไหมคนธรรมดาก็จุติไปเลยก็บอกว่าพอนั้นเน่ความร้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นตกลงมายัางแผ่นดินปั๊บแผ่นดินก็แยกก็ไปเอาเวจีเหมือนกันทั้งสอยอยู่ใกล้ๆกันนะเนาะไม่เหงาเลยไปตั้งหลายคนเลยอ่ะที่ที่ร้อนรอนเนี่ยเป็นที่ตธรรมชาวนะดวงที่เจ็ดก็เป็นอุปชาแลวก็ปฏิสนธิใน เ, เวจีเลย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 รับกรรมเก่าใช่ไหมยุติธรรมไหมเจตนาในอดีตนี่ก็ให้ผลสมควรแก่กรรมแล้นางจินจะมานวิกาก็ทําเหตุใหม่ก็ยุติธรรมนั่นกันแล้วเราถ้าเราไปคิดแช่งนางจีนจะมานวิกานะออากุศลเนื้อกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมัน <c oughs> อ, อย่าไปคิดต่อน ะ, จะเจริญกรุณาเยอะๆส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเขาเป็นอกุศลป้าเราจะยินดีใช่ไหมยินดีในคนรับอกุศลไม่บาปมันส่วนใหญ่ไม่ดี อันเราก็ต้องศึกษาไว้คนทําชั่วมากๆอกุศรกรรมให้ผลปุป๊บก็เจริญต้องเจริญกรุณาเขา<ม>ถ้าหากว่าอากุศรกรรมให้ผลแล้วเนี่ยมันก็น้ําตานองหน้าอย่างนั้นแหละนี่ถ้าหากว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะถูกคนมาฉีกหน้าขนาดนั้นจะเป็นยังไงนะใช่ไหมอีกกรรมหนึ่งนะการกล่าวยิ่งคือการด่าชื่อว่าอับพักขานะโอแสดงว่าพระพุทธเจ้านะสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตนี่ปากก็ไม่บอลเหมือนกัน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 ทีนี้พวกเดียรถีก็กลับเกิดความอุตสาหะขึ้นอีกว่าก็เลยพากันคบคิดกันว่าพวกเราเนี่ยจักยังโทษมิใช่ยศให้เกิดแก่พระสมณะโคโดมได้อย่างไรเนาะก็นั่งเป็นทุกข์เสียใจกันนะรวมตัวกันปรึกษาหาจะหาเรื่องอ่ะนะวางแผนจะทำลายพระพุทธเจ้าจะทำกันยังไงอยู่นาะทีนี้ครั้งนั้นปริภาชิกาผู้หนึ่งชื่อว่านางสุนทรีก็เข้าไปหาเดียร์ีเหล่านั้นไหว้แล้วยืนอยู่ เห็นเดรัถีทั้งหลายพากันนิ่งไม่พูดอะไรนางปริพาเชกาเข้าไปถึงก็ไปไหว้นะไหว้แล้วก็พวกนักบวชเขาก็ไม่พูดอะไรสักคำานึงก็เลยถามว่าดิฉันมีโทษอะไรหรือพวกเดรัถีก็กล่าวว่าพวกเราถูกพระสมณะโคดมเบียดเบียนอยู่แต่ท่านกลับมีความขวนขวายน้อยข้อนี้เป็นโทษของท่านคือโทษเพราะท่านเฉยอ่ะพวกเรากาลังมีปัญหามีเรื่องมีเราไม่สนใจเลยอ่ะ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 ดูสิก็ไปค้นดูในวัดก็หาไม่เจอเดียร์ีก็บอกเดี๋ยวพวกเราไปค้นกันเองไปก็ไปเดืองเอาศพเนี่ยออกมาจากกองดอกไม้เสร็จแล้วก็ไปกล่าวใส่ร้ายเลยว่าด่าใหญ่เลยนะว่าสมณะโคดมเนี่ยสมสู่แล้วยังไม่พอใช่ไหมยังฆ่าทิ้งอีกเหมือนกันใจดำอมมหิตหน้าดูเลยทีนีนยข่าวอันนี้ก็ด่าพระพุทธเจ้าด่ า, าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยยันยกใหญ่เลย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 ได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากคนเป็นอันมากสาการะบูชาได้บวชเป็นดาบทมีรากเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารสอนมนแก่พวกมานุปจำนวนมากสำเร็จการอยู่ในป่าหิ ม, มาพานขณะไปบวชเป็นฤาษีใช่ไมเป็นฤาษีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเต็มไปหมด ทีนี้วันหนึ่งก็มีดาบทรูปหนึ่งหน้ภิญญาห้าสมาบัตแปดมายังสำนักของพระโพธิสัตว์คนได้ชาดได้รดเนี่ยมันก็น่าเลื่อมสายหน้าเกรงขามากพระโพธิสัตว์พอเห็นพระดาบทนั้นเท่านั้นก็ถูกความฤษยาครอบงำมันยังลูกศิษย์เราหรือเปล่าวะเนี่ยได้ด่าว่าพาระฤาษีผู้ไม่ประทุสร้ายนั้นว่าฤาษีนี้หลอกลวงบริโภคกามแล้วก็บอกไปพวกลูกศิษย์ของตนว่า ฤศีนี้เป็นผู้ไม่มีอาจาระเห็นป่ายนี้ฝ่ายศิษเหล่านั้นก็พากันด่าบริภารอย่างนั้นเหมือนกันเป็นหัวหน้าพาลูกศิษย์ห้าร้อยคนเนี่ยด่าฤศีเนี่ยไม่มีวินนะบริโภคตามเหมือนกนด้วยวิบากแห่งอกุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงได้เสวยทุกในนรกอยู่พันปีในอัตาภาพหลังสุดท้ายได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบและยศปรากฏประดุจพระจันรเพนในอากาศฉะนั้น จริงก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะกุศลกรรมที่ดีๆก็ให้ผลอย่างเต็มที่แม้ด้วยการด่าว่าอย่างนั้นพวกเดรธีก็ยังไม่พอใจจึงทําให้นางสุนทรีทําการด่าอีกก็เรียกพวกนักเลงสุรามาให้ค่าจ้างแล้วสั่งว่าพวกท่านจงฆ่านางสุนทรีแล้วปิดด้วยขยะดอกไม้ที่ใกล้ประตูพระเชตวันที่จริงก็ถูกด่าก่อนหน้านั้นมาครั้งหนึ่งละพวกนักเลงสุราก็ได้กระทําอย่างนั้นตั้งแต่นั้นพวกเดรธีจึงกราบทูลแก่พระราชาว่า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 พระราชารับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงค้นหาคนฆ่านางสุนทรีครั้งนั้นพวกนักเลงสุราพอดื่มเหล้าเสร็จแล้ว ก, ก็ทะเลาะกันว่าเจ้าฆ่านางสุนทรีเจ้าฆ่าก็กคือทุบกันว่าเองแหละเป็นคนฆ่าเล่าเข้าคอเข้านักเลงก็เผยความในใจออกมาหมดราชบุรุษทั้งหลายก็จับพวกนักเลงเหล่านั้นแสดงแก่พระราชาพระราชาตรัสถามว่าแน่พนายพวกเจ้าฆ่านางสุนทรีหรือ นักเลงเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่สมมุติเทพพระราชาสั่งถามว่าพวกใครสั่งนักเลงทูลว่าพวกเดรถีสั่งพระพุทธเจ้าข้าพระราชาจึงให้นำพวกเดรถีมาแล้วให้จองจำพันธนาการและรับสั่งว่าพนะยพวกเจ้าจงไปเป่าร้องว่าเราทั้งหลายได้ฆ่านางสนรีเองและให้แก้ข่าวจับมัดให้ไปแก้ข่าวโดยความจะให้เป็นโทษแก่พระพุทธเจ้า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 อัเพราะองค์จึงสอนว่าการสัมรวมวาจาเนี่ยเป็นความดีสัมรวมวาจานี้สัมรวมด้วยอะไรบ้างสัมรวมวาจาสัมรวมด้วยหนึ่งศีลสังวรสัมรวมที่ศีลนะแค่หุบปากแค่เฉยมันไม่ได้แปลว่าสัมรวมแล้วนะสัมรวมก็คือด้วยหนึ่งนะด้วยศีลสังวรสัมรวมด้วยสติสังวรสัมรวมด้วยญาณสังวรสัมรวมด้วย ขันติสังวรสัมรวมด้วยวิริยะสังวรใช่ไหยไม่มีอะไรพูดก็ท่องพระสูตรเถอะท่องยากหน่อยก็พูดท่องพระสูตรไปเรียกว่าวิริยะสังวรถ้าหากว่าสังวรได้ดีแล้วก็ผลบุญก็มาตามปากเราอีกนั่นแหละอันบุญบาปจริงๆนะอยู่ใกล้มากจริงๆหละยอยู่ตรงเจตนาของเรานั่นแหละเจตนาเหล่านั้นทำมาให้เป็นกายวิญญาณ์วจีวิญญาตออกมาเจตนาตัวนี้ถ้าหากว่า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 พระเทวทัตผู้เป็นพระมาตุลาของพราหุนกุมารพราหุนมีลุงใช่ไหมมีลุงคือพระเทวทัตมาตุลาก็คือลุงพระเทวทัตเนี่ยเป็นลุงของพราหุนในชาติก่อนก็ได้เป็นพ่อค้ากับพระโูธิสัตว์ในครั้งนั้นเป็นพ่อค้าชื่อว่าเสริพานิสพ่อค้าทั้งสองนั้นไปถึงปัตตานะคามอันตั้งอยู่ใกล้ท่าแห่งหนึ่ง จึงตกลงกันว่าท่านจงถือเอาถนนสายหนึ่งแม้เราก็จะถือเอาถนนสายหนึ่งแล้วทั้งสองคนก็เข้าไปถ้าให้บ้านสองซอยนะแกไปค้าขายซอยนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันไปค้าขายซอยนี้ทั้งคู่เขาเป็นพ่อค้าทองกันทั้งคู่คือถ้าถ้าเป็นสมัยโบราณนะเขจะมีพ่อค้าทองแบบหาบเรีไปอ่ะทีนี้ในบรรดาคนทั้งสองคนนั้นในถนนสายที่พระเทวทัศน์เข้าไปได้มีคนสองคนเท่านั้นคือภรยาเศรษฐีเก่าคนหนึ่งหลานสาวคนหนึ่ง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 ยกน้ำหนักนะสงสัยก็เลยขีดดูก็เลยรู้ว่าทองก็เลยคิดว่าเราจะให้นิดหน่อยแล้วจะถือเอาไปนะก็เลยเฉยคือวางแผนว่าจะให้ของไปไน้อยๆอ่ะจะเอา่าดใบนั้นไปก็เหมือนกับเอาฟรีอ่ะนิสัยที่โกงก็เข้ามาในใจเลยทีนี้ลำดับนั้นหลานสาวเห็นพระโพธิสัตว์มาอย่างที่ใกล้ประตูก็กล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านจงให้เครื่องประดับฉัดปุตะแก่ดิฉันภรรยาเศรษฐีเท่านั้น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 และให้สินค้าที่เหลือให้เครื่องประดับชื่อว่ากัดฉาประตุที่มือของนางกูมาริกาแล้วก็ไปฝ่ายพ่อค้าคนหนึ่งก็หัวลับมาถามอีกภรรยาเศรษฐีนั้นก็กล่าววันนี้เนี่พ่อท่านไม่เอาบุตรของเราได้ให้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็ถือเอาถาดใบนั้นไปเสียแล้วพ่อค้านั้นพอได้ฟังอย่างนั้นก็มีหั่นเหมือนจะแตกออกไปแค็งมากเลยนะสัตเทวทัตเนี่ยพอฟังข่าวว่าเพื่อนเนี่ยแลกเอาไปแล้วเนี่ยครับมันหักหน้ากันจะทับเลย โกรธมากจึงวิ่งติดตามไปพระโพธิสัตว์นี่ก็ขึ้นเรือแล่นไปแล้วพ่อคานั้นก็กล่าวว่ายุดอย่าหนีอย่าหนีแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าเราพึงสามารถทําให้มันชิบหายในภพที่เกิดแล้วเกิดแล้วอาฆาตได้เลยนะเรียกว่าเจ้าเวนเหมนั้นผูกเวนทันทีเลยตั้งจิตไว้ผิดเลยเนนะเกิดชาติไหนขอให้มีโอกาสทําร้ายไอ้คนนี้ให้ได้คิดดูนะพระเทวทัตทําร้ายพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาติ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 บวชแล้วก็เป็นผู้ได้ฌานพระเทวทัศน์เนี่ยบวชไม่นานนะได้ฌานทีนี้ท่านยกมาแพ่ฌานที่จริงแล้วท่านได้อย่างอื่นด้วยท่านได้อภิน ญ, ญาห้าสมาบัติแปดแล้วก็ทรงพระไตรปิฎกเก่งมากนะพระเทวทัศน์ทีทนี้หลังจากนั้นมาแกก็ทูลขอพรที่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ทั้งปวงจงสมาทานทุดงสิบสาม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 พระเทวทัตก็เลยผูกเวรจึงเสื่อมจากฌานด้วยต้องการจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้วันหนึ่งก็ยืนอยู่เบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชิงเขาเวาระหรือเขาขิจกูดนั่นนะแล้วก็กลิ้งยอดเขาลงมาพระเทวทัตเนี่ยมีกำลังเท่ากับช้างหลายเชือกสามารถผลักหินก้อนโตๆเนี่ยลงไปได้เลยด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ายอดเขายอดอื่นก็รับเอายอดเขานั้น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 ก้อนหินบทขยี้นิ้วหัวแม่เท้าของเราไปคิดนะอกุศลที่ทำไปมันจะไม่ให้ผลแต่มันให้ผลนีมันขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะยังมีคนตามจองล้างจองผลาญอยู่นั่นแหละทจริงถ้าพระองค์ไม่ทำอกุศลไว้นะพระเทวทัตถึงจะผูกเวรอย่างไรก็ทำลายพระองค์ไม่ได้แต่ทีนี้ว่าคนละกรรมกันใช่ไหมพระเทวทัตเป็นคู่เวรที่พระเทวทัตทาลายได้เพราะ อดีตชาติไปทำความชั่วอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ก็มาประจบกันเข้าเี่เกว่าคู่เวรมีอากุศลตัวเองก็มีก็ประจบกันเข้าพอดีเลยครั้งก่อนนี้ได้กล่าวถึงเรื่องกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์นั้นได้รับอากุศลกรรม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 กำลังเล่นอยู่ที่ถนนใหญ่เห็นพระประเจกับพุทธเจ้าเที่ยวบินธบัดอยู่ในถนนก็เลยคิดว่าส ม, มณะโลน้นนี่จะไปไหนเห็นแล้วไม่ตาพานนะจึงถือเอาสเก็ตหินเนี่ยคว้างไปที่หลังเท้าของท่านหนังหลังเท้าของท่านขาดโลหิตไหลออกคือเห็นแล้วก็โดยอัธยาศัยนักเลงหน่อยนะปาเข้าไปเลยเฉียดแล้วก็บาดขา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 ลงบนกระหม่อมของช้างนาลาคิรีนั้นครั้งนั้นเทวดาและพรหมเป็นต้นเกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยเป็นจึงพากาันบูชาด้วยดอกไม้และเกสรดอกไม้เป็นต้นในพระนครทั้งสิ้นได้มีกองทรัพย์ประมาณถึงเขา่าพระราชารับสั่งให้เที่ยวตีกลองเป่าร้องว่าทรัพย์ที่ประตูด้านทิศตะวันตกจงเป็นของชาวพระนครทรับที่ประตูด้านทิศ ต, ต, ต, ตะวันออกจงนําเข้าท้องพระคลังหลวง คนทั้งปวงก็กระทำอย่างนั้นแล้วครั้งนั้นช้างนาลาคีรีได้มีชื่อว่าธนบานรักษาทรัพย์เหมือนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังพระเวลุวรณารามด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าในการก่อนเราได้เป็นนายควานช้างได้ทำช้างให้โกรธพระประเจกมุนีผู้สูงสุดผู้กำลังเที่ยวบินทบาทอยู่นั้นเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นช้างนาลาคีรีตัวดุร้าย หมุนเข้ามาประจันในบุรีอันประเสริฐชื่อว่าคิริภชะคือกรุงราชครึกกรรมมันนั้นก็ยังตามมาให้ผลขนาดเป็นพระผู้มีพระภาคกรรมนั้นก็ยังไม่ละเว้นเลยเนาะอันนี้เสร็จๆทั้งนั้นเนี่ยเป็นประเภทอภ ร, ราปริยะเวทนียกรรมส่วนเนี่ยอุปัชาเนี่ยตกนรกไปเรียบร้อยแล้วที่ถ้าทำนี่ก็ได้รับไปตั้งแต่ชาตินั้นเรียบร้อยแล้ว น, นี้เสร็จๆมาเฉยๆ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 ไม่ได้ต้องแนะนำให้เขารู้ซะหน่อยว่าเราก็มาเหมือนกันอย่างนั้นพวกอกุศนหรือการคบปาประมิตรจะเป็นลักษณะนั้นด้วยวิบากแห่งกรรมอลา ม, มกนั้นพระโพธิสัต์นั้นไม่อยู่ในนรกหลายพันปีเอออย่าไปดูถูกสัตว์นรกบางตัวนะเป็นพระโพธิสัตว์เช่นอะเสวยทุกอยู่ในทุกขติมีเดรัจฉานเป็นต้นเศษเศษก็ยังมาให้เป็นเดรัจฉานอีก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 หรือว่าเสียงของสัตว์เดรัจฉานต่างๆบ้างการเห็นมดเห็นแมลงเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอากุศลวิบากนั่นแหละทําให้ได้เหน็นวันวันหนึ่งนรับอกุศลวิบากมากมายมหาศาลแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันพวกเรานั้นที่เรียว่าเป็นผู้มีบุญน่ะนะโดยมากรับกุศลวิบาก ส, ส่วนมากฉั้นแต่ก็มีอากุศลวิบากมาแซมแซม น, น่ะนะมาเจอเจอให้เห็นว่าเออ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 ค่าปิโน ต, ตามผ้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวร่ะนั่นแหละไอ้ที่กัดคนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆทําเหตุที่ที่ชั่วๆนี่มากบอกว่าพอไปสู่อาบายทุคติวิหนีบาสนารกแล้วเนี่ยที่จะได้คืนมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยยากคนอื่นก็บอกฮู้จะไปยากยังไงเห็นคนอื่นเขาก็มนุษย์เนี่ยเกิดเอามากขึ้นมากขึ้นนั่นคนอื่นแล้วเราอะ่ะเปอร์เซน์ที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์คืนอีกมากขนาดไหนคนอื่นเขามีบุญอะ่ะนะเขาอาจจะได้มาเกิด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 ถ้าพิจารณาบ่อยๆเป็นเหตุแห่งปัญญาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราพิจารณาปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาต่อไปไม่ได้จะหุนห้วนสะดุดทําไมจึงเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเราเรียนวิชามาไม่ดีก็แปลว่าเรียนเวทมนต์มาไม่ดีผีมาเลยท่องไม่ถูกเลยเป็นลับปัญา น, นั้นฉนั้นแสดงว่าเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นแนละ้วเราพิจารณาลงคําสอนไม่ได้เพราะเราเรียนธรรมะเข้าใจน้อยไปในเรื่องนั้นนั้น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 มีอยู่ครั้งหนึ่งพระราหุลติดตามพระผู้มีพระภาคไปบิณฑบาตอู้หูพระองค์เนี่ยหล่อจังเลยนะพระพุทธเจ้านี่ทําไมงามแท้เหมือนกับสำเพาทองอันใหญ่เดินไปข้างหน้าไอ้เราก็ ง, งามด้วยเหมือนสำเพาทองติดตามไปข้างหลังเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่อู้งามจริงๆเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเหลียวมาหันมาพระราหุลเลยนะสอนเรื่องปฏิปูลสอนธรรมะตรงนั้นพระราหุลไม่ได้บิณฑบาตหรอกวันนั้น พะองคไม่ปล่อยให้ความคิดอันนั้นเกิดขึ้นต่อไปอีกนี่กับพระราหุลนะร้า น, นของเราก็เหมือนกันถ้าอากุศลเกิดขึ้นนะให้เห็นโทษอกุศลโดยความเป็นโทษก่อนส่วนจะสังวรได้มากน้อยขนาดไหนก็ค่อยๆทาไปแต่ให้รู้ว่าอะไรมีโทษกับไม่มีโทษก่อนเป็นอันดับต้นความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสาระจริงๆของคำสอนเบื้องต้นให้รู้ว่าอากุศลมีโทษกุศลมีโทษถึงละไม่ได้ก็ไม่เป็นไร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 เห็นผลละหมากรากไม้อยู่บนยอดยังขึ้นเอาเลยอ่ะแต่ก็เอะนานๆเข้าก็อดได้เหมือนกันนะเขายืนอดอดมาเกือบสิบปีแล้วเพราะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆนะแล้วเห็นโทษของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเดี๋ยวก็ทําได้ในส่วนอื่นๆก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันเราทําได้ถ้ามีศรัทธาในกุศลธรรมเพียงพอถ้าหากว่าเราเห็นโทษฮีเรโอตปาก็จะเกิดขึ้นถึงโกรธเราก็ไม่เปล่งวาจาที่ใกล้ต่อความโกรธ ถ้หากว่าเรารู้เรื่องโทษของความโกรธเราไม่สามารถที่จะไม่ให้โกรธได้แต่เราห้ามไม่พูดได้ในขณะนั้นเราปิดปากก็ยังไม่พูดก่อนก็ได้นะเดี๋ยววันหลังสบายใจก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องนั้นใหมาเนะี่ยให้บรนอากาศมันพร้อมก่อนเพราะสิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือเช่นที่เขาเรียกว่าพ่อแม่แนะนําลูกนะถ้าไม่โกรธก็ไม่มีคําสอนเลยอะโกรธเมื่อไรเนี่ยโอ้โหคําสอนไม่รู้มาจากไหนพรั่งพลูไปหมดเลย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 โอ้ยิ้มแป่เลยอะ่ะคล้ายๆกับมันมีเอต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมันเป็นคล้ายๆหัวมันนะก็คล้ายๆกับมันสำํำปะหลัง น, นั่นแหละทีนี้เอามาแกว่งในน้าําปลาจะเมาเมาแล้วมันก็จะตายแล้วจะลอยหรือว่ายาบางอยา่างมันจะเมาแล้วมันจะลอยขึ้นเคีย ก, กว่เบื่อปลาทีนี้เบือแล้วได้มาเยอะๆก็ดีใจใช่ไหมพอโพธิสัตว์ไปเห็นออ้่นี้ญาติได้ปลามาเยอะยิ้มแป้เลยนะดีใจกับญาติด้วย มาดูที่กรรมจะเป็นยังไงอากุศนกรรมาบท41ฆ่าเอง2ใช้ให้คนอื่นฆ่า3ชักชวนในการฆ่า4ยินดีในการฆ่านะะบาปทั้งนั้นแหละพวกนี้ mm. ก็ยินดีในสิ่งนี้ไม่ควรยินดีอ่ะบอกว่าด้วยอาุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยทุกในอบายทั้งสี่ในอัตภาพหลังสุดนี้ บังเกิดในตระกูลสักยาราชพร้อมกับบุรุษเหล่านั้นแม้จะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับแล้วก็ยังได้เสวยความเจ็บป่วยที่ศรีรษะด้วยตนเองปวดเสียนเลยนะพระพุทธเจ้า เ, เสนาบดีท่านหนึ่งซึ่งเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีเนี่ยก็มาแต่งตั้งให้วิทูธาภะเนี่ยปกครองราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าประเสนทิโกศนก็เรียกว่าช่วงชิงราชบัลลังก์มาทีนี้ เจ้าวิทูธพะเนี่ยพอได้ราชบัลลังก์แล้วก็ Can, คิดแค้นศากยะตระกูลที่ที่ครั้งหนึ่งที่เคยไปเยี่ยมสากยะตระกูลแล้วก็ศากยะตระกูลเนี่ยทําร้ายจิตใจอย่างร้ายแรงมากถึงขนาดว่าที่ที่เจ้าวิทูธพะไปนั่งเนี่ยถึงก็เอาน้นํานมเนี่ยมาล้างเรียกว่าคนเปื้อนวันหะ้านะคนตระกูลต่ํามานั่งที่สูงเนี่ยพันเจ้าวิทูธพะผูกพยาบาทไว้ว่าวันนี้ พวกเจ้าสกยะเอาน้ำนมมาล้างตังที่เรานั่งวันหน้าเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสกยะเนี่ยมาล้างตังอันนั้นคืนูอกอาคาศไว้ขอให้เราได้เป็นพระราชาก่อนเมื่อไรทีนี้ตอนหลังนี้พอได้เป็นพระราชาสมความปรารถนาแล้วก็ยกทัพมาเลยยกทัพมาพระ อ, องค์ก็มาห้ามอยู่สองาครั้งครั้งที่สมพระ อ, องค์ก็เลิกห้ามครั้งที่สี่ทีนี้ก็เลยเข้าไปก็ฆ่าักยะเนี่ยตายเป็นเบือเลย ท่นคนที่ไม่ได้พูดว่าคําว่าสักยะเท่า น, นั้นนะรอดตายไปท่านเป็นสักยะใช่ไหมถ้าบอกย่าอันนี้แง่รอดตายถ้าบอกใช่อันนี้นถูกตัดคอหมดแม้กระทั่ทงลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยสักยะเลยสูญพันธมาเหลือนหน่อยๆท่า น, น, นถูกตัดคอเนี่ยเรียบเขาบอกว่ากรรมอะไรที่เจ้าสักยะถูกฆ่านั่นก็คือกรรมที่ไปเบื่อปลานั่นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วงนั้นพระองค์ก็ปวดเสียนอันนี้นก็เศษเศษที่ไปดีใจกับเขามา อ่าสามารถดูได้ในปุปพภวในคาถาธรรมบทกล่าวถึงเรื่องเจ้าวิทูพะด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นลูกชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงเห็นปลาทั้งหลายถูกฆ่าได้ยังความโสมนัดดีใจให้เกิดขึ้นคล้ายๆกับตาของธรรมมาสมัยเด็กๆนะเดี๋ยวถ้าพ่อไปหาปลาได้เยอะเนี่ยโอ้ยิ้มแหอดีใจมากตอนหลังม า, าศึกษาธรร ม, มามเนี่ยสงสารยมพ่อนะ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 ทำให้ลืมว่าเออเมืองเรามีพระพุทธเจ้ามาจำมัลต้าอยู่ด้วยนึกไม่ออกไม่นึกเลยอ่ะไม่ใช่ไม่มีมัลทาแต่มันนึกไม่ได้เหมือนจำไม่ได้นะทีนี้พระองค์ก็ไปบินธบาตก็ไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีบาทเปล่าอันพิสูจสทรงห้อมล้อมเสด็จกลับมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จกลับมาอย่างนั้นพวกพ่อค้ามาที่อยู่ในที่นั้นแหละก็ได้ถวายทานในวันนั้นจาเดิมแต่วันนั้นไป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 ได้ถึงความสลดใจอย่างใหญ่หลวงสังเวชใจโอ้โหสามเดือนนี่นึกไม่ถึงเลยอะ่ะได้ถวายมหาทานแก่พิกิุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายบังคมและก็ขอให้ทรงอดโทษด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราได้ด่า บ, บริภาษสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพุทธะว่าพวกท่านจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงอยากกินข้าวสาลีเลย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 ยินดีกับพวกที่ถูกนอกมานั่งนั่งกันเลยล้มแผลเนี่ยลําบากกันนะทีนี้ชาวบ้านก็ดีใจด้วยกันแถบเลยอ่ะพระโพธิสัตว์นี้ก็ให้นักต่อสู้ด้วยมวยปล้านั้นตรงตรงแล้วก็ทํากระดูกไหลนั้นให้ตรงก็แก้ให้คืน่แต่ว่าสั่งสอนซะหน่อยอแค่กระดูกบิดบิดเนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าท่านจงไปตั้งแต่นี้ต่อไปวังั้นท่านอยากกระทํากรรมเห็นปลานี้เอกแล้วก็ส่งไป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 สรงถึงเมืองกุสินาราด้วยความลำบากอย่างมหันนะทุกขากายวิญญาเนี่ยเกิดมากมายในขณะที่เดินทางไปแล้วเสด็จปรินิพานในเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่งแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของไตรโลกเห็นปานนั้นกรรมเก่าก็ไม่ละเว้นนะที่เป็นโลพิยะกรรมาโลกรูประโลกอรูประโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเลิศอะนะเป็นเจ้าของแห่งธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดอะกรรมนั้นก็ไม่ละเว้นพระองค์ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาบุรของเศรษฐีด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคปักขันที่กาพาดจึงมีแก่เราพระชินเจ้าผู้บรรลุอภินยาทั้งปวงทรงพยากรณต่อหน้าพิสุสงนะอนดัตสะใหญ่ด้วยประการชนี้แหลก็มีอีกกรรมหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยทรงกระหายน้าก็ใช้ให้พระนลไปตักน้ำมาพระนลไปเห็นเนี่ยน้าขุนเลย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 เป็นพระมหาศัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วทรงประกอบด้วยคุณเป็นต้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีภาคะบุญคือโชคผู้หักลางกิเลสผู้ประกอบด้วยพาคธรรมทั้งหลายผู้ทรงด้วยภาคธรรมทั้งหลายผู้ทรงจำแนกคำผู้ครบแล้วผู้คลายการไปในภพทั้งหลายแล้วเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพาักว่า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 แห่งผลทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วนะบางครั้งก็หวานเจี๊ยบเลยนะบางครั้งก็ขมคืนหน้าดูเลยก็เหมือนกับข้าวใช่ไหมในในโต๊ะเดียวนั่นแหละไปตักมะละข้ากับขมไปตักทองหยิบทองยอดข้าวกับหวานเจี๊ยบเลยนะก็ใกล้ๆกันนั่นแหละอันผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์ทั่วไปเนี่ก็ทําใกล้ๆกันบางคนเนี่ยทางตาเนี่ยดีดีดนะเห็นแต่รูปอารมณ์ที่ดีๆแต่ทุกขากาญญาวิญญาณเนี่ยเบียดเบียนมาก บางคนเนี่ยตาดีแต่หูไม่ดีบางคนเนี่ยตาหูดีแต่ลิ้นไม่ดีบางคนตาหูหัวไม่ค่อยดีแต่ละอย่างเนี่ยหกรรมมันก็ตามแทรกอะนะไอ้ส่วนแห่งกุศลก็ให้ไปอกุศลก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลนั่นแหละเหมือนกับมิตรและศัตรูที่ติดตามเราทั้งหลายไปสิ่งที่น่าน่ากลัวมากก็คือผู้ที่ไม่มีโอกาสถึงไตสรสารณคมเนี่ย